่ า, าขาประจำมา่ า, า, า, าคุณกล้องไล่แรก<า>มอะไรไหมพระสการพระจ้าครับพระาจ้าครับสงสัยว่าพ ร, พระที่พระอย่างถ้าพธุ ด, ดงอ์ยังไงครับแล้วแบบกลั ว, ลวสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษบ้างไหมครับ อ๋อถ้าท่านกลัวท่านก็ไม่ไปสิอ๋อหรือว่าถ้าถ้าท่านไปก็แสดงว่าท่านจะถ้าท่านกลัวแต่ท่านไปแสดงว่าท่านจะไปดับความกลัวอ่านเอาไปมีที่ที่กระตุ้นความกลัวให้เกิดพระองคแต่ท่านพร้อมนะท่านมีท่านมีสติท่านมีเครื่องมือมีเวลาเกิดเจอภัยขึ้นมาท่านมีสติที่จะใช้ในการหยุดความกลัวได้ ท่านถึงไปถ้าท่านไม่มั่นใจว่าท่านมีสติพอหรือไม่ท่านไม่ไปหรอก <S <S <S <S สติแตกเพราะฉะนั้นท่านไปเพื่อทดสอบสติของท่านดูว่าสติของท่านใช้ได้ไหมหยุดความกลัวได้หรือไม่มาเกิดความกลัวคล้ายพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปฝากเป็นฝากตายไว้กับพุโทโธยอมตาย อะไรมันจะตายก็ถ้ารางกายมันจะตายตอนนั้นก็้มันตายไปใจจะขออยู่กับพุโทโธพุโทโธเพื่อความสงบพอใจสงบปั๊บนี่ความกลัวหายไปความสบายใจเกิดขึ้นทีนี้ไม่กลัวตายแล้วไม่กลัวอะไรแล้วแต่ก็ยังกลัวอยู่หมายความว่ามันมันไม่ได้หายกลัวแบบปัญญามันเพง่งแต่หายกลัวด้วยสติ ถ้ามันหายกลัวด้วยปัญญามันพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงต้องตายวันใดวันหนึ่งอนาตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราห้ามันไม่ได้ถ้ามันจะตายก็ยอมให้มันตายถ้ายอมแบบนี้ก็เป็นปัญญาก็หา ย, หายกลัวแบบถาวรจะไม่กลัวความตายไปต่อไป <c oughs> ที่ท่านไปทุ้อต้งกันกันอย่างเนี้ยเพื่อที่จะได้ไปไปขึ้นเวทีพูดง่ายๆถ้าเป็นนักมวยเราเราเป็นเหมือนพวกอยู่นอกเวทียังซ้อมโชกกสอบซรายอยู่ยังไม่ได้ขึ้นไปเจอคู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือความตายอย่างงง อย่งงูนี่ถ้าถ้าเราไม่ทำอะไรมันมันก็ไม่ทํามันก็กลัวคนใช่ไหมครับอาจารย์มันก็เหมือนเราเราก็เหมือนมันตาควายตากลัวแต่ถ้าเรานิ่งมันก็มันก็อาจจะมันก็จะได้มีเวลาเอ่อมันจะดูท่าทีเรางูนี่เวลาเจอมันถ้าเป็นงูหาวนี่มันจะแผลแม่เบี้ยทันทีแต่ยังไม่ฉกถ้าอยู่ห่างไกลระยะ แต่ถ้ายืนเฉยๆไม่ทำอะไรเดี๋ยวมันสภาพมันเห็นว่าเราไม่ทำอะไรมันก็หดตัวแล้วมันก็เลยเลยไปมันทุกคนอะทุกสัตว์ทุกคนนี่มีธรรมชาติรักตัวกลัวตายเหมือนกันพอเจออะไรที่คิดว่าเป็นภัยนี่จะต้องป้องกันตัวทันทีหรือไม่ถ้าไม่ป้องกันตัววิ่งได้ก็วิ่งก็โกยได้ก็โกย มีอยู่สองแบบแต่ว่าถ้าสัตว์นักล่าที่มันมันก็มันก็ล่าไม่ใช่เหรออาจาอย์ถ้ามันเป็นอาหารของมันมันก็ล่าแต่เราไม่ได้เป็นอาหารของมันนหรือว่าถ้ามันหิวขึ้นมามันเห็นว่าเราพอจะกินได้มันก็อาจจะล่าเราไปได้มันก็อาจจะอยู่ที่ว่ามันมันกัเรามันเป็นอาหารกันหรือไม่อย่างงูไม่เควรมากินเราหรอกนอกจากเอ มันกินสัตว์ที่มันกลืนได้เคี้ยวได้เรามันใหญ่เกินปากมันที่จะกินเข้าไปได้มันก็ไม่ได้เป็นอาหารของมันมันก็เป็นภัยของมันนั่นเองถ้าจะมองมันก็มองเป็นภัยของมันมันก็ต้องเตรียมป้องกันตัวก่อนงัวเห่ามันก็แผ่แม่เบี้ยขึ้นมาแต่พอเราไม่ทําอะไรเรายืนเฉย สักพักมันก็รู้ว่ามันเราไม่มีใครกับมันมันก็มันกรลดอาการเพื่อกันตัวของมันแล้วก็ก็เนื้อเนไปเนยหนีไปทางทางใครทางมันไปอย่างกรณีหลงปู่ชอบเนี่ยท่านเดินจงกมเดินทุดงตอนคืนท่านถือโป๊ะตะเกียงไฟ ไปโปะทำด้วยผ้าแล้วก็มีเทียนอยู่ข้างในท่านเดินพุโทโธพุโทโธไปไปจ้าให้กระเสือพอเห็นเสือปุ๊บจิตมันรวมเข้าไปข้างในนะสงบเข้าไปในสมาธิพราท่านมีสติคุมไม่ให้เกิดความตื่นตระหนกพอมันเข้าไปข้างในนี้เสือหายคือการรับรู้เสือหายไปร่างกายหายไป เหลือแต่จิตอยู่ตามนำพังของมันพอตัดจิตตัด อ, ออกมานี่ไฟตะเกียงนี่ที่เป็นเทียนนี่มันไหม้หายไปหมดแะเสือเสือก็หายไปหมดท่าก็ยังยืน อ, อยู่ในท่าเดิมอยืนในท่าที่ท่านท่านเข้าไปในสมาธิเพราะฉะนั้ น, นเสือมันคงคิดว่าเป็นต้นไม้มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เป็นอาหาร <c oughs> มักไม็ไม่ไม่ไม่ทำอะไรแต่ถ้าเราวิ่งถ้ามันหิวข้ามาอาจจะไล่กินเราก็ได้ไล่กัดกินเราก็ได้ <c oughs> แต่นี่ต้องมีสติพอไม่มีสติไปเดี๋ยวพอได้ยินเสียงเสือร้องนี่ใจสัน่นละพอเสือใกล้เข้ามานี่บางทีโกยเลยมีผ้าอยู่รูปหนึ่งก็อยากจะไปทดลองเหมือนกันแต่ท่านยังไม่มีสติพอ ชาวบ้านบอกเสือดุจริงๆนะผมไม่เป็นไรจะไปลองอชาวบ้านก็พาไปให้ไปปักกดอยู่ในป่าพอตอนค่ำเริ่มได้ยินเสียงเสือเลยร้องคํารามครองใจก็เริ่มสัน่นเริ่มสัน่นพอเสียงมันใกล้เข้ามาทนไม่ไหววิ่งโกยเลยใจสัน่นก็มาถึงหมู่บ้านเจอชาวบ้านก็บอกเสือเสือเสือเสือเสื อ, สอพูดไหม <laughs> แสดงว่าสติยังไม่พอถ้าสติพอไม่ถอยนะสติสติพอปัญญาพอไม่ถอยถ้าไม่ตายก็บรรลุนะนะถ้าไม่บรรลุก็ตายแบบพระพุทธเจ้านั่งใต้โคนตน้นข้นโพลโค น, คนตน้นโพลถ้าไม่บรรลุ ก, ก็ตายนะถ้าถ้าถ้าไม่ตายก็ต้องบรรลุ เนี่ยอระเป็นอย่างนี้พระปฏิบัติผู้ที่ต้องการผลจริงๆครูบ า, าจารย์ต้งบอกว่านิพพานอยู่ฟากตายเนี่ยถ้าไม่ยามตายไปไม่ถึงนิพพา น, เ, นเราไม่ได้ตายเพียงแต่ยอมให้ร่างกายมันตายร่างกายที่เราเป็นหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยเป็นดูกานสพเลยร่างกายเป็นของไข่ไม่มีเป็นเจ้าของไขนะ่เป็นทุ๊กตา เจ้าของเขาปัดทิ้งไปแล้วปล่อยให้ญาติพี่น้องเป็นภาร ะ, ะมาต้องมาจัดการกับตุ๊กตาที่เขาทิ้งไว้ร่างกายเหล่านี้ก็คือตุ๊กตาที่มีชีวิตชีวาในขณะที่มันหายใจได้พอมันไม่หายใจมันก็เป็นเหมือนตุ๊กตาที่เขาจัดโชว์ตามร้านเสื้อผ้ามันไม่ต่างกันเลย ให้พิจารณาเนี่ยว่าร่างกายมาเยกเราเราผู้รู้ผู้คิดเป็นจิตที่มาครอบครองร่างกายหรืออาศัยร่างกายเหมือนอาศัยบ้านเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนบ้านของจิตที่จิตใช้อาศัยอยู่แต่บ้านมันเป็นบ้านชั่วคราวมไม่ถาวรเดี๋ยวมันก็ต้องพังร่างกายของเราทุกคนต้องตายด้วยกันทุกคนมีตายได้สองแบบตายแบบบรรลุกับตายแบบไม่บรรลุนะ ส่วนใหญ่ก็ตายแบบไม่บรรลุเพราะกลัวตายเพยังหลงยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมตายแต่ถ้าให้ม า, ามทำธรรมบ่อยๆแล้วมาพิจารณาบ่อยๆแล้วเห็นโทษของการไปยึดไปถือว่าเป็นเรามันทุกข์เมื่อจะตายมันทุกข์มากนะถ้าไปถือว่าเป็นเราแต่ก็ใช้ธรรมะหรือใช้สติใช้ปัญญานี่ สอนใจบอกอมันเป็นทุกกตานะไม่ใช่เราเนี่ยมันก็ต้องตายจะตายแบบปล่อยหรือตายแบบไม่ปล่อยดีตายแบบปล่อยก็สบายจิตก็โล่งเบาเย็นสบายตายแบบยึดก็ทุกข์เครียดนี่ละคือธรรมะวิการปฏิบัติก็เพื่อที่จะไปสู่ขั้นนี้ แต้องมีสติที่กำลังที่จะหยุดจิตได้หยุดความกลัวได้ก็ต้องอัปปนาสมาธินั่นสติแบบอับปปนาสมาธิทำให้จิตรวมสัจจะวารู้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอาแล้วหนักปล่อยเนี่ยต้องซ้อมไว้ก่อนซ้อมกระทำกันบ้านก่อน พาที่ไปทุดดงส่วนใหญ่ท่านท่านมักจะได้สมาธิกันแล้วท่านถึงไปกันหรื อ, ก, อก็พวกนั้นก็คือพวกไม่มีสติก้าสายไปทุดดงเพื่อจะได้ใช้ความกลัวบางครั้งให้เจริญสติเนี่ยพออยู่ที่ปลอดไปมันก็ขี้เกียจพุทโธพุทโธพอไปอยู่ที่มันหวาดกลัวเนี่ยยังไม่เช็ดไม่ได้เจอภัยเลยเพียงแต่ลูกค้ารู้สึกก็กลัวมันก็จะทําให้ต้องใช้พุทโธพุทโธเพื่อมันระงับความกลัวละ ขนาดยังไม่เจอ ข, ของจริงนะยังไม่เจอของที่เรากลัวเปยนแต่คิดว่ามันมีอะไรแถวนี้นยมันก็กลัวขึ้นมานั้นต้องไปหาที่ที่มันกระตุ้นความกลัวมันหนึ่งจะขยันภาวนาเนี่ยมันขี้เกียจอยู่ที่ปลาดภัยมันก็เออไม่เห็นมีปัญหาอะไรทุกบอกมีปัญญาบอกเกิดเนี่ย มันจะมีทุกขนจะต้องใช้ปัญญาแก้ปัญหาเหมือนถ้าถ้าเราอยู่เฉยๆเหมือนกับถ้าเรารู้สึกว่ามันเน่น่นชา้าเกินไปแล้วแล้วก็เหกับต้องห า, หาทุกข์แล้วครับอาจารย์เออก็ต้องไปหาที่เนี่ยที่ไปบวชนี่นก็ไปหาทุกขนะ์เลยกินมื้อเดียว <c oughs> ไม่มีไม่มีทีวีดูไม่มีที่เที่ยวไม่มีอะไร มีแต่ทางเดินโยมคมมีแต่ที่นั่งสมาธิมีแต่ครูบาอาจารย์คอยดูคอยด่าคอยไล่ให้ไปปฏิบัติ <c oughs> มันมันต้องเปลี่ยนสถานภาพเพราะสถานภาพของโยมสิ่งแวดล้อมของโยมนี่มันเพื่อส่งเสริมกิเลสทั้งนั้นนะทุกสิ่งทุกอย่างที่โยมมีอยู่นี่เป็นของเพื่อกิเลสทั้งนั้น ภาพงานที่ติดฟ้าผนังนี่ก็เกเรนะแ <c oughs> ต่งบ้านเลยต้องแต่งบ้านเฉะั้นต้องแต่งด้วยบ้านมันเวทีลบลบรับแดดรับฝนนั่นต้องแต่งต้องมีเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มีเครื่องประดับประดาเสียงเงินเสียทองใช่ไหมต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อมาเครื่องมาประดับประดาะเพอจะได้ดูแล้วสุขสบายแต่สบายทาง กลสทางกลามทางตาหูจมกูกมืนกายซึ่งเป็นความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวสักพักก็เบื่อใช่ไหมท<า>ัน<า>ใหม่ๆก็สวยเดี๋ยวอยู่ไปสักพักก็ดูดูแล้วก็พอชินแล้วก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากจะจัดใหม่เดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่จัดเปลี่ยนย้ายย้ายภาพจากมุมนี้เป็นมุมนั้นย้ายเก้าอี้จากมุมนี้ไปมุมนั้นก็ <c oughs> เปลี่ยนภาพเท่านั้นเอง ก็หลอกเราไปเรื่อยๆนั่งปฏิบัติต้องตัดไอ้ของพวกนี้ไปเอาแต่ของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพนนะบ้านังไม่ต้องมีอะไรหรอกเนี่ยมีห้องปลอดภัยนอนกับพื้นปูเสือ่อจบเนะทำความสะอาดก็สะดวกง่ายไม่มีโต๊ะไม่มีเก้าอี้ไม่มีอะไรต้องมาคอยเช็ดคอยถูคอยขัด เสียเวลาไปกับของพวกนี้หมดเวลาแท น, นที่จะเวลามาปฏิบัะะะติเจริญสตินั่งสมาธิไม่มีเวลานั่งกันลองทําแบบพระดูแต่เราไปอยู่วัดดูก่อนแล้วแล้วกลับมาอที่บ้านปรับบ้านให้เป็นแบบปรับบ้านให้เป็นวัดเนี่ยของอะไรในบ้านที่ไม่ที่บ้านเป็นมีก็เอาออกไปให้หมดยกให้ ค, คนอื่นไปไปอยู่วันไปดูเดีามีแต่ ห้องว่างๆแล้วก็มีเสื่อกระหมอนอันหนึ่งนะไม่มีด้วยซ้ําไปบางวที่นี่ไม่มีต้องเอามาเองมีแต่ห้องมีแต่ที่หลบแดนหลบฝนมีหลังคาแล้วก็มีพื้นถ้าอยู่ในป่าก็มีแค่เนี้ยมีเเ้าแต่ร้านเป็นร้านทําเป็นร้านร้านขายของแต่ไม่มีของขายมีแต่มีแต่พื้นแล้วก็หลังคาแล้วก็มีทางเดินยกกลม อนนี้พอแล้วสำหรับนักปฏิบัติจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการคอยดูแลรักษาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่เป็นตัวหน่วงให้เรายึดเราติดทําให้เรามาคอยเสียเวลามากังวลกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนี่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง าเอาแค่ปัจจัยสนะี่นพออาหารอาหารก็วันมือ้อเครื่องลูกห่มก็สองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไว้สำรองสามชุดก็พอแล้วที่อยู่อาศัยก็เนี่ยที่มีหลังคาพอหลบฝนได้หลบแดดได้ที่ร้างในป่านี้ฝ้าก็ไม่มีเนะี่ยร้างโล ง, ลง ที่ก็เอาผ้าไปพขึงง่ายเป็นฝาไปยาก็สมัยก่อนก็ยาดองน้ำมูดยาดองน้ำปัสสาวะเอาของที่มีเนี่ยไม่ต้องเสียเงินไปซื้อไปเก็บพวกผลล้มผลไม้ที่หล่นตามคนต้นพวกมะกอกอะไรพวกนี้สมอแล้วก็เวลาฉีก็เอาฉีมาฉมาดอง แลวเวลาปวดท้องเป็นไข้เป็นอะไรก็กินยาดองเนีย่ยยาดองน้ำมูกนี่แหละคือชีวิตของนักปฏิบัติไม่ต้องไปหาเงินหาทองหาอย่างเดียวก็คืออาหารอาหารก็ไปบินสบาตถ้าเป็นคารวะก็ไปอยู่กับพระก็ไปช่วยพระแล้วก็แบ่งอาหารที่ได้จากบินสบาตมา ที่วิชมีท่านี้หลักสำหรับร่างกายอย่าไปหวังความสุขจากร่างกายเลอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกินรสหามาได้แต่เกิดจนวันนี้แลมันไปถึงไหนแล้วมันก็ไปจุดที่หิวที่อยากเหมือนเดิมยังหิวยังอยากรูปเสียงกินรสเหมือนเดิมไม่เคยรู้จักคําว่าอิ่มว่าพ อ, อโอเคนะให้ท่านอื่นต่อนะครับผมคาณนาอนา คุณภาสนานั่นว่า ก, การพระอาจารย์แล้วก็คุณบอยแล้วก็ยินงานนะคะก็รายงานผลจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะพระอาจารย์ก็คือว่าตอนช่วงเนี้ยเปลี่ยนที่บอกก็คือว่าพยายามทําสติกับสมาธิแล้วก็อ่านกรรมฐานของพระอาจารย์ะคะ่ะอ่านไปได้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเอ่อกันนะคะก็มันทาให้เข้าใจเข้าใจมากขึ้นแล้วก็แล้วก็ คือทำ อ, อ, อารมณ์พยายามทําเรื่องของอารมณ์เรื่องของการกาไม่อยากทําให้อารมณ์มันมันสงบมากขึ้นแล้วก็ที่ที่พ่ออาจารย์พูดกับน้องเมื่อกี้เนี่ยค่ะเรื่องของการที่เออไปออกไปที่ป่าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราถ้าถ้าเกิดเราเนี่ยพอเราทราบว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วจิตเนี่ยจิตเนี่ยคือไม่ ไม่ใช้ร่างกายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยกังวลเรื่องของความตายนะคะอาจารย์อย่างนี้เรายังต้องมีแต่ว่าถ้าเกิดจะให้เอาเราไปนั่งกับเสืออย่างเงี้ยคิดว่าสติยังไม่ถึงสติยังไม่พร้อมเพราะว่ามันยังสติมันยังอยู่ได้ไม่หลอสอวันอย่างนี้ก็คิไว้เราก็ยังต้องมันก็คื อ, อยังยังมันก็คื อ, อยังใช้ปัญญาไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าแปลว่ามันยังละไม่ได้จากปัญญาใช่ไหมคะอาจารย์คือหมายถึงว่าเราเรายอมว่าเออถ้าเกิดร่างกายเราเป็นอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราไม่เป็นไรเพราะว่าเราเราน่าจะละได้ค่ะ น่าจะน่าจะแต่ยังไม่ยังไม่ได้ละอ๋อต้องก็ต้องสติอย่างเดียวก็ก็มันน่าจะถูกออตเตอรี่แตไม่ถูกอ่ะาไปขึ้นรางวัลไม่ได้นะค่ะเอาออตเตอรี่ไปแล้วบอกว่านี่น่าจะถูกนะพี่ขอขึ้นรางวัลได้ไหมขอไม่ถูกยังไม่ถูกยังขึ้นไม่ได้ต้องเอาไปที่ถูกไปขึ้นต้องไปพิสูจน์ดู อ๋อต้องสังสติก่อนเพราะว่าจ่าเขาเจอเสือไม่ได้แน่รับรองไม่ต้องเสือก็ได้อย่างอื่นก็ได้อะไรก็ได้ที่เราคิดว่ามันจะไม่เป็นภัยต่อชีวิตเราอ๋อแมงคู่อ๋อแมงคู่ไม่เป็นภัยต่อชีวิตเขาจะนั่งตรงต้นไม้อ่ะมีแมงคู่บินมาก็ไม่กลัวแต่แมงคู่มันก็ไม่ตายไปแค่ต่อยใช่เหตุการณ์อะไรก็ได้บางคนกลัวตกเครื่องบินก็ขึ้นไปเลยค่ะมันถ้าเรารู้แล้วรูอดไปมันจะตกก็ให้มันตกไป แล้วก็แล้วก็สติปัญญาเนี่ยที่อาจารย์พระอาจารย์ให้สวดเนี่ยตอนแรกก็ค ouais, ือท่องสวดแบบท่องทไปอย่าพระอาจารย์แต่พออ่านของพระอาจารย์เนี่ยมันทำให้เข้าใจว่าอ๋อมันคือมันคือครบสามอย่างเลยคือสติสมาธิปัญญาแล้วก็แล้วก็อาจารย์พระอาจารย์ให้เราทํากายกับเพศธนาคือหมถึงว่าให้ให้เราทำสมาให้เราทำสติจากกายสังกัจจสติแล้วก็ดูเพศธนาใช่ไหมคะเอาแค่สองอันนี้ก่อนมันเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะพระอาจารย์ถูกต้องใช่ไหมคะพระอาจารย์ พยายามปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนแล้วก็ปล่อยวางเวทนาโดยเฉพาะทุกขเวทนาที่มันทำให้เราทุกข์กันต้องหัดอยู่กับมันแบบไม่ทุกข์กับทุกขเวทนาไม่ทุกข์กับความเจ็บปวดของร่างกายไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเจ็บมันเจ็บรู้ว่าเจ็บแต่ว่าไม่ไวยวายไม่ กรเสืกกระสนหม่อะไรทั้งนั้นเฉยๆเหมือนกับไม่ได้เหมือนกับตอนที่มันไม่เจ็บมีเรื่องน่าเกยแล้วก็อยากจะบอกว่าแต่ธรรมะที่พระอาจารย์อธิบายนะครับมันเป็นเอธิราฟิโกจริงๆนั้นคือแบบมันทําแล้วสนุกกับอ่านแล้วแ่บไม่อยากวางคือแบบพอมีเวลาแล้วมันอยู่ในโทรศัพท์พอเราว่างกูเราก็จะมาอ่านอ่านแล้วมันทําให้เราเข้าใจเพราะว่าคิดว่าห้าร้อยบท ถ้าถ้าเกิดอ่านจบนี่นะ่าจะทําให้เราเข้าใจอะไรได้ามากขึ้นแต่แล้วก็ไม่ทิ้งในการที่ลักงศะสมาธิกับสตินะคะพระอาจารย์พยายามพยายามอ่านแล้วมันทําให้เรารู้แห่งที่ว่าจะไปทางไหนยังไงยังไงอย่างเงีย้ง ย, ยค่ะพระอาจารย์ใช่ดีมอ่านหนังสือธรรมะ ม, มันก็เป็นการเจริญสติไปด้วยในตัวนันก็ฝึกสมาธิแบบยาวๆไปก่อนอย่างพระอาจารย์แล้วจดจดนะอ่านเสร็จแล้วก็มาจดเนี่ยจดจดเปยนชอบไปยังจดแล้วก็ดูว่าต้องทําอะไรต่อทําอะไรต่อแล้วก็บังอันถ้าถ้าอาจารย์พูด สงสัยก็เปิดฟังเพราะรู้สึกว่าเออมันคือรู้สึกว่าเราเป็นเป็นสาบวบลกนี้แบบคือแบบแบบเขาเรียกว่าโชคดีมากมากเลยพระอาจารย์เพราะว่ามีหนทางให้เราเดินแล้วก็ถามได้ด้วยเพราะถ้าเกิดอเคยอ่านเองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยต้องข อ, ขอบพระคุณทุกครั้งที่มาเจอต้องขอบพระคุณค่ะก็มันอ่านเองมันไม่ค่อยเข้าใจเใช่ต้องให้คนที่เขาเคยปฏิบัติแล้วอธิบายทีมาเลยดูง่ายเลยพระอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะ ไม่มีอะไรค่ะวันนี้เดี๋ยวทําต่อกบนนะอ่าที่คือเวลาสิเน่เปลี่ยนชื่อแล้วนะยมจากเยอรมันเป็นยังไงน้องอารย์ค่ะท่านค่ะเปลี่ยนชื่อแล้วค่ะท่ะนานอาจารย์จะได้จำยมได้ค่ ะ, เ ป, ค ะ, ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้มีค่ะยมอ่ายมก็ปฏิบัติ เหมือนทุกครั้งนะคะที่ปฏิบัติไปแต่ว่าโยมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งก็คื อ, อเวลาโยมสองสาครั้งที่ผ่านมาค่ะท่านจิตโยมเป็นสมาธิไวมากเลยเหมือนลงไปนั่งแล้วมันม้วนแบบพึบๆๆๆๆลงไปแล้วก็ไปรู้อยู่กับที่ค่ะคือไม่ได้หลับไม่ได้หายไปไหนนะคะท่านยังนั่งตรงอะไรอย่างนี้ค่ะไปรู้อยู่ตรงจุดเดียวอะค่ะแล้วลืมตามอีกทีผ่านไปแล้วชั่วโมงครึ่งอย่างเงี้ยค่ะดีได้ไหมคะได้ไ มันมีครับมีความสุขไหอนะค่ะแต่จริงๆแล้วตอนอยู่ในนั้นมันไม่รู้ว่าสุขหรือทุกข์นะคะมันจะกลางๆอะค่ะแต่เราออกมาแล้วมันเย็นสบายทั้งวันนะคะค่ะเบาอาจจะเป็นเวามยอมยมพยายามรู้อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาทั้งวันนะคะอืมมีสติอยู่ตลอดเวลามันทําให้เข้าสมาธิได้ง่ายได้เลยแปลกใจมากเหมือนกันค่ะมันม้วนลงผึบๆเลยค่ะใช่ เนี่ยมันอยู่ที่สติสตินี้นั่งสมาธิห้านาทีมันก็รวมได้เนะข้าสู่ความสงบได้ยังพยายามฝึกสติคนที่ยังเข้าสมาธิไม่ได้แสดงว่าสติมีกําลังไม่พอเี่ตยตราพยายามฝึกสติอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยอย่าปล่อยให้ใจมันไปผาเนจรไปเที่ยวไปคิดไ ป, ท, ไปท่องเรื่องนู้นเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่เด้งมันให้มันอยู่ในปัจจุบัน โยมก็แปลกใจเหมือนกันนะคะท่านคือเวลาโยมตื่นนอนนะคะมันจะรู้ตรงตรงจุดนี้จุดแรกเลยค่ะตรงจมปากจมูกเนี่ยค่ ะ, ะ, ะหรือไม่ก็ตอ น, นเราพลิกตัวตอนกลางคืนอย่างเงี้ยค่ะแสะดงว่ามันเป็นนิสัยแล้วมันเริ่มเป็นนิสัยแล้วมันจะรู้สึกตรงนี้ตลอดเลยค่ะพลิกตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะรู้ตรงปากตรงปากตรงจมูกค่ะดีทํากับข้าวอยู่ก็พยายามทําความรู้สึกตัวค่ะทุกครั้งที่รู้สึกตัวนะคะท่านมันจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะ อย่าให้มันไปที่อื่นใช่ก็ต้องดูงานที่เราทําแต่ก็ต้องดูงานที่เราทําด้วยอย่าให้ใจไปคิดถึงที่อื่นยมมีอีกเรื่องนะคะยมคล้ายๆกับที่ท่านพระอาจารย์นะคะยมเคยไปอ่างานพระราชทานเพลิงหลวงปู่เปลี่ยนท่านใช่ไหมคะที่แม่แตงตอนนั้นนะคะแล้วมันไม่มีที่ต้องไปกางเต็นท์นอนในในป่าศักดิ์นะคะ นอนสามสามคืนแรกนี่ดีเพราะว่ามีผู้หญิงมากลางเต็นท์นอนด้วยแล้วคืนสุดที่เขาเสร็จพิธีแล้วเขาก็คนอื่นเขากลับเก็บเต็นท์ไปกันหมดเหลือโยมอยู่คนเดียวแล้วหลวงตาท่านบอกว่ายนอนตรงนี้แหละคืนนี้อีกคืนนึงคนเดียวโยมแบว่าหลังชนฟ้าเลยค่ะท่านทั้งคืนสั่นนะคะแล้วก็เมื่อออก แล้วก็สภาพแบบเหมือนจนต่อคะ่ะท่านสุดท้ายโยมต้องลุกขึ้นมาดูว่าเสียงที่มันกรอบแกร บ, บกรอบแกรบอะไรพวกนี้คะ่ะมันเสียงอะไรคะ่ะสุดท้ายมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นแค่ใบไม้ร่วงอะคะ่ะแล้วโยมก็มีความรู้สึกว่าในสภาพกลัวจนสุดขีดนะคะทําให้โยมแบบว่าเหมือนกับไม่มีที่พึ่งแล้วลุกมาาะานระ้าวมันดีมากเลยคะ่ะมันจิตมันมันทําให้เราเข้มแข็งแล้วอีกครั้งหนึง่ง หลวงตาค่ะที่วัดอรัญเหมือนกันท่านพาไปค้างที่ถ้ำดอกคำแล้วท่านก็ให้กางเต็นท์นอนตรงตรงในถ้ำแล้วท่านไปนอนกับพระอีกร่มหนึง่งท่านไปนอนตรงปากถ้ำค่ะซึ่งห่างออกไปมากเลยโยมก็กลัวมากเลยค่ะท่านโยมก็จงกรมเสร็จโยมไปเดินจงกรมตอนมืดใช่ไหมคะโยมไปสะดุง้ง ภาพแบบเทวดาที่ท่านนั่งไหวอย่างเงี้ยคะ่ะทั้งๆ้งที่ตอนกลางวันยมก็เห็นนะคะแต่ตอนกลางคืนมันเป็นภาพอีกแบบหนึงนะะ่งค่ะที่จิตเราทําให้มันน่ากลัวเรายมเห็นยมสะดุ้งเข่าอ่อนเลยคะ่ะท่านตอนนั้นแบบว่า ท, ทั้งที่กลางวันไม่มีอะไรเลยคะ่ะพอตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าความกลัวมันมาจากไหนอะดิเนอรีนนะคะมันฉีดออกมาฉีดออกมาจนมันถึงที่สุดยมไม่รู้ความกล้ามาจากไหนเดินจนมันหายกลัวเลยคะ่ะท่านเอนั่นแหละ เป็นประสบการณ์สองครั้งในชีวิตที่แบบว่าหลังชนฝาที่ยมไม่ลืมเลยค่ะอยากไปอีกแต่ว่ามันไม่ให้เลยค่ะมันมีครอบครัวมันพ่อบ้านเขาก็อยากให้เราไปเที่ยวที่อื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีโอกาสอีกแล้วค่ะก็ไม่แน่ล้วต่อไปมันก็อาจจะมีได้อย่าไปประมาทก็เตรียมพร้อมไว้ก็แล้วกันถ้าจนจอดเมื่อไหร่ก็ใช้สติใช้ปัญญากู้ภัยได้ ที่เราไปอยู่ในป่าใช่ไหมท่านเตรียมรองเท้าแบบว่าที่มันแบบอมั่นคงใส่เดินในป่าได้เตรียมไปสองคู่สุดท้ายใส่รองเท้าฟองน้ำนะั่นแหละค่ะท่านคู่เดียวอยู่ได้หมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องอะไรเลยเอาของไปเยอะแยะมีความรู้สึกว่าเอามาทําไมเนี่ยมันไม่ได้ใช้เลยค่ะเอเอนัอ่นแหละดีดีมากฝากไปใช้อย่อา ให้ท่านมีเท่าที่จําเป็นก็พอแล้วมักน้อยมีเท่าที่จําเป็นก็คือมากนอโยมแบกไปเยอะมากเลยค่ะท่านหลวงตาที่เห็นท่านก็ยิ้มยิ้ ม, มแล้วก็ให้โยมแบกขึ้นบันไดออดอกคําไปเองนะคะสุดท้ายหนักเปล่าค่ะไม่ได้ใช้เลยที่ค่อยไปเดินดุดองก็พออย่างเงี้ยจะได้รู้ว่าเอาควรยาวอะไรไปไม่ควรอะไรไปคมันเดินดุดองนี่มันเป็นกิโลกิโลเนี้ยลำแบกข้าวของไป เ๋ยวว่านางโยนทิ้งหมดเอาได้เอาเท่เาที่จําเป็นนะโยมก็พยายามจะเวลากลับเมืองไทยนะคะโยมก็จะขอพ่อบ้านสามคืนอย่างเงี้ยคะ่ะไปที่วัดแล้วก็เขาก็เอาเราไปทิ้งไว้ที่นั่นแล้วเขาก็พาลูกเที่ยวรอบๆแถวนั้นนะคะโยมก็ปฏิบัติของโยมไปอ่ะคะ่ะถึงเวลาเขาก็มารับอย่างเงี้ยคะ่ะเออดีมากอย่าทิ้งนะอย่าทิ้งการปฏิบัติมีโอกาสไปเปรีกไมเว่งเมื่อไหราก็ไปเลยค่ะ เสียได้ที่โยมยังชักจูงเขาไม่ค่อยได้อะค่ะท่านก็ไม่เป็นไรก็ชวน้วถ้าเขา<อ> <c oughs> ไม่ไปก็แล้วเรื่องของเขาของนี้บังคับกันไม่ได้ค่ะ <Okay. S 2> เรื่องของจิตใจถ้าจิตไม่ไม่เช่าแล้วต่อให้เอาช้างมาลากมันก็ไม่ไปถ้าจิตชเช่าแล้วไม่ต้องไม่ต้องใช้ช้างเพียงแต่กระดิกนิ้วมันก็วิ่งนะมันก็ไปเนะนันเป็นเรื่องของนี้แล้วเรื่องของคนอืิมเราอยากไปอะไรกัเขามากใช่ไหม ก็ยังอยากให้เขามาทาด้วยอยู่ดีอะไรเงี้ยคะท่านแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยากทุก็แล้วกันอยากแล้วไม่ได้ก็อยากทุก็ก้กันอากทุก็เป็นกิเลสถ้าไม่ทุ ก, ก็ยังเป็นธรรมอยู่แล้วเราก็ปรารถนาดีเมตตาอยากให้เขาได้ดีเหมือนเราอยากให้เขามีความสุขเหมือนเราแต่เขายังมาไม่ได้ก็ต้องต้องเห็นใจเขาเขายังอยู่ชั้นต่ำกว่าเรา ยังติดความสุขติดความสุขทางร่างกายอยู่ค่ะทุกวันนี้โยมก็ดีใจแล้วค่ะที่เขาไม่ได้ขัดข้านายมากมายทีโยมประวันละสามครั้งนี่ก็เยอะแล้วค่ะดีที่เขาสนับสนุนนี่ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วค่ะไม่ได้เรียกร้องเลยมากคู่บางคนนี่เขาไม่ไม่พอใจนะเวลาเราไปทำอะไรที่เขาไม่ชอบทําเราไปทำนะโยมก็เลือกเวลาที่ ที่ไม่กระทบคนอื่นเขา่ะค่ะกระทบเอเวลาที่คนอื่นนอนมั่งอย่างเงี้ยค่คะตอนเช้าตู่แล้วก็ตอนที่คนอื่นเข้านอนแล้วตอนกลางคืนค่ะทำต่อไปนะทำไปเรื่อยๆเนอะตอนนี้สถานการณ์เป็นไงที่เยอรมนโลกตอนนี้หนักมากเลยค่ะท่านล็อกดาวน์ปกติมันเป็นช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะเขาไม่ให้พลเมืองแบบว่า เดินทางไปไหนเลยค่ะตั๋วรถไฟก็ไม่มีขายที่ขายไปแล้วก็ยกเลิกหมดเลยค่ะของไทยเราเริ่มระบาดแล้วใช่ค่ะและนับสาที่มาจากอังกฤษนะคะมันมีสายพันธุ์ใหม่ที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วแล้วมันระบาดไวอะค่ะเครื่งบินจากอังกฤษก็ะลงเยอรมันไม่ได้ลงฝรั่งเศสไม่ได้ช่วงนี้ค่ะหนักเหมือนกันนะคะท่านเอาที่นี่ก่อนนะคุณวิราศินีจากเยอรมันเดี๋ยว ลืมถามลืมบอกจะได้ทราบกันว่าอยู่ที่ไหนบ้างคุณสายทิพย์อยากมหาสารครามในงานที่หมหาสารครามโลกเริ่มมีมีคนติดเชื้อหรือยังที่สารครามยังไม่มีค่ะนะแต่มีที่ขอนแก่นหนึ่งคนค่ะอตอนนี้ก็ทุกคนก็กลัวค่ะเริ่มหาซื้อแมสซื้อแอลกอฮอล์ค่ะอยากเขามาใช่ค่ะ แต่ว่าของหนูนี่เอ่อเพอร์เออรสั่งไว้ก่อนเพราะว่าตอนนั้นเราได้ใช้ประจำเพราะว่าเราต้องขึ้นวอร์ดไปกับนิสิตอะไรเงี้ยค่ะเลยสั่งสั่งเข้ามาก่อนก็เลยมีมีใช้แต่วันนี้ไปอยู่เวรร้านยาให้ให้คณะค่ะก็มีคนมาถามขอซื้อแมสก็ไม่มีให้เขาแล้วค่ะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ตุนไว้เราไม่นึกว่าสถานการณ์มันมันจะแย่ค่ะ mm hmm. ตอนนี้ทุกคนก็ระมัดระวัง mm hmm. ค่ะ ก็พยายามป้องกันตัวเองไว้ก่อนอะไรนี้ค่ะพระอาจารย์ใช่ตาหิอัตโนนาโถใช่ค่ะต้องเป็นที่ของตนต้องดูแลตัวเองไม่รับแล้วก็ไม่แพร่ให้คนอื่นแต่ก็ระวังยากอยู่เหมือนกันค่ะค่ะก็วันนี้ไไวันนี้หนูก็รายงานการปฏิบัติค่ะก็นั่งสมาธิรู้สึกว่าชอบที่จะนั่งมากขึ้นค่ะจริงๆอยากนั่งเรื่อยๆแต่ว่าภาระงานก็มี แล้วก็ฟังธรรมเรื่อยๆค่ะฟังธรรมของอพระอาจารย์แล้วก็ของหลวงหลวงพ่อครูบาอาจารย์ต่างๆค่ะ hmm. แล้วก็ที่นี้หนูมีคําถามก็คือเวลานั่งสมาธิเราอาจจะชินกับการชอบเปิดเปิดเทปธรรมะแล้วก็นั่งไปด้วยแต่มีช่วงหนึ่งก็เลยเอ๊จริงๆแล้วนั่งสมาธิควรจะเงียบๆหรือเปล่าก hmm. ็เลยเราเราปิดไม่ไม่ไม่ฟังธรรม ไปด้วยแล้วก็นั่งไปด้วยเนี้ยค่ะเออแต่ว่ารู้สึกเหมือนเหมือนเราอาจจะไม่ชินคเหมือนจิตรวมช้ากว่าที่ฟังธรรมไปด้วยอ๋อค่ะก็แล้วถ้านั่งแบบไม่ฟังธรรมได้ก็ดีเพราะว่าต่อไปเราจะได้ไม่ต้องอาศัยของภายนอกมาคอยเราไปอยู่ที่ไหนไม่มีเราก็ทําของเราเองได้ค่ะ แต่ถ้าทําเป็นถ้ายังนั่งแล้วไม่สงบเราก็ใช้การฟังธรรมไปก่อนก็ได้อืค่ะแล้วก็เวลาที่เรานั่งหรวเรานั่งนั่งจะทํางานนะคะ่ะหรือว่าเราตั้งใจฟังฟังธรรมแต่ว่าไม่ไม่ได้หลับหรือไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจนั่งสมาธิแต่มีความรู้สึกมันเหมือนวูบเหมือนเหมือนเหมือนจิตมันเหมือนเวลาที่นั่งสมาธิอ่ะคะ่ะมันเหมือนรวมแล้วก็มัน จะอยู่อย่างเช่นถ้าอยู่ที่ห้องทํางานเราก็จะรู้สึกตัวเราอยู่แค่เนี้ยค่ะอยู่แค่วงเล็กๆถ้าเรามีสติแล้วเราไม่คิดอะไรจิตมันก็รวมมันก็เข้าสู่ความสของมันได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับเลยค่ะอันนี้ดูเหมือนพอจิตมันสบายแล้วก็มันเหมือนมันสงบแล้วมันก็จะรวมแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อความรู้สึก่มันอยู่แค่นี้นะมันไม่ไปยุ่งกับภายนอกค่ะก็รู้สึกรู้สึกสบายค่ะี่ แล้วก็อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเช็คเรื่องของสมาธิอะไรเงี้ยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างว่าถ้าเราอาการอย่างนี้เป็นยังไงบ้างส่วนอ่อเดย่าไปกังวลกับมันมากอ๋อค่ะบางทีเดี๋ยงไม่ตรงกันแล้วมันทําให้ลังเลสงสัยทําให้กังวลอย่าไปกังวลเราดูของจริงนีกว่ะของจริงมันมันเป็นยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแ่ะค่ะ เพราะมันมันมันไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกับตําราไปทุกอย่างค่ะถอยเราเย็นเราสบายมีความสุขก็พอบางตําราจะบอกมีขนลุกซาน้ําตาร่วก เ, เห็นนู่นเห็นนี่ไม่เห็นไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะก็น่าจะเป็นการปฏิบัติไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็นั่งสมาธิให้มากขึ้นมีสติหให้มากขึ้น แต่ก็จะมีช่วงค่าถ้าทํางานหรือไปอยู่กับเพื่อนเนี่ค่ะสติหายเพราะว่าก็คุยกันเรื่องอื่นเมื่อจะมีสติก็คือต้องเหนียวจากเพื่อนก่อนอะไรเงี้ยค่ะ่าเมื่อไรสติหายเมื่อนั้นท่านบอกาอย่าอย่าคุกคีกันเนี่ยเพราะคุกคีเี๋ยวสติแตกเลยใช่ค่ะพอเจอเพื่อนนี้ไม่รู้ลมหายใจปิววนไม่เหลืออะไรเลยมีแต่เรื่องเขาพูดอะไรมาก็คุยเลยใช่ค่ะ ปรงแต่งกันงสร้างเลยรใช่ค่ะก<น>็ถือว่ายังจะได้เห็นเห็นความแตกต่างระหว่างอยู่คนเดียวกับเวลาอยู่กับคนอื่นค่ะแล้วก็ช่วงนี้ก็ชอบอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียวมากกว่าค่ะเช่นเข้าห้อง <ettes> อยู่ที่บ้านก็ ก็สักหน่อยทุ่มหนึ่งก็หา้เข้าห้องนอนแล้วค่ะ <Yeah. S 1> คุณพ่อก็จะบอกว่าอ้อได้ยินเสียงเปิดธรรมะมั่งหรืออะไรมั่งแต่ที่บ้านเขา <Yeah. S 1> เขาเขา้เขาใจค่ะว่าเราชอบ <Yeah. S 1> ทางนี้เขาก็ไม่ว่าอะไร <Yeah. S 1> ก็คือปล่อยตามสบายถ้าอยากจะทําอะไรก็ทําอะไรเนี้ยค่ะก็ก็ค่อนข้างสะดวกในการปฏิบัติค่ะถ้าอยู่ที่บ้านส่วนอยู่ที่คอนโดก็เราก็อยู่ห้องก็สบายๆค่ะก็สามารถทําได้ค่ะด yeah. ก็พยายามถ้าเพิ่มเพิ่มการปฏิบัติได้ก็พยายามเพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆมัน <Okay. S 1> จะก้าวหน้าเพราะการการปฏิบัติเพิ่มมากขึ้น mm hmm. ถ้าไม่เพิ่มการปฏิบัติมันก็จะอยู่ที่เดิมค่ะ <Okay. S 1> ถ้าลดการปฏิบัติมันก็จะถอย ห, หลังลงค่ะ mm hmm. <Okay. S 2> ตอนนี้หนูลองเพิ่มจากชั่วโมงลองเป็นชั่วโมงครึ่งหรือสองชั่วโมงค่ะ mm hmm. คือถ้าหนึ่งชั่วโมงเราจะนั่งนั่งสบายเลยค่ะเหมือนไม่มีอะไรไม่เจ็บ แต่พอเลยเวลาที่เราเคยนั่งมันเริ่มมีเวทนาเกิดขึ้นก็ก็ลองสู้กับมันดูค่ะก็ปร้ค่ะใช่ค่ะก็พุทโธเหมือนคุณวิลาศินีค่ะก็คือดูที่ลมหายใจที่ปลายจมูกเหมือนกันค่ะก็ไม่ไม่มีคำถามอะไรค่ะรายงานการปฏิบัติให้พระอาจารย์ทราบค่ะสาธุสาธุค่ะคุณวิไลไม่ได้เปิดกล้องไม่ทราบว่าจะพูดไหม ทล้ไม่พูดเดี๋ยผ่านไปก่อนนะไปที่คุณสุพัฒนาคุณสุพัฒนาเชิญอยากบอวินใช่ไหมตากบอวินเจ้าค่ะพระอาจารย์เอเป็นยังไงมีอะไรไหมวันนี้ใครคุณฟังได้ไหยคะพอดีให้แม่ฟังด้วยคะ่ะเมื่อสักครู่แม่แม่โทรเข้ามาค่ะก็เลยเปิดโทรศัพท์ให้แม่ฟังด้วยแต่คงถ้าใส่หูฟังแล้วแม่จะไม่ได้ยิน ก็ตอนนี้กําลังฝึกในเรื่องของสติอะค่ะพระอาจารย์พยายามมีสติอยู่เรื่องๆแต่ก็มีหลุดบ้างค่ะเพราะว่ายังยังทํางานอยู่ในในช่วงที่เลิกงานก็พยายามทําใจให้สงบแต่ว่ายังนั่งสมาธิไม่ได้มากค่ะเพียงแต่ว่าเอพอจะนั่งแล้วตั้งใจจะนั่งแล้วเนี่มีความสุขว่ามันมันไม่ยอมก็เลยใช้วิธีฟังธรรมค่ะพระอาจารย์อ่าใช่ นั่งนั่งฟังธรรมแล้วก็หลับตาอทําความสงบไปด้วยะคะ่ะได้สติเรายังไม่มากพอที่จะคุมจิตเองได้ก็ต้องอาใช้การฟังธรรมไปก่อนแล ะ, ะการสวดมนต์ไปก่อนก็ได้ะคะ่ะก็ใช้วิธีว่าฟังธรรมอาจารย์อย่างช่วงบ่ายถ้าฟังไม่ไม่ชัดเจนก็ช่วงหัวค่าก็จะมาถวนอีกรอบหนึ่งะคะ่ะพอดีตอนนี้ได้ประกาศไปแล้วคงจะทราบแล้วนะว่าช่วงนี้ ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมหน้าปกติให้กับญาติโยมได้เ<า>นื่องจากมีโรคระบาดแล้วทางผู้ราชการจังหวัดเขาไม่ให้ชุมนุมกัน<า>ไม่ทำกิจกรรมที่มีคนมาร่วมกันเยอะๆจำรถไว้ก่อนก็<า>ส่วนใหญ่ก็ถ้าถ้าถาวันที่พระอาจารย์ไม่ได้แสดงธรรมสดก็จะเป็นเทปมีมาก็ฟังช่วงบ่ายสองทุกวันนะคะพระอาจารย์ มันก็เป็นการทบทวนอย่างวันนี้พระอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องที่ว่าถ้าถ้าเ อ, อฟังไปแล้วไม่ปฏิบตัติมันก็ทําให้เราเหมือนทัพผีอยู่ในหม้อกแกงอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการมาชี้แล้วก็เป็นการมาขนาบอีกรอบหนึ่งะคะ่ะพระอาจารย์ก็พยายามทําตามที่พระอาจารย์สอนเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ใช่ศึกษาแล้วต้องนํำมาไปปฏิบตัติถึง่อจะเห็นผลนะคะแล้วค่ะต อ, าอมาปฏิบัติพระอาจารย์ด้วย แต่ถ้าปฏิบัติโดยไม่ได้ศึกษาก็หลงทางปฏิบัติผิดแล้วปฏิบัติถูกได้คต้องศึกษาวิธีที่ถูกต้องแล้วนําออกไปปฏิบัติเราจะได้ผลค่ะโอเคมีท่านนี้แล้วนะกวันทุกวันต้องค่ะมากลับผาจาย์้องค่ะเออเหบพระคุณต้องค่ะเออท่านต่อไปคุณหนิงหนิงกล้องมันเป็นไงไบ้างนะมันมันมันทนอยู่ในท่าท่านอนนะตั้งมือขึ้นมาเออไม่ได คุณนี้การยา น, านาจากสุขโขทยัยเลยใช่ค่ะกับเรียนพระอาจารย์ค่ะกัรรมการแล้วก็ญาติธรรมทุกท่านนะคะก็มารายงานผลค่ะพระอาจารย์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหนูติดตรงเรื่องไปศึกษานู่นนี่นั่นเยอะเกินไปแล้วก็มันทำให้เหมือนกับว่าเรามาอุเบกขาไม่ได้ค่ะอ่าค่ะ ตอนนี้หนูก็ลดลดการหมกมุ่นการอ่านมากขึ้นก็มาปฏิบัติเพิ่มความเพียรอย่างานี้ค่ะอาจารย์จริงให้มันมีสติตัวเดีย้แล้วค่ไม่ต้องรู้ไม่มากถ้าปฏิบัติเขารู้ว่าวิธีทําสติทํำยังไรเทำนย้างไรค่ะพอหนูเพิ่มความเพียรมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้จิตเขาก็รวมเร็วมากเลยคะ่ะคือ ขนาดที่หนูทำงานอยู่อะค่ะพระอาจารย์เขาเหมือนเขาสวดเองแบบภาวนาเองในใจอะคะ่ะพอภาวนาไปปุ๊บรวมหนูเป็นเทศาชกรนะคะหนูว่าทำงานที่โรงพยาบาลก็มีคนไข้เดินเข้ามาตอนนั้นจิตมันรวมพอดีเลยแล้วก็เห็นเขาแบบเห็นเขาโทษค่ะเห็นเขาแก่แล้วก็แบบเนี่ยมันรู้สึกแบบเนี่ยความแก่ความเจ็บเนี่ยที่แบบ คือไม่อยากมาเกิดแล้วเงนี้ค่ะพีจาคือจ่ายยาต่อไม่ได้จะร้องให้เพะเกิดปัญญาแล้วเห็นความจริงในการเห็นว่าตายเกิดใช่ค่ะหูก็เอ๊ะหนเป็นอะไรเนี่ยคือแบบน้ำตาซึมแบบคุยกับสามีนจ่ายยาข้างๆกันบอกจ่ายยาต่อไม่ได้เดี๋ยวแป๊ดนึงก็ตั้งสติใหม่เงี้ยค่ะ ก็พิจารณาไปเรื่อยๆ อ, ยอ๋อือก็แบบเกิดแก่เจ็บตายมันมันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้แบบเนี้ยจริงๆที่เราเห็นกับตาหนูเพื่อเข้าใจว่าการที่เราเห็นทําที่เห็นกับตาเนี่ยมันมีความรู้สึกแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะปกติก็คือเหมือนเป็นวิปัสสนึกใช่ะนี่เป็นวิปัสนามันสะเทือนใจเลยใช่ไหมใช่ค่ะ<ร>มันสะเทือนใจ <c oughs> ฝังใจเลยค่ะคทีนี้ก็เร่งตอนนี้ก็เร่ง ความเพียรมากขึ้นนะคะตื่นมาแบบตื่นเร็วนอนน้อยอะไรค่ะพยายามกินน้อยค่ะเป็นแบบนี้แล้วมันจะไม่ลืมนะไม่ลืมเรื่องการแก้เจตตาตอนนี้มันไม่ลืมนะอ่าก็ค่ะแล้วก็เรื่องการอธิษฐานต่างๆค่ะหนูก็ปรับใหม่พอหนูปรับใหม่ว่าขอให้หนูได้มีโอกาสปฏิบัติขอให้หนูได้มีปัญญา มีสติแก้กิเลสในตัวเองประมาณนี้ค่ะออจนกว่าจะเข้าพอนิพานเงี้ยมันก็รู้สึกโล่งมากเลยค่ะพราจารคือไม่มีความกดดันว่าคุณจะต้องมีไทม์ไลน์ว่าในชาตินี้หรืออะไรเงี้ยค่ะเหมนไปนเรื่อยๆเหมือนโล่งคือแบบดีๆมากๆเลยค่ะออ <laughs> ทำตากำลังของเราไปพระเจาา้าค่ะแล้วก็ คือพอดีวันนี้ลูกหนูไม่ค่อยจะสบายค่ะหนูมีลูกชายสองคนก็เรื่องตะโกนตัวเว่ยโวยวายค่ะก็วันนี้อาจจะแวบๆไปดูเด็กๆก่อนนะคะพระอาจารย์ก็พยายามปฏิบัติเรื่อยๆค่ะกราขอบพระคุณมากๆค่ะพระอาจารย์อสาธุจ้ะคุณเอกคุณเอกจากเชียงใหม่ไอเชียงรายใช่ไหมเชียงรายครับผมจากเชียงรายครับกลับนมัสการพระอาจารย์ครับผม เป็นยังไงบ้างมีอะไรจะรายงานหรือเปล่าครับผมก็ขอโอกาสกลับเรียนรายงานผลการปฏิบัติในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับพระอาจารย์ครับก็ก็ปฏิบัติเหมือนเดิมปกติครับตื่นทีสี่ก็รู้สึกตัวก็พูดโธพูดโทบางทีพูดโธไปก็มันมันมันจะหลับมันเหมือนกับเพราะว่าก่อนก่อนจะนอนผมก็พูดโทก่อนใช่ไหมพระอาจารย์ครับ แต่ตอนตื่นมาผมก็รู้สึกเตลูกพูดโทรแต่ก็มันจะหลับก็ก็ต้องลุกะครับลุกออกมาก็มานั่งทําสมาธิก็ช่วงนี้มันก็ทําได้นานขึ้นแหะครับพระอาจารย์มีมีอยู่บางบางวันก็เปลี่ยนสถานที่ก็นั่งยาวตื่นมาตีสี่ก็นั่งนั่งจนถึงหกโมงครับอาจารย์มันก็อยู่ได้เพราะเปลี่ยนสถานที่มันมันค่อนข้างจะเงียบอะครับมันไม่มีเสียงอะไรรบกวน ก็มีเวทนาเกิดขึ้นบ้างก็พูดโทรไปพูดโทรไปมันก็มันก็เบาไปครับอาจารยพยายามใช้สติไปเรื่อยๆครับคผมแล้วมีแล้วมันมีวันหนึ่งครับพระอาจารย์ประมาณวันศุกร์ฮะพอดีมีอาการแบบว่าอาหารเป็นพีศครับพระอาจารย์แล้วก็มันก็อ้วกก็อะไรด้วยแล้วก็มันก็รู้สึกเพียๆเหนื่อย ก็มานั่งดูว่ามันเจ็บหรือเปล่านั่งสมาธิมันมันวุบไปมันก็ความเจ็บความอะไรมันก็ไม่มีเลยพระอาจารย์มันหายไปพุ๊บผโทอย่างงี้มันอนุภาพนี้โห้โหรู้เลยครับอาจารย์ว่าถ้าเข้าไปถึงตรงนั้นแล้วก็มันมันหายไปหมดเลยครับพระอาจารย์ก็เลยว่าโอโซนไงธรรมโอโซนครับผมมันมันแบบว่า อาการที่มันมีมันมันหายไปยผมก็พูด โ, โทโอ้โหอย่างนี้เลยอนุภาพโอยิ่งใหญ่มากเลยผมคิดในใจอย่างนี้เลยครับอาจารย์แต่มันก็ไม่ได้รักษาทุกโรคนะับมันเดี๋ยวจะคิดว่า<ม>บางโรค ก, ก็ต้องขาหมอเหมือนกันแต่ใ<ช>จแต่ใจไม่ทุกกับมันการมีสติมีสมาธิใจนะไม่ทุกกับมันข้าวผมข้าวผมโซ กับขอพระอาจารย์สั่งสอนเพิ่มเติมมีอะไรที่ปฏิบัติเพิ่มเติมเนี่ยครับพระอาจารย์ก็ที่สอนมีคนอื่นเนี่ยก็ฟังไปแล้วกันนะครับผมสติสมาธิปัญญาเนี่ยสามตัวสําหรับผู้ปฏิบัติครับผมก้าวขึ้นไปจากสติก็ไปสมาธิจากสมาธิก็ไปทางปัญญาพิจารณาใจรักพิจารณาร่างกายเวทนาไม่ใช่ตัวเราของเราไม่เที่ยง เกิดแก่จเจ็บตายจะาเพื่อปล่อยวางเพื่อล่าความกลัวครับอมนะขอเชิญพี่อนน ะ, ะครับผมบอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงนะ <c oughs> ท่านต่อไปคุณสาธุไม่เปิดกล้องจะพูดไม่พูดถ้าพูดก็เปิดกล้องไม่พูดไปก่อนนะคุณประภัยคุณประภัยจะพูดไม่พูด ยังไม่พร้อมไปที่คุณนาโฟนต่อคุณนาฟนเชิญเปิดเปิดไม่พูดได้เยอยู่ที่ไหนก่อนอื่นบอกมาจากที่ไหนก่อนแต่อนนส ก, การครับ อ, อยู่นนบุรีนนบุรีนะผมก็ <c oughs> มครับมีอะไรไหมมาไปเลยอ่ออาการนั่งที่ผมเนี่ยมันจะมันจะรู้สึกว่ามันจะมันนิ่ ง, งๆเหรอครับ นิ่งๆนิ่งๆอยู่ที่ใก็นิ่งเลยนั่งสมาธิก็พืให้มันนิ่งปกติเจตนนั้นเป็นเร่งนะมันไม่ยามนิ่งอยู่ไม่กัมสุูตรผมคือเวลาเวลาพุดโธพุดโธไปนี่อจะให้ให้ลูกสูตตัวว่ามันคิดไปอะไรก็ให้ให้มันคิดไปเรื่อยๆครับอย่าให้มันคิดแล้วกลับมาที่พูดโธรอย่าตามคิดเราต้องอยู่กับพูดโธแข่งของมันไปครับแต่เดี๋ยวถ้าพุดโธเยอะมากขึ้น ต่อเนื่องเดี๋ยวความคี่ก็จะยามหายไปเองครับผมแล้วจิตก็จะเน่งจะสงบครับเวลานั่งสมาธิเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมันจะเฉยๆกับทุกอย่างครับใช่ก็เบตกาเนี่ยเบตกขาไม่รักไม่ชัไม่กลัวไม่หลงเฉยๆครับแต่มีความสุขครับเฉยแบบมีความสุขไม่้เฉยแบบ ทุกมาคนเฉยแบบทุกเฉยเมยแล้วมันทุกแต่เราไม่ได้เฉยแบบนั้นครับอวันนี้ก็ไม่มีอะไรถามเลยครับใช่โอเคครับผมจะได้ไปขั้นต่อไปนะคุณจอยคุณจอยเชิญอยู่ที่ไหนกรุงเทพใช่ไหมในพัทย า, พ, ยาพัทยาอ่าพัทยาเอางัยลูกชายมาครับมาค่ะมามาทักทายกันกับลุงตาหน่อยนะ ไม่เอาจะเล่นนะของตาคะแล้วอย่างนี้บินทบายไหมคะเนี่ยบินบินบินทบายก็ไม่ห้ามแตวบินได้ก่อนตอนนี้ยังบิน <ผม S 1> ได้ไปทุกวันเสาร์จะได้ไป อ, อ<ห>ได้ยังแต่ต้องใส่หน้ากากมันทุกคนเพื่อป้องกันแล้วเขาก็จะมีคนมาตรวจเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมคะไม่แน่แล้วแต่ทางทางทางจิตอาสาเขาถ้าเขาขยายเข้ามาจะมาตรวจกันล้ แต่ถ้าเขาไม่กรยานเขาก็อาจจะไม่มาตรวจก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของจิตอาสาเขาเขาทำกันแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่เขาเห็นคนใส่หน้ากากกันทุกคนอะไรเนี้น้อยคนที่ไม่ใส่หน้ากากเมื่อเช้านี้ก็มีคุณแก้วที่เขาทาหน้าที่เป็นตากล้องแล้วก็เป็นคนจัดการเวลามีญาโยมาฟังธรรมเนี่ยแกก็ไปถ่ายรูปแล้วแกก็เอาหน้ากากไปแจกเห็นคนไหนไม่ใส่หน้ากากแกก็เอาหน้ากากให้ เพราะว่าตอนนี้เหมือนไปไหนไม่ได้เลยค่ะตอนแรกตอนแรกปีใหม่กะว่าจะไปปฏิบัติธรรมพาลูกไปด้วยแต่ว่าเขายกเลิกหมดแล้วเ อ, อ่าใช่อันนี้มัน อ, อ, อยากคุกคกันอยู่ที่บ้านของเราดีที่สุดค่ะก็เลยอยากจะอยู่บ้านแล้วปีใหม่อย่างงี้ค่ะอาจารย์ก็ก็รับบาตก็รับบาเหมือนเดิมตอนตอเช้าก็เพราะว่าถ้าปีใหม่จะได้ไปใส่บา ท, ทุกวันนะได้บินา บ, บาตททุวันไม่ไม่หยุดจนกว่าเขาจะสั่งห้าม แต่ก็ไม่สามารถก็เปญจบาตรตามปกติเพราะตอนที่วัดที่อื่นเขาห้ามฝนมงคลข้ามปีห้ามอะไรหมดเลยเราก็ไปไม่ได้นั่นคิดว่าที่วัดก็คงจะห้ามเหมือนกันนะเพราะนี่ก็ห้ามไม่ให้มาฟังเทศกันมันเสารที่ผ่านมาั้งใจว่าวันพราณาจะไปพระอาจารย์บอกว่าไปไม่ได้อตอนนี้ไปไม่ได้นะเขาคว้าวันนี้ใครอยากจะฟังก็เข้ามาในนี้ก็ได้ค่ะก็ถือโอกาสเข้ามาฟังอย่างนี้ค่ะใช่ ไม่ได้บางทีวันวันปีใหมอจจ่อาจจะอาจจะแสดงธรรมที่กุฏิก็ได้แต่แต่ ห, ห, ห้ามคนไปห้ามคนไปเราไม่บอกถ้าบอกก่อนตองหน้าจะมีคนแอบไปเองหรือคนแอบไปฟังใครอ่อากไปฟังาอาจจะเป็นใหม่ก็อาจจะต้องพูดธรรมะกันหน่อยตอนนี้ไม่ไม่มีอะไรก็ปฏิบัติตามที่พระอาจารย์สอนทุกอย่างเลยค่ะทําฝึกจิตฝึกอะไรตลอดเลยค่ะ ฝืนไม่โกรธใไม่คิดอะไรกับใครตั้งใจอย่าไปวางอะไรจากใครอย่าไปอยากได้เลยอย่าไปอยากได้อะไรจากใครแล้วจะไม่โกรธใช่ใช่ค่ะฟังแล้วก็เลี้ยงลูกไปด้วยแล้วก็ทําใจให้สบายๆอ่ะค่ะอดีรอให้ลูกโตเผื่อตัวเองจะได้ไปปฏิบัติธรรมอย่างที่ใจหวังแล้วทํางานหรือเปล่าเนี่ยทําค่ะเป็นแม่บ้านค่ะอที่พัทยาเลยคอนโดเหรออยู่ทําอยู่กับ ลูกพี่ลูกน้องกับญาตกันค่ะทำซักผ้าค่ะซักผ้าซักรีดค่ะโอเคดีมีลูกทั้งสามคนเยวะเลยมีสามคนค่ะเรียมไว้นะก็เลี้ยงอยู่สามคนอ่ะก็ต้องไหวค่ะเราเราทํามาแล้วก็ต้องให้ให้มันดีที่สุดค่ะน้ำแข็งการทำงานทั้นแบบดิอยู่คนเดียวเขาเขายแยกแยกกันอยู่่เขาอยู่กรุงเทพนีอยู่ที่พัทยานี่ลูกสามคน ้เขาช่วยเรียงลูกให้เราด้วยรึเปก็บ้าก็บ้างบางทีโอเคไม่แต่ว่าคือฟังธรรมะของพระอาจารย์แล้วรู้สึกมีกำลังใจก็เลยไม่คิดย่อท้อกับอะไรเลยค่ะออทำไปนะดี่แหละโอเคสาธุคุณทวีสาจากสวิสเซอร์แลนด์เชิญกล่าึงมัสกการพระอาจารย์ค่ะเป็นยังไงบ้างมีอะไรไหมวันนี้ ค่ากราวไล่เรี้ยนผลค่ะที่พระอาจารย์บอกให้เรื่องเรื่องน้ำลายค่ะพระอาจารย์ที่นั่งไปค่ ะ, ะก็ยังไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่ค่ะบางวันดีบางวันไม่ดีค่ะบางวันก็จับได้ว่าถ้าเราถ้าจิตเราไปแบบจังหวะดีไปพอมาคิดอีกทีหนึง่งมันก็มันก็มาอีกก็เลยยังสู้กับมันอยู่ค่ะตอนนี้ก็ยังยังไม่ได้ดีขึ้นเท่าไหร่ค่ะต้องใช้การสวดมนต์ไปดูก็ได้ แทนเจิตจะจดจ่อเรื่องการสวดมนต์ไปมันจะได้เหลื่อเนื่องน้าลายไปค่ะก็เลย ก, ก็ใช้เหมือนที่พระอาจารย์บอกค่ะ ก, ก็เลยว่าเอถ้าเกิดตอนสวดมนต์ไปมันก็ยังมีแว็บมันมีแว็บเข้ามาแต่ถ้าเกิดว่าก็เลยคิดว่าเอถ้าเกิดเราจะสวดออกเสียงมันจะดีมันมันจะน่าจะน่าจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าจะลองใช้เพราะว่ารู้สึกว่าเมื่อกี้ที่นั่งนั่งฟังพระอาจารย์ตอบคาถามอะค่ะก็เลย จิตเราแบบว่าเราเอามากําหนดอยู่ที่เสียงใช่ไหมคะมันก็ดีขึ้นมันมันพอเราไม่ได้ไปคิดตรงนี้มันเออมันดีแต่พอพอมันนึกเอามันก็มาอีกแล้วก็เลยเออก็เลยพอจะหลายวันมันนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มพยายามลองหลายวิธีอยู่ค่ะก็เลยมันดีบ้างแต่ก็เลยคิดคิดว่าน่าจะเป็นเพราะสติเรายังไม่ดีด้วยถ้าสติดีแล้วมันจะไม่สนใจกับอะไรมันก็จะอยู่กับอารมณ์ที่เรากําหนดไว้ค่ะ ดูลองดูลองก็ดูลองพุโทโธก็พุโทโธสวดมนต์ก็สวดมนต์นไปพยายามฝึกไปเรื่อยเวลาไม่ทา่งก็ต้องฝึกสติไปเรื่อยพยายามไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแให้ใจมันลอยไปที่อื่นให้มันอยู่กับร่างกายทําอะไรก็ให้รู้สึกตัวอยู่กับการทำงานไปหรือพุโทโธไปก็ได้ทํา ง, งานไปกั บ, กบพุโทโธอาบน้ําไปกับพุโทโธล้างหน้าแปรงฟันกบพุโทโธไป คิดคิดว่าพุทธโธน่ า, น, าน่าจะเพราะว่าบางคร<อ>ั้งถ้าเราแบบว่าอยู่กับการทำอะไรไปมันบางบางทีงทมันเผลอก็เลยว่าเอ๊ะแต่พุทธโธนี่มันมันมันเร็วกว่าได้ใช่ถูกต้องค่ะค่ะเลือกใช้ได้แล้วแต่ว่าสติเรามากเราน้อยถ้าน้อยก็เราใช้พุทโธถ้ามากก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ค่ะค่ะมีมีแค่นี้คะ่ะบอกกล่าวก็เลยเดี๋ยวพยายามฝึกต่อไปคะ่ะวันนี้หนาวไหมวันนี้อากาศ เริ่มอุ่นขึ้นบ้างแล้วค่ะอาจารย์ค่ะยองยอง๓วันนี้๘ค่ะ๘ค่ะ๘องศาเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ยังบอกว่าเอ่ายังหนาวอยู่ถ้าออกไปข้างนอกก็มีมีที่นี่เมื่อวานเมื่อวานกับเมื่อเช้านี่แค่สิบแปดสิบเก้าก็หนาวแล้วถามว่าจ่าขอค่ะขอพระอาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเห็นเฉกพระอาจารย์ไม่ค่อยจะ เราแม่เราคนมีเสมผะมันมีเสมผะอันนั้นเอง แ, แต่ชกปาไม่มีปัญหาเลยแล้วทุกสาทุณพัทธิทยาเชิญพุทธิยาจากเพชรชบุรีใช่แม่คุณกล้องชะเจ้าค่ะกลับนวัตการเจ้าค่ะพ้าอาจารย์มีอะไรไหมวันนี้อาจารย์เออยมจะถามว่าเวลาภาวนาค่ะใช้กรรมฐานสองสามอย่างสลับกันได้ไหมเจ้าค่ะ เริ่มต้นก็ได้ถ้าถ้าใช้ถ้าใช้อย่างนี้ไม่ได้ผลก็ลองใช้สลับไปก็ได้แต่ต่อไปต้องเวลาจะให้มันพอได้ตัวไหนดีแล้วเ้าตัวเดียวอย่าไปเปลี่ยนอ๋อคือถ้าถ้าตอนเริ่มเริ่มนั่งภาวนาใช้พุทโธเพื่อให้จิตสงบอะค่ะพอจิตสงบแล้วเปลี่ยนเป็นพิจารณาเส้นผมอะไรเงี้ยดูเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยได้ไหมเจ้าคะก็ไม่ควรเพราะว่า ถ้าจิตสงบแล้วก็ให้มันสงบไปอย่าไปพิจนารณาอย่าไปทําอะไรอย่าให้ให้มันนิ่งทําสมาธิเพื่อให้มันนิ่งให้มันสงบให้มันสบายไม่ต้องการให้มันทํางานฝึกสมาธินี่เพื่อให้จิตมันสงบไปก่อนแล้วจะเป็ น, เ ป, นเป็นวิปัสนาตอนไหนเจ้าคะไม่สักพักก่อนว่าให้สมาธิชนานาญก่อนแล้วหรือเวลาออกจากสมาธิมานี่ก็พิจนารณาได้เช่นตอนเนี้ยอยากจะพิจนารณาก็พิจนารณาได้ ไม่ต้องรอก็ไปทำในสมาธิคือคือเวลานะาั่งสมาธไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องไม่ต้องพิจารณาเลยเหรอคะออใช่ถ้านั่งสมาธิก็ไม่ต้องพิจรารณาคำว่าสมาธิก็คือความสงบนะถ้าพิจารณามันก็ไม่สงบแนละต้องหยุดพิจรารณาหยุดคิดปัญญานี่ต้องรอเวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยพิจรารณาอ๋อเจ้าค้า แล้วเป็นปัญญายใช้ใช้การนั่งใช้การนั่งภาวนาได้ไหมใช่ไหมคะได้นั่งก็ได้แล้ยืนก็ได้แต่อส่วนใหญ่เราจะใช้ถ้าเรานั่งเรามักจะใช้เพื่อสมาธิมากกว่าถ้าเราถ้าเรายังไม่มีสมาธิอ๋อเจ้าค่ะงั้นถ้ายังไม่มีสมาธิอย่าเพิ่งไปทางปัญญามันข้ามขั้นตอนไปไม่เกิดประโยชน์อ๋อเจ้าค่ะ เดี๋ยวใจเป็นฟุ้งซ่านไปถ้านนี่จะเป็นปัญญามันอาจจะคิดฟุ้งซ่านไปคิดวิตกกังวลไปก็ได้เยนทําสมาธิก่อนให้จิตมีความสงบมีความเย็นก่อนแล้วค่อยไปทางปัญญาหลังจากออกจากสมาธิมาแล้วค่อยไปทางปัญญาแต่ขณะอยู่ในสมาธินี้ไม่ไม่ให้ทําอะไรให้มันนิ่งนานๆให้มันเย็นนานๆพอใจไหม ภาพนิ่ก็แล้วเสียงหายไปเห็นไปที่ท่านอ่เนาเขาใจยังนะคุณอัตยาเขาใจจะขาบหโอเคมีอะไรไหมคุณจะสัญญาณไม่ค่อยดีเสียงขาด ห, หายเอาท่านนี้ก่อนนะคุณอัจยาสัญญาณของคุณไม่ค่อยดี เดี๋ยวรอบหน้าค่อยว่ากันไหม่อนจ้ะค่ ะ, คะไปที่คนระวิคะะคนคนระวินกุ้งอยู่ที่ไหนเปอดไมค์ก่อนยังไม่ได้เปิดไมค์อันมี้ไมโครโฟนกาพ้าจาย์ค่ะระวินอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ค่ะหนูอยู่กรุงเทพค่ะพ้าจาย์ วันนี้เพิ่งกลับบ้านก็เลยพอดีเห็นพระอาจารย์ซูงก็เลยเข้ามาค่ะเออเป็นยังไงที่มาปฏิบัติที่บนเขาใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจาไรย์มีอะไรไหมมีอะไรไหมคือจริงๆหนูมีจิตที่ฐานในร่างกายแล้วค่ะเป็นตรงกลางแล้วมันสบายมันเย็นมันสงบไม่อยากรุ่งกับใครแต่แต่เวลาเกิดปัญหาอะไรเงี้ยค่ะ ก, การนี้วหนูจะหลบ หลบมาอยู่ในความสบายความสงบไม่ค่อยได้ใช้ปัญญาค่ะพระอาจารย์มันเหมือนว่าเป็นต่อมเป็นอะไรชย่าที่มันแบบมันสบายมากเลยค่ะพระอาจารย์ใช่มันก็อย่างนี้เขาเรียกว่าติดสมาธิต้องหัดใช้ปัญญาเวลามีปัญหาจะได้ไม่ต้องหนีใช้ปัญญาพิจารณาใจรักปัญหาเป็นใจรักสิ่งที่เป็นปัญหาเป็นใจรักมันไม่เที่ยมเราไปควบคุมบังคับเขาไม่ได้ เขาจะเป็นเขาจะตายเขาจะอยู่เขาจะไปเขาจะพูดเขาจะทําอะไรเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปห้ามเข า, อ ย, าอย่าไปอยากให้เขาพูดดีหรือไม่ดีอะไรก็ตามปล่อยเขาไปแล้วเราก็ไม่ต้องหนีเราก็ฟังเขาไปค่ะบางบางเรื่องง่ายๆพอใช้ปัญญามันก็คลายได้เยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไม่กโกรธแบบพยาบาทหรือว่ายังฟังใจอ่ะค่ะใช่ แต่าบางเรื่องถ้ามันแก้ไมได้ก็ใช้สมาธิฝ่อนหลบไปในสมาธิก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้มานานมากแล้วค่ะพระอ า, าจารย์ชอบหลบมาแล้วก็แบบมันรู้สึกสบายมากเลยมันเป็นความสุขอย่างยิ่งแต่มันก็ต้องหลบอยูย่เรื่อยะต่อไปเราอาจจะไม่อยากจะหลบเราก็ต้องหดใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อปล่อยวางพอปล่อยวางได้นะเราก็จะอยู่กับมันได้ มันก็จะตัดทีละเรื่องทีละเรื่องไปใช่ไหมคะใช่แล้วนะเป็นเรื่องๆไปโอเคนะมีอะไรไหมยังไม่ไมีค่ะพระอาจารย์ได้แต่<น>ขอพระคุณค่ะเชิญคุณอุษาเรือหรือเจ้าของอคุณอุษาอยู่ที่กรุงเทพหรอือนาราน อ, น า, อนาราที่ว่ า, าค่อคอคอคอะอานาราที่ว่ามาตรการค่ะ อยมเคยปฏิบัติอไม่ค่ะเอช่วงวันที่สามสิบเอ็ดนี้ความจริงตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่วัดแต่เขายกเลิกแล้วค่ะจองตัวครื่องบินเลยเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่ได้ไปค่ะคือพระอาจารย์เนี่ยค่ะไปกับทานคุเนี่ยค่ะสายการบินยกเลิกเพราว่าเขายกเลิกททางวัดค่ะทางวัดเลยเขาไม่ให้เข้าไปพักแล้วค่ะอค่ะ โยมก็เลยมาฟังซูมค่ะสาม uh, คนเนี่ยค่ะจะไปด้วยกันแต่ว่าไม่ด the, ได้ไปแต่คนอาลีาฟ anyway> ังต่ตอนนี้ก็ฟังซูมหรือว่าฟังถ่ายทอดสดตอนบ่ายสองโมงไปของพางก่อนอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้ทำบ้านให้เป็นวัดเนี่ยสูธุค่ะถือศีลแปดปฏิบัติทำที่บ้านก็ได้นะโยมทำทางเดินจงกรมที่บ้านนะค่ะอาจารย์ ตามที่เคยถามอาจารย์เขาที่แล้วอะค่ะอ่ทแต่ว่าวันนั้นหาทางจากเหนือไปไอ้แต่วันออกไปตานตกค่ะอืแล้วก็แต่ว่าช่วงบนที่ทีหนึ่งทีสองก็มาเดินแต่วันทีก็กลัวค่ะอาจารย์กลัวก็พูดโทพูดโทหยุดความกลัวด้วยพูดโธก็ได้อย่าถอยเดินต่อแล้วก็ใช้พูดโธพูดโธถ้าอยู่กับพูดโทเดี๋ยวจิตมันก็สงบแล้วมันก็หายกลัว มีบางทีการการ น, นั่งภาวนาอะคะ่ะบางทีก็ดูลมหายใจใช่ไหมคะลมหายใจแล้วก็พูดเข้า โ, โทรออกแบบเนี้ยแต่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยโยมก็เลยวางแล้วก็ใช้พุดโทรอย่างเดียวดูไม่สนใจลมอางนี้ได้ไหมคะได้ได้เอาดูเอาแต่พูดโทอย่างเดียวก็ได้ถูกค่ะครื่อง <ขอ S 1> ลมเรื่องลมอย่างเดียวก็ได้ถ้าพุดโทรร้อเหนื่อยก็หยุด พุโทโธแล้วดูลมอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่เราถนัดชอบแบบไหนก็เอาแบบนั้นได้เหมือนกันได้ทั้งสองอย่างบางบางครั้งก็ดูลมแล้วก็บางทีก็หายใจเข้าคุ้ทหายใจออกบางทีก็พูดโธอย่างเดียวค่ะแล้วแต่สภาพร่างกายณวันนั้นนั้นนะคะได้แบบไห น, น, แ, บบนแบบนี้ได้ใช่ไหมคะไ ด, ได้ขอให้ไม่คิดเรื่องเล่าต่างๆมาแล้วก<ๆ>ัน<ๆ> เป้าหมายก็คือให้หยุดคิดไม่ให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจะได้สงบแล้วจะมีความสงบไปปลอดตั้งใจว่าจะไปปฏิบัติธรรมจะไปใส่ไม่มีข่าจาร์มาฟังธรรมค่ะตั้งใจว่าจะไปใส่ป่าหรืออดไปเลยค่ะไม่เวลาโอกาสไปหาโอกาสไปในมาตรการนะคะตอนนี้รักษาตัวว่าให้แข็งค่าปลอดภัยก่อนดีกว่านะอโลคยาปรมาราภา ความไม่มีโรคเป็นรากมันประเสริฐนะแล้วยอค่อยว่ากันต่อไปถ้าร่างกายไม่สบายเจ็บไข้ได้ปวดก็ไปไหนไม่ได้อยู่ดีโอเคนะนท่านนี้ก่อนนะสทธุค่ะสาธุค่คุณจุธาเิปต่อเลยเชิญคุณจุธาเิปอยู่ที่ไหนธรรมสถานค่ะะอาจารย์ อยู่กุงเทพรือยู่สัตหีบกค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ย้ายกลับมากรุงเทพแล้วค่ะคระอที่เป็นหมอที่สัตหีบใช่ไหมใช่ค่ะโอเคบางที่จําหน้าไม่ได้ดูในจอค่อะก็วันนี้ตั้งใจมาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะแล้วก็ให้อินเขาได้ฟังด้วยค่ะพระอาจารย์อย่ี้อินอยู่ไหนอินอินวันดีครับจ๋าทต้องรู้เรื่องไหมอิน ฟัครับอ่าฟังไปนะมีอะไรอยากจะถามหมอืออยากถามว่าถ้าเกิดว่าเราขัดลายมือไม่สวยแล้วแม่ตีครับจะทำยังไงก็ต้องขัาให้มันสวยถึงแม่จะได้ไม่ตีไงเข้าใจไหมค่ะอ่าเนะเเนะพยายามขัดขัดให้มันสวยแล้วต่อไปแม่เขาจะกอดเขาก็จะหอมเรา ทันนี้ก็จะตีเรานะแสดงว่าเราขี้เกียจเราไม่ขยันนะไม่หัดเขียนอยู่เรื่อยๆหัดเขียนอยู่เรื่อยๆหัดคัดลายมือไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็สวยเองนะ <Yeah. S 1> หมอมีอะไรไหมหม อ, อยังไม่มีค่ะอาจารย์โอเคเยนไปที่ท่านต่อไปนะกัฟฟี่กอล์ฟยักษ์โซลาดใช่ไหมกัฟพี่ ได่ครับมีอะไรไหมไม่มีครับผ่านไปเลยนะไม่มีก็ผ่านนะโอเคคุณเกศเล่นจากนอร์ h c ค r o ไลนามีอะไรไหมวันนี้ตา บ, บนัการศึกษาพระอาจารย์พัดพัดวีลูกสาวเพิ่งกลับมาเจ้าค่ะเอ่อคนที่เป็นงานนะวันนี้ เจ้าค่ะโดยคนเดียวคนคนเดียวคนที่คิดข่าวที่แล้วค่ะแล้วคนละคนไงคนละคนเจ้าค่ะคนนี้เป็นทหารเจ้าค่ะเพิ่งกลับมาเมื่อวานเลยพามาไหว้พระอาจารย์เจ้าค่ะอเป็นยังไงสบายดีเหรอสบายดีจ้ะพูดไทยได้นะฮะไปได้พูดไทยได้ใช่ไหมได้จ้ะเป็นพี่เป็นคนโตแล้วเป็นคนคนน้อง คนค น, คนน้องก่ะแต่แต่ทำตรงเหมืมอมนคนโต <c oughs> เดนเป็นทหารนี่ต้องต้องกล้าหารต้องแข็งแกร่งใช่ไหมเ<ช>ขาฝึกเหมือนกับ ใ, <ช>ให้เขาฝึกเหมือนกับผู้ชายฝึกเลยใช่ไหมใช่จ้ะ แ, แล้วไหวไหยไหวจ้ไวะไหวนะเดนเทมเิการนี่ก็ถือว่าเหมือนกันผู้หญิงผู้ชาย <c oughs> ก็ดีเรามาฝึกปฏิบัติธรรมยู่มากเถอะยยิ่งดีใหญ่เรามาฝึนั่งสมาธิอยูบ้างถ้าไม่แระอาจารย์พระอาจารย์พระอาจารย์ช่วยสอนเยอะๆนะเจ้าคะไอปฏิบัติธรรมเจ้าคะถ้าถ้าไม่แข็งถ้าไม่แข็งแก่งก็ปฏิบัตินั่งสมาธิไม่ได้นะคนนั่งสมาธิไม่ได้แสดงว่าจิตอ่อนแอแล้วนะเอ็นไหมควบคุมจิตตัวเองไม่ได้ เขาบอกว่าเขาไม่ไม่ชอบไม่ชอบนั่สมาธิแต่ว่าเขาไปไปไปเป็นทหารได้เขากลัวผีแต่ว่าเขาไปเป็นทหารไปยินป้ายามได้โยมก็ยังแปลกใจอยู่เจ้าค่ะเพราะว่าเมื่อไปแล้วก็ต้องทําตามหน้าที่ถ้าไม่ทำํำก็ถูกขังนะถูกลงโทษเขาก็ต้องเลยต้องทําเจ้าค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยากช่วยเหลือคนเขาอยากจะเป็นเอหมอทหารเจ้าค่ะดีบุคลากรเมตตารับ ช่วยเหลือคนอื่นได้ดีค่ะมีความสุขได้ช่วยเหลือคนอื่นล้วจะทําทให้เรามีความสุขพระพุทธเจ้าสอนให้เราทุกคนมีความเมตตาต่อกันให้รักให้ดูแลกันให้ช่วยเหลือกันอย่าทอดทิ้งกันโอเคนลูกสาวมีอะไรอยากจะถามไหมอยากจะถามธรรมะอะไรบ้าถามธรรมะได้ รู้เรื่องธรรมะไหมอยากจะรู้เรื่องอะไรของธรรมะมากไมบ้างพระพุทธเจ้าเป็นใครรู้จักไหมเคยเรียนประวัติพระพุทธเจ้าไหยบุฎาบุฎาลืมไปหมดเลยลืมคำถามหนถามแม่ขึ้นหนึ่งเขา เ, เขาบอกว่าเขาอยากถามคำถามครั้งหนึ่งแล้วยมก็ตอบเขาไม่ได้ คำถามอะไรคำถามที่ว่าอะไรจริงเหรอที่ว่าคนคนตายแล้วต้องเกิดหรืออะไรไม่ใช่ No um You can speak English No I want to know like Is there only like one God like like who created this earth Uh According to the b u d d h i s is nature that c r e a t e everything is created by nature No, no, nobody knows, no person or anything that can create. It's just the work of nature. Everything, even your body and mind, are part of the work of nature. So, for other religions that I have studied, like Christianity, um, Catholics, and. Other different religions, they have similarities that tied into Buddhism. Like I did a comparison with Christianity and Buddhism, and like there's a lot of similarities. So like I have a theory. So my theory was, what if like there's only one person that in this world is that like trying to like make sure everyone's like that's good things and all of that, but they're just born in different areas. So Jesus is actually Buddha, and Buddha is actually Jesus. But they just—they were born in a different era, and they came to help people with the same, like, with the same, um, what is it? With the same purpose. Yes, they have the same. They are the d i s c o v e r of the truth. The the truth of life. Our life is suffering. And they have found a way to get rid of our suffering, and that's t h e teaching. They teach us to get rid of our suffering by doing good thing, helping other people, and and b s t a i n i n g from doing bad thing. And then you you you will feel good, and then you can get rid of your suffering that way. So they are basically like like discover like Columbus. Columbus yeah. discovered America, right? So the Buddha and Jesus and Mohammed discovered the truth that can treat our suffering, get rid of our suffering, mm -hmm. our mental suffering, not the physical suffering. Mm -hmm. Right. So that's the same. You don't need a God to teach you this. Yeah. So mm -hmm. according to Buddhism, there is no God. Yeah. Mm -hmm. God is just a concept created by. Someone who wants to try to explain the the truth about everything, so they just set up a God and say, God created the universe, God created everything. See, but sometimes, but sometimes there are things that God cannot do, right? We keep right. asking, if God is love, if, if God is great, how can He give us suffering? Huh? How can he not get rid of our suffering? Right, right. So truly, the God, as a r a i s e I'm concerned, I think it's just a concept. Mm -hmm. Trying to use this concept to explain the truth of the universe that we live in. Right. Because we are always curious. Right. Who who created uh, who who created the universe? How did this universe come about? So when so we just created this concept, God. Uh, This will, fit, right. this will answer all the question that you ask. Once you have a God, then He can do everything that we cannot do. Mm -hmm. But then again, if He can do everything, then He must get rid of our suffering also, right? But He c a n not get rid of our suffering, so t h i e still make people doubtful about God. See? Right. Mm. Thank But, you. Okay. All right. Nice talking to you. Thank you. Okay. <laughs> มีอะไรไหมคุณแกซลินไม่มีเจ้าค่ะคันร่วมฟังท <Okay. S 2> เจะทำพอดีว่าลูกสาวลูกสาวสองควนเนี้ยอีกคนหนึ่งคนโตนะืเขาสวดมนต์เก่งมากเจ้าค่ะแต่ว่าเขาก็มีความเกียดค้านแลว้วความจำเขาดีมากเวลาเขาสวดมนต์พาหุงหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสวดดีมากแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ทำโยมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็บอกเขาใช้ให้ทําเป็นนิสัยให้ทําทุกวัน ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สวดมนต์ก่อนจะนอนง่ายสวดมนต์เราจะได้ไม่ออไม่บอกเขาว่าไม่ภาวนาถ้าจิตฟุ้งซ่านกพ็พยายามภาวนาพุโทโธจิตจะได้สงบเจ้าค่ะ้โย<อ>งเกอร์บอ ก, ก็ได้สวดพาหุ้มก็ได้ถ้าพุโทโธไม่ได้ครับสวดพาหุ้มไปก็ได้เจ้าค่ะนะแล้วกอ็อีกเรื่องหนึ่งเจ้าค่ะลูกสาวโยมจะไม่ค่อยเข้าใจโยมตรงที่ว่าเวลาโยม เวลาเขาทะเลาะกับโยมมีนิดนิดหน่อยนะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมจะพยายามระ ง, ง, งับอารมณ์ของตัวเองก็ไม่โตตอบเขาก็จะว่าว่าโอ้โหพุทธโธเขาทําให้คนโกรธได้เหรอเนี่ยแต่โยมก็ไม่โตตอบ เ, อเพราะว่าโยมรู้ว่าถ้าโยมโต้ตอบอารมณ์โยมร้ายเจ้าค่ะโ<อ>ยมก็เลยแบบระ ง, งับทําไม่พูดเขาพยายามแบบว่าเหมือนใา้กับว่าจะหาเรื่องให้โยมแบบโตตอบนะเจ้าค่ะเออก็ดี ก็นีเรายิ่งได้กันถืว่าเราเราทำถูกต้องนะเจ้าค่ะเพราะว่าถ้าเผื่อว่าโยมพูดอะไรไปอะ่ะมันมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับลูกโยมโยมก็เลยระงับอารมณ์ของโยมเองเจ้าค่ะถูกต้องไม่ควรจะพูดหรือทําอะไรเนี่ที่ทําให้เกิดความเสียหายกับต่อผู้อื่นหรือ ก, กับตัวลอยเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ว่าเขาเขาไม่เข้าใจเจ้าค่ะแต่ว่าโยมก็ไม่ไม่เป็นไรไม่ว่าเขา ดียวเขาเข้าใจเองต่อไปเขาว่าเห็นเราเป็นตัวอย่างต่อไปเขาก็จะเปรียบเทียบดูเวลาเขาไปตอบโต้ใครแล้วเขารู้สึกไงเวลาไม่ตอบโต้เป็นยังไงเจ้าค่ะการการที่โยมไม่ตอบโต้โยมคิดว่าไม่ใช่คนโง่แล้วก็ไม่ใช่คนฉลาดเพราะว่าเราไม่อยากที่ว่าถ้าเราไปตอบคนฉลาดนะเพราะตอบโต้แล้วทาให้เป็นเป็นปัญหาขึ้นม า, อาตอบโต้ไปทำไมใช่ไหมค่ะเจ้าค่ะอื อันะเป็นวิธีการที่ถูกต้องพระเจ้าสอนพวกชาวพูดให้เร า, เายอมหยุดเย็นเข้าใจไสูตรสามยอมยอมแพ้หยุดต่อต้านต่อสู้แล้วใจเราจะเย็นเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะโอเค น, น, น, นะเจ้าค่ะคุณมรดิตาเชิญ ค, คุณมรดิตาจากกรุงเทพเหรือจักกรุงเทพกลับในมาสการทนานตาเจ้าค่ะ มันคือพันอาจารย์ไม่ได้เข้ามาทงภาษาอังกฤษนะไม่ได้เข้าวันนั้นก็เลยมาเข้าวันนี้แทนเจ้าค่ะเออเป็นยังไงเป็นยังไงนอะไรไหมสบายดีเจ้าค่ะมีมีคำถามอยากจะถามพระอาจารย์ให้ช่วยขยายความเกี่ยวกับภาระภาระธรรมห้าประการนะค ะ, อะพะอดีหนูำำ อ, อ่านศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาใช่เจ้าค่ะ อันนี้ก็เป็นคุณสมบัติที่มีอยู่ในใจของเราทุกคนแต่มีสองระดับระดับปุตุชนกับระดับพระอริยะระดับปุตุชนเราเรียกว่าอินทรียอินทรีห้าอินทรีห้าจ้าค่ะก็ศรัทธาศัทธาวิริยะสติสมาธินะ่ะแต่มีกําลังน้อยเป็นเหมือนของเด็กทารกเราก็เรียกว่าอินทรีย์สติของพวกเรากับสติของพระพุทธเจ้านี่เหมือนเด็กกับผู้ใหญ่ อินทรีย์ของพวกเรากับอินทรีย์ของพระพุทธเจ้าของพระอริยเจ้าเนี่ยเป็นเป็นเหมือนของผู้ใหญ่อินทรีย์ของพวกเราเป็นเหมือนเด็กค่ะงั้นเราต้องพัฒนาอินทรีย์ให้เป็นภาระโดยการเพิ่มศรัทธาเพิ่มศรัทธาด้วยการศึกษาธรรมะให้มากขึ้นถ้าเราศึกษาธรรมะฟัามเทศน์ทางธรรมศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าของพระสาวกเราก็จะเกิดศรัทธามากขึ้น นักศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นพอเรามีศรัทธามากขึ้นเราก็จะปฏิบัติมากขึ้นมีมีความเพียรมากขึ้นวิริยะมากขึ้นแล<ช>้วเราก็จะปฏิบัติทำที่เราต้องปฏิบัติก็คือสติสมาธิปัญญาออพอปฏิบัติสมาสติมากขึ้นสติก็จะมีกําลังมากขึ้นจะทําให้เกิดสมาธิมากขึ้นมากขึ้น ความมีสมาธิมากเราก็สามารถพิจารณาทางปัญญาได้มากปล่อยวางได้มากขึ้นไปจนกลายเป็นผ้าอริยะเจ้าไปนะใชค่ะที่ทีนี้ขอบคุณมากอา่มากค่ะอาจารย์ที่ทนี้หนูอ่านอ่านมาเจอว่าศรัทธาให้ให้สมดุลกับปัญญาแล้วก็วิริยะให้สมดุลกับสมาธิแล้วมีสติให้ให้เป็นตัวกํากับตรงตรงนี้หนูหนูไม่ไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจารย์ อ๋อบางทีศรัทธามันมากเกินไปศรัทธาแบบงงงายข้าการเป็นศรัทธาแบบงงงายมันนอกศรัทธาแบบมีเหตุผลศรัทธาด้วยเหตุผลเหตุผลก็คือปัญญาปัญญานะอย่างนั้นก็แต่ถ้ามีเหตุผลมากกินไปบางทีมันก็จะทําให้ไม่เชื่ออะไรง่ายๆก็ได้แล้วบางอย่างของบางอย่างนี่บางทีเราไม่มีไม่มีความสามารถที่จะเห็นได้ด้วยเหตุผลของเราเอง มันก็จะทําให้เราอาจจะปฏิเสธในสิ่งที่ควจะเชื่อก็ได้เช่นเชื่อกฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาบางทีก็ต้องเชื่อไว้ก่อนพระพุทธเจ้าสอนากฎแห่งกรรมนี้เป็นของจรงิงตายแล้วไปเกิดใหม่เวียนว่ายตายเกิดเนี่เป็นของจรงิงค่ะถ้าเพราะมันพิสูจน์ไม่ได้เรายังไม่มีกําลังที่จะพิสูจน์เห็นได้ด้วยเห็นได้ผลขอเราเราก็ต้องเชื่อถ้าเงี้ยถ้าเราไม่เชื่อเราก็จะปฏิเสธกฎแห่งกรรมไป แล้วไม่ต้องไปกังวลมากหลอก อ, อระว่างเนี่ยแต่เพีงเยงจะพูดอธิบายาให้ฟังว่ามันต้องมันต้องมีเหตุมีผลความเชื่อในาศาสนาพุทธนี่เชื่อด้วยเห็นได้ผลไม่ได้เชื่อด้วยความงม ง, งายทำไปโดยไม่รู้ทําไปเพื่ออะไรเจ้าค่ะครับ ข, ขอบพระคุณมากเลยเจ้าค่ะ ตอนนี้หนูกำลังเพิ่งเริ่มปฏิบัติฝึกสติได้ไม่กี่เดือนเลยยังอยู่แค่ขั้นเจริญสติอยู่จ้ะค่ะยังไม่เป็นสมาธิยังน้อสมาธิไม่สงบจ้ะค่ะต้องพยายามนั่งาก่อนออกคืออกาบของพระพุทธวิหารค่ะอาณทัยลุดาคุณทัลลุดาตอนนี้อยู่วัดนะเหรอคุณทัลดาอรมสัการค่ะอยู่วัดแล้วค่ะ ว่านนอาจารย์นี่ยังนะใช่ค่ะเป็นยงไงดีไหมที่เง<ด><ด>ียบไหมเงียบค่ะแล้วแต่ว่าหลังใหญ่มากเลยออาแได้มีที่เดินโยกลงเนี่ยงงค่ะเดินข้างนอก อ, อาจารย์คาถ้าเขามีน้ำอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยเราดื่มได้ไหมคะก็ถามคนที่เขา ดูแล ว, ว่าเป็นหน้าของใครหรือเปล่าบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติค้าที่แล้วเขาทิท้งเอาไว้ให้ อ, อ๋อค่ะเดี๋ยวเดวค่อยไลน์ไปถามเขาคิดว่าเดื่มได้นะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปปฏิบัติบางที่มีของเหลืออยู่เขาเขาไม่เอากลับไปเพราะหนูอาจจะไม่พอเ อ, อ, อถ้า <c oughs> ถถอยู่ก็ดื่มไปหรือถ้าเราถ้าเราเดื่มแล้วถ้าเราอยากจะเอามาคืนแล้วก็สั่งมาที่อามาได้ค่ะ ไ, ได้ค่ะยืมไปดื่มก่อนก็ได้ แต่ิว่าไม่มีเจ้าของวคนที่อยู่เขาไปแล้วไปแล้วเขาก็ทิ้งของที่ยังใช้ได้เขาไม่อยากจะเอาไปเผื่อคนที่มาทีหลังยัได้ใช้ได้ต่อค่ะ้วค่อยซื้อมาใส่ให้ อ, อ่าตอนนี้อดอาหารหรือยังแล้วค่ะตั้งแต่วันแรกเลยค่อออะอดมากี่วันแล้วนี้ก็ยี่สิบเอ็ดยีิบสอตอนเย็นแล้วก็ยี่สิบสองิาคอ่สเซคคิวไหม มันก็ท้องร้องไปเรื่อยๆค่ะแล้วแสบท้องบ้างก็ก็คิดว่าบางทีก็เข้าสมาธิบางทีก็คิดว่าเอ่อเดี๋ยวมันก็หายมันมันมันหิวเดี๋ยวมันก็หายหิวเแล้วรู้สึกดีขึ้นไหมทำไมขยันขึ้นไหมเดินเดินตรงกรมได้ดีมากหนูเดินสองชั่วโมงแบบที่พระอาจารย์บอกอะค่ะหนูไม่เคยเดินสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงอะแต่ว่าพอเดินสองชั่วโมงเสร็จแล้วมานั่งนะคะคออแบบสบาย มันมันดีคือมันไมนั่งได้ไม่ขี้เกียจไม่ง่วงไม่ขี้เกียจเดียเราดี๋ยวเสังเกตเวลากินเนีไยกินอิ่มแล้วที่นี้มันจะหาหาหมอนอย่างเดียวถ้าถ้าสมมุติเราเราเป็นไมโลได้ไหมคะก็ตอนเช้าได้ตอนเที่ยงแค่แค่หนึ่งกระป๋องได้ค่ะถือว่าเป็นอาหารคนจะดื่มตอนช่วงก่อนเที่ยงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูว่าว่ากําลังเป็นยังไงค่ะ แต่ตอนบ่ายถ้าเดือดน้ําผลไม้ได้อยู่น้ําตาลน้ํำเครื่องอะไรพวกนี้ได้อยู่น้ำอพอตอนแรกหนูนึกว่าจะแบบไม่ไหวแต่ว่าอืกับมันเบาเอาแต่น้ําเป่าๆเนี่ยก็ดีถ้าถ้ารู้สึกว่าเวลาเวลาเดินอะค่ะเบาถ้าร่างกายอ่อนยังไงก็อาจจะดือมบ้างก็ได้เพราะมันทั้งสองวันยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอีกสามวันจะเป็นยังไงเราดูไปเรื่อย พรอาจารแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะวันที่ออกเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้ลาสีเนี่ะออกไปออกไปถวายของพระอาจารย์ได้ไหมค่ะได้ได้โอเคค่ะจะไม่ไม่มีไม่มีการแสดงธรรมในช่วงนี้ใช่ตอนแรกหนูเตรียมของไว้จะจะตอนวันอาทิตย์ก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนก่อนการโลกระบาดก็เลยต้องรดไว้ก่อนค่ะก็ได้ยินได้ยินแล้วก็เลย ดีแล้วล่ะพยายามปฏิบัติเดี๋ยวทดลองเอาสักห้าวันได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูกำลังกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังอยู่ได้อยู่ค่ะดีค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ท่านต่อไปคุณออดีอาห้าจากนาเกลือปฏิยาอยาค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็ให้มาไหว้พระสวดมนต์ที่ที่ศาลาหรือเปล่ามาได้ไหม ไม่แน่ใจแต่หนูก็ว่าเดี๋ยววันพระถึงพระอาจารย์ไม่ได้ลงเทศหนูก็จะขึ้นไปที่มณฑปอ่ะค่ะหนูชอบไปมณฑปไปนั่งสมาธิไปส่วนมณฑปโนด่ะเมื่อวันวันก่อนที่พา้าเมื่อวันเมื่อวันพระใช่ไหมวันจันหนูก็ไปมาออฟ <laughs> ังธรรมี๋่ว่าก็ไปที่วัดเหมือนกันไปนั่งเพราชอบไปวัดจนเนี้ยเนี้ยค่ะพระอาจารย์จะถามพระอาจารย์ว่าคือเมื่อก่อนที่ว่าหนูไปวัดใหม่ๆอ่ะ แฟนหนูเขาก็ให้ไปได้ดีเพราะเขาเห็นว่าเราเครียดเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ขัดขวางการไปวัดมาหลังๆมาช่วงหลังๆเนี่ยค่ะอาจารย์เหมือนแฟนแบบว่าเขาบอกว่าเราเริ่มไปวัดมากเหมือนเราสนใจวัดมากมากจนแบบเหมือนจะพูดยังไงดีคะเขาคือเขาบอกหนูกายจากว่าเมื่อก่อนหนูกลายเป็นคนยอมคนกลายเป็นพวกขี้แพ้กลายเป็นคนไม่ยอมสู้คนอะไรเงี้ยคือคล้ายๆเราปล่อยวางไงคะ ไม่ไมอยากยุ่งอะไรกับใครพยายามอยู่แบบสันโดรเลยอะแล้วเดี๋ยวนี้แบบไม่อยากยุ่งกับใครเลยจริงๆค่ะคือมีมีอยากเยอะก็ทุกเยอะตามที่อาจารย์บอกอยากเยอะทุกเยอะอยากน้อยทุกน้อยไม่อยากก็ไม่ทุกก็เลยวางอะไรที่วางได้วางเลยวางได้วางเลยตัดได้ตัดเลยทุกวันนี้ก็เลยเป็นชอบที่จะไปวัดมากกว่าแล้วแฟนหนูก็เลยเหมือนเหมือนเขาขู่อะ่ะเขาบอกเดี๋ยวถ้โควิดหมดเขากลับบ้านเขาเลยแล้วกันนะถ้าหนูเลือกจะอยู่วัดอย่างเงี้ยหนูก็เลยตอบ แปลนไปว่าหนูเลือกวัดนะแต <laughs> ะ่หนูมองโทษเานะคะอาจารย์หนูหนูแค่ต้ม น, นาทีนั้นนะ่ะคิดคิดในใจว่าคนเราไม่จากเป็นก็จากตายอ่ะไม่จากกันมันก็ตจาก <laughs> <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> หนูไม่ล้างแต่ไม่ได้โกรธเขาแต่หนูก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้เสียใจเลยนะคะอาจารย์ <c oughs> หนูก็ยัง <c oughs> ตัวเองแบบนี่ไม่คิดเสียใจเลยเหรอแต่ว่ามาคิดคือถ้าคิดว่าเราจะบาปกันไหมเราทิ้งเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทิ้งเราก็ทิ้งเราเขาจะไปกเขาไปเขาไป ทำไนั่นจะหนูบอกเขาไปแล้วหนูเลือกวัดนั้นเขาถามหนูหนูจะเลือกหหรือถ้าเขาไม่หนูจรงนูเลิกจะไปอยู่วัดใกล้ๆวัดเลยนะก็ดีแล้วแหะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะไม่บาปกันนะคะไม่บาปพระพุทธเจ้าก็เลือกวัดเนี่ยทิ้งหนูทิ้งไปต้องอย่างเที่นี้แหละหนูว่าพระพุทธเจ้ายังออกจากวังไปเลยอ่ะทิ้งครอบครัวถ้าหนูเป็นอย่างนี้หนูก็คงไม่ไม่เป็นไรมั้งแต่หนูกลัวว่าหนูจะไปติดกรรมกับเขาอีกชาติหน้าไปต้องไป อะไรอย่างนี้ไงไม่หรอถ้าเขาทิ้งเราไม่ติดหรอกถ้าเราทิ้งเขาว่าติดเขาอาจจะโกรธเ่ยเราไม่ได้ทิ้งอเขาไปเองอไงใช่ไหมเขาเป็นคนบอกเขาเข้าจะไปเองนี่ใช่ใช่แล้วไม่ได้เป็นคนบอกว่าเราจะไปเขาบอกเขาจะไปเองใช่เขาขูหนูว่าเขาจะไปแต่หนูก็ไม่ได้รั้งเลยหนูก็บอกไม่เป็นไรถ้าไม่ถ้าไม่อยากอยู่ก็ไม่เป็นไรหนูจะไปอยู่วัดเลยจะไปอยู่ใกล้วัดละตาเนี้ยเพราะหนูเลือกทางเดินที่จะมาทางนี้เขาก็เลยยิ่งแบบโว้ย แต่ก็ไม่เป็นไรหนูก็ไม่เถียงกับเขาค่ะไม่ทะเลาะหนูก็นิ่งๆไปอย่างเงี้ยค่ะเราไม่เขาไม่เข้าใจก็ไม่พูดต่อความยาวสาวความยืดเพราะหนูกลัวเขาจะพูดคําอะไรไม่ดีออกมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยหนูก็กลัวเขาจะเป็นกรรมต่อเขาหนูก็เลยนิ่งนั่ดีกว่ายอมเรายอมคนอื่นได้ล้วก็ต้องยอมเขาได้ได้ค่ะใช่ไหมนั่นน่ะนั่นตกลงไม่มีกรรมกับเขานะคะพระอาจารย์มีไม่มีมาเราเราไม่ได้เป็นคนทํากรรมเขาเป็นคนทํากรรมเองเขาเคนตัดเราเราไม่ได้ไปตัดเขา ค่ะได้ค่ะเนีค่ะมีแค่นี้แหละค่ะพระอาจารย์ที่เหลือก็นักปฏิบตัติต่อไปค่ะหนูจะไปได้โอเคสาธุ <c oughs> คุณธภพรวอเตอร์ Walter, อยู่ที่ไหนอเมริกาหรืออังกฤษสวัสดีค่ะอยู่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะสวิตเซอร์แลนด์เมืองไหนใกล้กับสุสานสุริกเค่ะใกล้กลับสนามบินค่ะค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์เข้ามาฟัง กาั้งแรกเพิ่งเข้ามาครั้งแรกใชนะ่ค่ะเคยติดตามเพจมาก่อนหรือเปล่าเคยฟังธรรมตอนที่พระอาจารย์เทศนารู้สึกจะเป็นเมื่อวานก่อนสองสามวันก่อนประมาณนี้ค่ะจำได้<อ>ค่ะก็คือว่าตอนนี้เราทราบยังไงว่าตอนนี้มีซูหรือว่าพอดีบังเอิญเข้ามา <c oughs> เพราะว่าเวลาเข้าไปติดตามเพจพระอาจารย์แล้วพอมีเข้ามาว่าไลฟ์ก็รีบกดเข้ามาเลยค่ะพระอาจารย์ ไ ม, ม ไ, ไม่มีอะไรค่ะไม่ม okay. ีอะไรค่ะโอเคขอไปที่ท่านต่อไปนะคุณสุภัทรา ค, ค, คุณสุภัทราจาก d ด l l a เ t e ก a s USA กลาวนามัส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่าะเชิญมีอะไรัหยค่ะมีหนึ่งคำถามเจ้าค่ะ ม, มาเลยคือลูกจำได้ว่าพระอาจารย์เคยบอกว่าความคิดไม่ใช่เรา ใช่ไหมเจ้าคะไดเราคทีน่้เป็นเราคิดพวามจริงมันแค่เป็นความคิดเหมือนฟ้าล่องเนี่ยฟ้าล่องไม่มีไม่มีใครร่องเนี่ยมันร่องของมันเองความคิดมันแคิดขอมันเองเจ้าค่ะทีนี้แล้วแล้วเราจะถ้าไม่ใช่เราแล้วเราจะเชื่อแล้วเราจะใช้มันยังไงอ่ะเจ้าค่ะถ้ามันไม่ใช่เราเจ้าค่ะมันใช้มันให้เกิดประโยชน์ย่ามันเกิดโทษ ใช้ให้มันเกิดสุขอย่าให้มันใช้ให้มันเกิดทุกข์ความคิดนี้คิดไปทางมันก็เกิดสุขคิดไปทางว่าเกิดทุกข์พอมันจะคิดไปทางทุกข์ก็หยุดมันให้มันคิดมาทางสุขเช่นเอาเงินไปซื้อเหล้าก็เอาเปลี่ยนเอาเงินไปทําบุญดีกว่าเรายังควบคุมมันได้แต่คนที่ควบคุมนี่ไม่ใช่เรามันเป็นสติปัญญาแต่เราไปเรียกว่าเราอ๋อเจ้าค่ะ ก็คือถึงแม้มันไม่ใช่เราแต่เราสามารถใช้มันได้ก็คือใช้มันไปในทางที่ที่เป็นกุศลที่ดีใช่ไหมเจ้าค่ะอย่าไปให้มันสร้างคัาทุกให้กับเราจริงๆก็ไม่มีเราสร้างรับทุกข์ใหกับใจผู้รูู้้คิดเนี่ยอ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะว่าจะลูกสงสัยว่าถ้าไม่ใช้เราแล้วแล้วเราจะแล้วเมื่อไหร่เราจะเชื่อมันได้แล้วเราจะใช้มันยังไงอ๋อจิตเจ้าค่ะ ใช้ตามกฎแห่งกรรมไงทําคิดดีพูดดีทําดีอย่าไปคิดรายพูดร้ายทำร้ายเพรามันทำให้เกิดทุกข์ในใจขึ้นมาอืมถ้าสมมุติว่ามันความคิดมันเข้ามาถ้ามันไม่ดีก็ช่างก็ปล่อยมันไปก็ปล่อยมันไปใช่ไหมเจ้าคะหยุดมันไปด้วยสติคิดจะไปด่าสามีโกรธสามีเนต้องหยุดถ้าเราหยุดคิเดี๋ยวมันต้องไปพอเจอหน้าปั๊บมันก็จะพูดจะด่าทันที ตอนนี้ก็เงียบจนจนเขาบอกว่าเขาใจอยู่ยากขึ้นแล้ว <laughs> <laughs> เขาบอกเขาใจอยู่ยากขึ้นทุกทีทุกทีแล้วไม่รู้อยู่คิดอะไรเนี่ยบางทีก็นิ่งบางทีก็ไม่ไม่ตอบไม่อะไรเขาบอกเขาใจยากขึ้นทุกทีทุกที <laughs> เออ น, นแะ <laughs> แสดงว่าเรามีมีทำ ม, มากมากขึ้น <laughs> เราไม่โต้อตอบใครถ้าไม่จำเป็นจะต้องโต้อตอบก็ไม่โต้อตอบ ตอบเฉพาะเท่าที่จะเป็นถ้าถ้า ล, ลูกคิดว่าถ้าลูกอดถ้าลูกสามารถฝึกกับเขาได้นี่ก็คิดว่าดีอะเจ้าค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ลูกก็ต้องบอกว่าเป็นสามีก็คือลูกรักเขาอะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถอยู่กับคนที่เรารักได้โดยที่เราฝึกกับคนที่เรารักคิดว่ามันนะได้ดด ว่าคนอื่นเราก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ค่ะก็คนรักนี่แหละเป็นด่านด่านที่ยากมากเจ้าค่ะเป็นกุชกสําคัญของเราก็คือตัวกาตัวเราที่สุดเนี่ยนะเจ้าค่ะรักก็รักสุดสุดกรก็โกสุดสุดค่ะต้องผ่านเขาได้รู้ก็ว่าคนอื่นก็คงเบาเบาแล้วแหละเจ้าค่ะค่สายมากเจ้าค่ะ ก็มีครอบครัวมีครอบครัวกับเขาเนี่ยแหละเจ้าคะ่ะที่ที่เป็นด่านใหญ่มากเจ้าคะ่ะด่านใหญ่มากีฝึกไปถือเราโชคดีเรามีมีคู่ซามคู่โชคไ ด, ค, <ม>ดค่ะเจ้าค่ะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าคะ่ะมีคําถามเดียวเจ้าคะ่ะอาจารย์ขอบพระคุณเจ้าคะ่ะปราบทุกคะ่ะพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆนั้นเราใช้สติถึยจะทำอะไรถึงจะควบคุมใจได้ควบคุมความคิดได้นะเจ้าค่ะเอ๊ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแปลกไหมเจ้าค่คือ คือพอฝึกสติอยู่กับพยายามอยู่กับกายแล้วก็ถ้าสมมุติว่าตอนไหนที่ลูกหลุดจากกายลูกจะพอนึกได้ลูกก็ดึงพุทโธเข้ามาเจ้าคะ่ะทีนี้มันจะจะรู้สึกพอตกดึกแล้วมันจะเหนื่อยอะเจ้าคะ่ะทั้ท ง, ท, ง, ท, งที่ลูกก็กตั้งสมาธิด้วยถ้าเหนื่อยบางทีเหนื่อยจากการทำพุทโธก็หยุดท่ำมาได้ให้ดูดูร่างกายไปแทน เราดูร่างกายต่อไปว่าร่างกายกำลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กําลังยืนกําลังนั่งกาลังนอนคะะลูกลก็สลับมาแล้วค่ะสลับแบบเนี้เจ้าค่ะเราไม่มีอะไรดูก็ดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ใช่เจ้าค่ะเหนื่อยนี่คือเป็นปกติใช่ไหมเจ้าค่ะรู้สึกแบบบางทีแบบหมดกําลังมากเลยเจ้าค่ะวันวันหนึ่งพอตกดึกแล้วแบบรู้สึกแบบโอ๊ยแบบมันหมดกําลังอ่ะเจ้าค่ะมันรู้สึกยหนื่มันขึ้นมาทั้งวันมันก็เหนื่อยนี่ยอ๋อเจ้าค่ะ แล้วค่ะนั้นลูกก็ฝึกสติก็ก็โอเคใช่ไหมคะถึงมันก็เหนื่อยอย่างเงี้ยเ้าชอบชอบเหนื่อยก็เปลี่ยนหยุดหยุดหยุดพูดจอแล้วก็มาดูการเคลื่อนไหวของร่าง ก, กายแทนแล้วค่ะแล้วค่ะ่ะสาธุเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะท่านต่อไปคุณพัชราพรบวัวสุขจากสเปนยิวีซาเป็นไงกีสบายดีเหรอเปิดเปิดไมคก่อนยังไม่ได้เปิดไมค์เลย อันมิวไมโครโฟนก่อนอยู่ข้างหน้าอันมิวไม่เป็นนะเห็นไหมเห็นปุ่ที่ตรงกลางกดกดปุ่มอันนิวนะครับอ้าโอเคเจ้าเจ้าหลวงพ่อเอาไปเดินด้านข้างหน้าเลยเห็นมีเท้าาเจ้าค่ะพอดีค่ะอยู่อยู่อยู่ด้านนอกเจ้าค่ะอหลวงพ่อสบายดีนะเจ้าค่ะ อากาศโปร่งใสดีนะที่สเปนเลยเจ้าค่ะที่นี่เขาสปริงสองรอบเจ้าค่ะตอนนี้ก็สปริงแต่พอดีลูกมานั่งอยู่ข้างนอกลหลวงพ่อเจ้าขาพอดอีหมายเลขบัญชีที่สาวพี่พรมาให้นะเจ้าค่ะมันทำรายการไม่ได้ไม่แน่ใจว่าพี่พรไปเขียนจดผิดมาให้หรือเปล่าเจ้าค่ะเคยเคยโอนมาเรือยปกติ โอนไปไม่ใช่บัญชีหลวงพ่อแล้วที่หลวงพ่อบอกว่าไม่ได้รับแล้วก็หลวงพ่อให้ใหม่เลขบัญชีหลวงพ่อมาแล้วก็วันนี้น้องให้น้องสาวทารายการน้องสาวบอกว่ามันขึ้นว่าหมายเลขบัญชีไม่ถูกต้องเจ้าค่ ะ, อ ะ, ะ เ, ดเดะอ อ, อ, ะอก็เลยบอกน้องสาวว่าให้แจ้งพี่พรว่าว่าว่าพรุ่งนี้ให้ขอมาใหม่เจ้าค่ะพอดีพรก็เขียนผิดไปก็ได้ดใช่เจ้าค่ะ <laughs> ใช่ใช่ ่าลูกก็บอกน้องสาวว่าสงสัยพี่พรจะจะจดบอกให้เข้ามาถามเข้าใหม่ดีกว่าแล้วเราให้เราเป็นคนเขียนเองดีกว่าวพาบางทีเขเขียนใช่ใช่ใค่ะเพราะว่าโยมเข้าใจพี่พรแกก็ก็บอกน้องสาวว่าแจ้งพี่พรว่าให้ขอหลวงพ่อให้ให้ให้ให้หน่อย่ไมมีก็ค่ะขอบคุณเจ้าคาะหลวงพ่อ่าอันนี้โรคระบาดที่ที่สเปนตอนนี้โรคระบาดใช่ไหม อ่าตอนนี้รถน้อยลงสงสัยคนมันเป็นกันเยอะแล้วเจ้าค่ะตอนนี้ที่อีบิซ่าก็เจ้าค่ะก็ก็สบายสบายไม่ร้านอาหารอะไรทุกอย่างก็เปิดเหมือนใช้ชีวิตปกติเจ้าค่ะแต่ว่าไม่มีการห้ามอะไรเลยใช่เจ้าค่ะเหมือนแบบไม่ไม่ร้านอาหารอะไรก็เปิดปกติเพราะว่า คนที่นี่เป็นเป็นน้อยค่ะมันเหมือนคนเป็นกันหมดแล้วมั้งค่ะเจ้าค่ะ <ś led> ชจ้าค่ะ <ś led> แต่ก็ตอนนี้มันพอข่าวเหมือนมีข่าวดีมาแล้วก็พอใช่ไหมคะพอมื่สองวันที่แล้วก็มีข่าวร้ายแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าวายร้าตัวใหม่มันแรงกว่าเดิมม่ะเจ้าค่ะใช่อยู่ที่แพร่แล้วอยู่ที่อังกฤษตอนนี้นี้ถ้าห้ามคน อ, อังกฤษเข้าออกนนี้ก็ไม่ให้เข้าประเทศคนเองนะ ใช่เจ้าคะ่ะน้องลิวยังบอกอคุณแม่เนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนเปิดไม่โรงเรียนจะได้เปิดหรือเปล่าเพราะครูทั้งโรงเรียนเป็นคนอังกฤษทั้งโรงเรียนแล้วกลับอังกฤษจนหมดเลยไม่รู้ว่าจะได้กลับไปเรียนจะได้เปิด<ร>ไห ม, ไมนี่คะครคูก็อาจจะไม่ได้กลับมาเขาคจม่้ใเจ้าคะ่ะเพราะว่าเพราะว่านะคะน้องลิวเขาเรียนอยู่ในเครือเคมบรด์แล้วทั้งอาจารย์ใหญ่ทั้งครูน้องลิวบอกกลับกันหมดเลยคุณแม่สงสัยไม่ได้เปิดแน่เลยโรงเรียนน่ะ ก็เลยบอกก็ดูเน no> ี๋ยวดูเจ้าค่ะเวลาเขาเรียนออนไลน์แล้วเขาเบื่อเจ้าค่ะครั้งที่แล้วพอโควิดแล้วเขาความจริงเรียนอนไลน์นี่ดีกว่าสบายแล้วก็นั่ใจใช่เจ้าค่ะโยมใช่เจ้าค่ะโยมก็ว่าอย่างนั้นแตว่าใครมารบกวนเราเราดูหน้าจอฟังครูสอนไปได้อย่างยังเราคุยกันนานเนี่ยเดียดายไม่สะดกสบาย แต่เด็กชอบชอนฝูมากกว่าชอบบรรยากาศใช่ใช่ใจ้าเขาบอกนันเองเขาบอกมันน่าเบื่อเช่ค่ะเขาบอกมันมันเบื่อแล้วก็หลายๆเด็กหลายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าก็ก็ยังบอกอยู่คุยกับเพื่อนนะเขาโชคดีที่เขาไม่ไม่ไม่ไม่ลรคซึมเศร้ากับเพื่อนเขาจ้า เปโรคซึมเศร้าก็หลายคนแล้วก็ยังบอกเดี๋ยวต้องคุยกับเพื่อนให้กําลังใจเพื่อนนะลูกอะไรอย่างเ ง, งี้ยเจ้าค่ะเขาจะบอกเขาเขาไม่เคยฝึกอยู่บ้านเขาไม่เคยฝึกจิตปล่อยให้จิตทํทาตามความอยากพอทําไม่ได้ก็เลยเกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาเศร้าโอยหนอยเหงเ า, ขางเาขาต้องออกไปเล่นออกไปทําอะไรทํานู่นทนํานี่แต่ของชาวาพุทธที่จมาฝึกนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์กัน ก็เลยจิตก็เลยมีอะไรค่อยช่วยดึงไว้บ้างใช่เจ้าค่ะหลวงพ่อเราแบบอย่างลูกเนี่ยจับดีด้วยด้วยโควิดเรารู้สึกเรามีความสุขเนี่ยพูดแล้วจากคนอื่นเขาเรารู้สึกต้องค่ะไม่ต้องออกไปข้างนอกสบายใช่ใช่เจ้าค่ะเรามีความสุขไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าปกติเราก็เจริญสติเดินจงกรมแล้วพร บ, บ้านมีหลายภูเขาใช่ไหมก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ คิดว่าน้องริวเขาก็ก็สดุดลอยไว้พาดกรรมนานกับแม่เขาเลยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่เพียงแต่หน้าเบื่อนะคุณแม่แล้วเ้าเรียนออนไลน์อยู่กับเนี้ยมันเขาก็เหมือนแบบต้องนั่งอยู่ตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาใช่คิดแลนี่นุ่นที่อาจจะอาจจะแว บ, บไปนู่นไปนี่ได้ใช่ใช่ค่ะใช่เจค่ะดีอะไรไหมวันนี้อยากจะถามแม่บ้าง จะบอกมันมันเบื่อสังขารทํายังไงเราจะฆ่าหลวงพ่อจ้าฆ่าก็เลี้ยงมันไปเหมือนเลี้ยงหมาเป็นตัวแล้วกันเทียร่างกายเป็นเหมือนหมาเมื่อมันยังอยู่ก็เลี้ยงมันไปเมื่อมันจะตายก็ปล่อยมันตายไปแต่อย่าไปฆ่ามันต้องมีความเมตตากับมันจังค่ะมันมันเหมนคนรับใช้เราเนี่ยร่างกายเป็นเหมือนคนรับใช้เราตอนนี้เราไม่ใช้มันแล้วเราก็เลยเบื่อ แต่ก็ต้ก็ต้องเลี้ยงมันไปมันไปฆ่ามันนี่แสดงว่าเราโหดร้ายทารุณไม่เมตตาก็คือบางทีมันมีความรู้สึกว่าเอ้ยเอ้ยพอเราทานอาหารอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วลูกก็จะเฮ้ยจะทานอะไรก็นักจะหนาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคหลวงพ่อก็เรื่องของเขาเขาจะกินมากกินน้อยก็เรื่องของเขาเรากิกนแ <c oughs> เรากิกนขาตเาจงเหมือนเราเหมือนเราดุตัวเราเองแล้วเจ้าค่ะ เหมือนจิตเรามันมันบอกตัวเราว่าเฮ้ยยู่จะกินอะไรกันนะกันหนาเนี่ยเราโยงก็เออนะมันเหมือนแบบเหมือนในร่างกายเราเหมือนจิตมันคุยกับร่างกายอ่ะทครั้งมันบอกกิเลสของราเนี่ยกิเลสไม่อยากจะกินมากเนี่ยตรงนี้เราแล้วลูกจะหยุดยังไงเราจะท้าหลวงพ่อเจ้าค่ะวันวันก็เดินอยู่เถาในครัวเปิดตู้เย็นเนี้อ่ะก็นึกถึงวันนัมันเข้าไปในท้องเราเป็นไงบ้าง อาหารต<อ>่งางๆที่เรากินเนี่ยเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันน่ากินไหมเจ้าค่ะงั้นเวลาอยากจะกินก็นึกถึงอาหารว่าเวลามันเข้าไปในปากแล้วเข้าไปในท้องแล้วมันเป็นยังไงน่ากินไหมเจ้าค่ะหรือเวลากินอาหารก็เอาอาหารทุกอย่างมารวมกันในชามคุกบนก่อนมันเข้ามาแล้วค่อยกินเหมือนเนือหมามันก็จะไม่กินมากมันจะกินพออิ่่นั้นเอง เจ้าค่ะหลวงพ่อ<ร>ลูกทําอยู่ตรงพ่อแล้วแบบสามีเขาก็ <c oughs> มีนานต้งแยกเจ้าค่ะแล้วแบบ <c oughs> แล้วลูกก็บอกเขาว่าเดี๋ยวมันก็ไปรวมกันอยู่ในท้องทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาก็เขาก็เขาไม่ได้หรอกมัอย่าไมเทียวกันเขาย่งเจ้าค่ะบางทีค่ะบางทีเราก็ต้องเงียบเงียบอะไรเงี้ยต้องเงียบอย่าไปขัดใจกัน เรื่องการปฏิบัติเราทำเฉพาะตัวเราคนไหนก็จะไม่ยอมไปพูดไม่ได้พวกนี้เดี๋ยวก็หาเราบ้าใช่ใช่พอใช่สักกาใช่แล้วคเพราะว่าเพราะว่าบางทีเราบางทีก็ก็สติก็กลับมาเอ้ยมันไม่ได้นะจะให้เขามามาทำอย่างเราไม่ได้แค่แบบเขาสาธุก็โอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เขาไม่ขัดเราเขาในการเขาส่งเสริมเราไม่ไม่ขับเราก็โอเคแล้วหรืออย่างงี้ยค่ะก็เราจะไปให้เขามาทั้งหมดเลยมันไม่จ่ายแบบนี้ใช่ต้องกินตอนนี้เราอยู่คนเดียวอย่าไปกินแล้วกับคนอื่นเขยวมาเข้าเข้าเห็นแล้วก็จะทุเรศ <laughs> สมเพ <laughs> <laughs> ็ก็ลูกก็ฝึกตัวเองนะคะก็ก็ <laughs> <laughs> ก็ลองฝึกตัวเองแล้วก็คิดว่าเออเราอยู่วัดนะคิดว่าเราอยู่วัดแล้วก็ก็ ก็ลองทําว่าเออแต่ก็<ม> ก, ก็ได้ครับเพราะว่าเราโยงคอยปฏิบัติแล้วที่ที่ยังกินอาจารย์ก็ให้คุก็ือเนี้ยฮะก็ก็ทําได้ผ่านมาแล้วแล้วก็มันก็เลยก็เลยมันเหมือนง่ายละได้ถูกฝึกมาแล้วก็<อ>มางครับบางครับให้มันกินตามเวลานอกเวลาเดี๋ยให้มันกินเข้าใจไหมถึงไม่อยากจะกินก็อวอกยังไม่ถึงเวลาก็อยากกินมีเด็กมากเลย I don't know. sorry. d t know. I'm s r r y I d I'm r I don't know. s don't k m s y I don't know. I'm sorry. I don't know. I'm sorry. I don't know. I'm sorry. I don't k น o w y I d r r o m r r y d s r I s t m n k s y o n o r d o n s y n w s y t r n k y o n t o r d o n s o s t k n n k y o o r d s s กราบสาทูสาทูน้อมรับพรเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะสาธุสาทูเจ้าค่ะท่านต่อไปเด็กชายพิรษิตขอข้ามประโยคไปก่อนก็ข้างำลังสวดมนกันอยู่นะเชิญคุณชื่ออะไรเด็กชายพิรษิตอุญจิตคําค่ะ เอคุณชื่อพิรศิดะเราไม่ใช่ลูกค่ะใช้ในนามของลูกค่ะพระอาจารย์ธมัสกดิพระอารระจารย์ค่ะคุณชื่ออะไรนะจําหน้ า, มาไม่ได้ชื่อมาลีค่ะชื่ อ, อมาลีอยู่ที่ไหนตอนนี้หนูอยู่คอนโดแถววุฒากาศอะค่ะพระอาจารย์ใกล้มารวัตรใช่ไหไม่เคยค่ะพอดีหนูเ<ม>พิ่งมาฟังเทศพระอาจารย์แล้วมันรู้สึกว่ามันเหมือนมันสว่างโคงขึ้นมาหนูฟังได้เมื่อวานกับวันเนี้ยค่ะที่เปิด เฟซบุ๊กอะคะอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ตามเห็นบอกว่าจะไม่มีเทศใช่ไหมคะจะไม่ไร้สดก็เลยมาลองเปิดซูมดูอะคะาาอ่ะพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยหนูมีคำถามคือว่าหนูปฏิบัติก็คือสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็รักษาศีลแล้วก็ถวายทานมาหลายปีแล้วคะ่ะแล้วทีเนี้ยตอนหนูยังไม่ค่อยเข้าใจว่า ตอนแรกอนะหนูปฏิบัตินั่งสมาธิหนูเข้าใจว่าเป็นวิปัสนาค่ะพระอาจารย์ mm hmm. และทีเนี้ยหนูเพิ่งมาเข้าใจไม่ไม่นานเนี้ยค่ะประมาณตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะหนูก็เพิ่งมารู้ว่าวิปัสสนากับ mm hmm. กั บ, ก, บกับสมาธนะิน่ะมันคือคนละอย่างใช่ปะคะใช mm hmm. ่แล้วแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอหนูมาปฏิบัติเนี่ยหนูก็มามาฝึกภาวนาพุโทโธใช่ปะคะแต่ว่ามัน mm hmm. ไม่ไม่ค่อยสงบพอพอเหมือนมันพอ พอนั่งไปเสร็จเนี่ยมันจะมันจะแบบแวบเรื่องอื่นหนูก็กลับมาพุโทโธพุโทโธใช่ปะคะแต่ว่าแต่ว่าพอพอเริ่มจะสงบเนี่ยหนูยังสงสัยว่าจะเดินปัญญาเนี่ยคือเราคิดณนะตอนนั้นแต่ว่ามันเหมือนกับห้ามห้ามเราคิดใช่ไหมคะตอนเช้ไม่ควรจะคิดอะไรตอนที่เราทําสมาธิต้องแยกเป็นเป็นตอนตอนแต่ตอนทําสมาธินี้ต้องการหยุดคิด ให้จิตนิ่งให้จิตได้พักผ่อนให้จิตมีพลังนะแล้วถ้าจะคิดเราให้ออกมาจากสมาธิก่อนหมายถึงว่าตอนที่ออกนี่คือเราเลิกเลิกนั่งแล้วใช่ไหมเลิกนั่งก็ได้นึกเลิกออ ก, อกอจิตเวลามันเลิกสงบจะยานั่งต่อเราคิดทางปัญญาต่อก็ได้หนึกลุ ก, ลกขึ้นมาเดินก็ได้แล้วก็คิดได้แต่อาจหมายถึงนะิดเดียวนะคะถ้าตอนสมมติว่า เราเราไม่เรานั่งขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยคะ่ะตอนเราเรานิ่งเราสงบแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือสักถ้ามันสงบก็มันก็คิดไม่ได้เาม่ได้ย<อ>ถ้าคิดได้ก็แสดงว่ายังไม่สงบอ๋อค่ะอาจารย์ยังก็งนั่ ง, น, งนั่งดูลมต่อไปพูดโทรต่อไปจังกามันจะสงบพอสงบแล้วมันคิดไม่ได้ถ้าเป็นสมาธิจริงๆนะมันคิดไม่ได้ค่ะมันจะสักแต่ว่ารู้ ถ้ายังคิดได้ก็แสดงว่ายังไม่สงบอค่ะพระอาจารย์งันอย่าไปคิดเวลานั่งสมาธิต้องการหยุดคิดต้องการให้เป็สมาธิค่ะค า, าว่าสมาธิก็คื อ, ค อ, คอจิตนิ่งจิตหยุดคิดค่ะพอจาจารย์ก็คือให้นิ่งให้สงบแล้วพอออกจากสมาธิแล้วถึงค่อยมาพิจารณาใช่ไใช่ใช แล้วการที่พิจารณาทางปัญญาเนี่ยถ้าหมายถึงว่าพิจารณาเกี่ยวกับตัวเราใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เกี่ยวกับสิ่งที่เราที่เราเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดอ๋อที่เราเกี่ยวข้องก็คือว่าให้<อ>เห็น<อ>เป็นของที่เรารักเราชอบของที่เราหวงห่วงเนี่ยต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยง <ขา S 2> ต, ต้องมีการพัดพากจากกันวันใดวันหนึ่งค่ะพระอาจารย์ถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ แล้วหนูเห็นตัวหนูเนี่ยหนูไม่ชอบอ่ะพระอาจารย์หนูเห็นบางทีมันก็รู้สึกว่ามันน่าเกียดอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์แล้วแล้วเสร็จแล้วหนูจะคิดอยู่ตลอดว่าไอ้ชีวิตเราเนี่ยมันเหมือนกับผักเหมือนกับผลไม้เนาะมันมีแต่นับวันจะเหี่ยวลงไปจะเน่าลงไปอะไรเงี้ยพระอาจารย์หนูชอบคิดแบบนี้พระอาจารย์ก็ถูกต้องนะมันก็ความจริงก็เป็นอย่างนั้รนร่างกายไม่วา่าของใครเหมือนกันหมดค่ะพระอาจารย์ต่อไปร่ากายเป <Okay. S 2> ็คนแก่ คนเจ็บไข้ได้ปวแล้วกากลายเป็นคนตายไปค่ะพระอาจารยนนน์นี่ก็พิ็นเจนอาได้นี่ก็วินี่ก็วิปัสสนาอ๋อค่ะใระอาจาแล้วแล้วหนูปฏิบัติมาแบบเนี้หนูเดินถูกทางแล้วใช่ไหมครับว่าถูกทางถ้าพิจารณาว่ามันเป็นไม่เที่ยงไปยึดไปติดมันจะทําให้เราทุกข์เพราะมันไม่ได้เป็นของเราสักวันหนึ่งมันจะต้องจากออกไปค่ะพระอาจารย์ ท, ทุกอย่างนอกจากร่างกายแล้วร่างกายคนหนึ่งก็เหมือนกันร่างกายของสามีภรรยาของพ่อของแม่ของบุตรของที่ดาก็ต้องพิจ้ามาหมดเลยค่ะพระอาจารย์คนเกิดแล้วต้องแก่เจ็บตายด้วยกันค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่มีข้อยกยเว้นนอกจากคนได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองก็เหมือนกันไม่เที่ยงเหมือนกันค่ะพระอาจารย์สวรรค์มันก็ต้องพังแล้วต้องเสือ่อมต้องเสียแล้วต้องจากกันไป ต่ อ, หอให้ใจปล่อยวางทุกอย่างแต่ไม่ได้ให้ทิ้งอยู่กับมันได้แต่อย่าไปยึดอย่าไปติดกับมันถึงเวลาจะต้องทิ้งก็ต้องทิ้งได้แต่ยังไม่ถึงเวลาก็อยู่กับมันใช้มันไปได้เราจะไม่ทุกข์ถ้าเราพิจนะารณาและใจเราจะไม่ทุกข์เวลาที่เราจะต้องจากกันค่ะอาจารย์แล้วหนูมีคำถามเรื่องเรื่องที่ว่าถือสิ่งแปนะคะพระอาจารย์คือหนูปฏิบัติตอนเช้าหนู ก่อนไปทํางานหนูก็สวดมนต์ไหว้พระรับสินห้าแล้วก็ไปถวายทานแล้วก็ไปทํางานแล้วก็หนูทํางานบัญชีอยู่อยู่บริษัทแถวสาธร น, นี่ค่ะพระอาจารย์เลิกก็บางทีก็ค่ําแล้วหนูกลับมาหนูก็เหนื่อยมาแต่ว่าหนูก็พยายามปฏิบัติทุกวันสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติ สมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยหนูฟังพระอาจารย์เทศนะคะที่บอกว่าถ้าถ้าคนเราไม่อยากเวียนตายเวียนเกิดใช่ไหมคะปฏิบัติแค่ศีลห้าเนี่ยมันก็ได้แค่กลับมาแค่บเขาเรียกอะไรทบมนุษย์ใช่ไหมคะมพรนนะค่ะแล้วทีเนี้ยหนูหนูก็เลยมาเริ่มว่าเออหนูกลับมาดึกหนูมากินข้าวค่ําแล้วก็แต่ว่าไม่ได้แต่งตัวไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยเพิ่งจะเริ่มมาได้ประมาณว่า อาทิตย์ที่แล้วหนูไปบอกแม่ว่าหนูจะไม่กินข้าวตอนเย็นแล้วเพราะหนูไม่ไม่อยากมาเวียนเหมือนที่พระอาจารย์สอนอ่ะหนูฟังแล้วหนูรู้สึกว่ามันมีแสงสว่างเข้ามาในใจหนูเันี้ยพระอาจารย์และและทีเนี้ยแต่ปัญหาของหนูคือว่าเออต้องกินข้าวก่อนเที่ยงใช่ไหมคะพระอาจารย์คือการถือศีลแปดนี้มันเอาไว้ใช้สาหรับเวลาที่เราไม่ทํางานเวลาที่เราอยากจะไปปฏิบัติแบบทั้งวันนี้ ให้ไปถือศีลแปดเพื่อเราจะได้เอาเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่ศีลแปดห้ามนี้ไม่ได้เราจะได้มีเวลามาปฏิบัติทำได้แล้วการไม่กินมากมันจะทำให้เราไม่ง่วงนอนไม่ขี้เกียจใช่ใช่ค่ะอาจารย์อยันนี้เหม้วถ้าเรายังทำงานอยู่ก็อย่าไปกังวลกับศีลแปดเลยเพราะมันไม่เวลาเราจะมาปฏิบัติมันมีไม่มากอยู่แล้วกลับมาบ้านก็นเหนือ่อย งั้นอันนี้ไว้สําหรับทําวันที่เราหยุดทํางานได้เย็นวันไหนเราหยุดทํางานเราถือสิ้นแปดแล้วก็ปฏิบัติทำทั้งวันเลยอย่าไปทําอย่างอื่นอ๋อได้ค่ะเข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจแต่วันธรรมดาไปทํางานก็ถือสิ้นห้าก็พอหรือถ้าอยากจะควบคุมการกินก็กินให้มันน้อยด้วยอย่าลองหันไม่กินข้าวเย็นก็ได้แต่มันก็มันก็มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรมากนอกจากเป็นการฝึกหัดกินไม่ไม่กินข้าวเย็นไปก่อน พอถึงเวลาที่เราจะถือศีลแปดจริงๆเราจะได้รู้สึกไม่ไ ม, ไม่ไม่ยากเย็นอะไรค่ะพระอาจารยแต่หนูลองวันหนึ่งวันไม่ไม่กินข้าวเย็นพระอาจารย์แต่หนูรู้สึกว่าหนูนั่งแล้วมันรู้สึกดีกว่าที่เรากินข้าวค่ะพระานนอาจารย์แน่นอนเพราะเวลากินข้าวแล้วมันหนักท้องมันหนังตาหนังท้องตึงหนังตามันจะหย่อนนะมันเหมือน มันเหมือนเรามีเหมือนเรามีเขาเรียกอะไรคะมันมีสมาธิในการปฏิบัติที่มันยาวนานขึ้น <ผม S 1> ตัวจ้ามีสเตนยิ่งขึ้นใช่ใช่ค่ะอาจารย์ไม่ง่วงเงาเมานอนค่ะแต่แต่ว่าหนูติดตรงที่ว่าถ้าหนูปฏิบัติอย่างสมุูรวันธรรมดาอย่างเงี้ยคะ่ะที่หนูทํางานแล้วทีเนี้ยงานหนูอ่ะมันมันจะมากินข้าวแบบไม่ได้มันหลังเที่ยงหนูก็เลยยึดแค่ว่าหนูจะกินข้าวแค่สองมื้อคือเช้ากับ กับกลางวันและพอหลังจากนั้นหนูก็ไม่กินอะไรเลยแล้วหนูพอมาปฏิบัติแบบนีงหนูรู้สึกว่ามันมันมีสติดีดีค่ะพระอาจารย์ได้ถ้ามันช่วยการปฏิบัติก็ใช่ได้หรือเราเอาจจะเลือนเวลากินคือหลังเที่ยงไปหนึ่งชั่วโมงห่อยไปไหนเพราะเราพักเที่ยงแล้วกินหลังเที่ยงเลื่อเวลาเออก็ยังเหมือนกันเหมือนกับถือสิ่แปลกเพ็่อนอาจรเลื่อนเวลาไปสักชั่วโมงหนึ่งเพราะไม่สะดวกที่จะกินก่อนเที่ยงค่ะพระอาจารย์ แล้วแล้วที่บอกว่าไม่นอนที่นอนนิ่มที่นอนสูงเนี่ยพระอาจารย์คือไม่ไม่เรานอนเตียงสํารานเตียงที่สุขสบายให้เรานอนเตียงเตีย ง, งแบบเรียบง่ายเห็นเป็นพื้นไม้พื้นหยาบพื้นปูนเนี้ยนอนกับพื้นปูเสือปูผ้าก็พอมันจะได้นอนไม่มากเข้าใจไหม ถ, ถ้าเตียงสํารานมันนุ่มมันสบายมันจะนอนมาก หนูหนูก็นอนไม่ได้พระอาจารย์แล้วที่บ้านเขาก็ว่าหนูว่าแปลกทําไมหนูไม่นอนเตียงมีที่นอนดีๆก็ไม่นอนแล้วก็ไม่อยากจะนอนนี่ก็บอกเขาแบบไม่อยากจะนอนมากหนูก็นอนแค่พื้นพื้นกระดานแข็งๆหมอนนี่แหละอยากจะลุกขึ้นมานั่งสมาธิใช่ใช่หนูหนูบอกว่าหนูนอนที่นอนเตียงเงี้ยหนูก็นั่งสมาธิไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันยวบยับยืบยับอะไรเงี้ยค่ะ คือหนูก็ใช้ตอนนี้หนูอายุ49หนูปฏิบัติมาแบบนี้หลายปีแต่หนูเพิ่งจะมาเหมือนเพิ่งจะมาเนี่ยฟังพระอาจารย์แล้วมันเหมือนเห็นทางสว่างอะไรเงี้ยหนูก็ดีใจแล้ววันนี้หนูลองกดเข้ามานะหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาถามม า, มาถามปัญหากับพระอาจารย์หรืป่าพระอาจารย์เรียกธรรมะจัดสรรถ้าเราสนใจธรรมะเดี๋ยวธรรมะมันพาเราไปหาธรรมะ หนูยังคิดว่าหนูจะไปเมืองชนได้ยังไงแต่จริงหนูมีน้องชายอยู่ที่พานทองคะอ่ะพระอาจารย์ก็ถ้ามีโอกาสหนูจะไปกราบพระอาจารย์ที่ที่วัดนะค ะ, ะแต่าาช่วงนี้มาไม่ได้ช่วงนี้ปิดใช่ใช่คะ่ะคก็เดี๋ยวรอให้มันสะสะให้มันปลอดภัยกันค่ะพระอาจารย์แล้วหนูถามอีกนิดนึงค่ะพอดีหนูมีลูกเป็นเด็กพิเศษนะคะพระอาจารย์แล้วทีเนี้ยบางครั้งอหนูก็เครียดกับเขา คือเหมือนกับว่าอารมณ์เขาจะแปรปวนแล้วทีนี้งานเราก็ต้องรีบโรงเรียนก็ต้องไปอะไรเงี้ยเราก็อย่าไปเราอย่าไปบังคับเขาเราต้องเราต้องทําทําตามสมรรถภาพของเขาค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนหมาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เราก็ต้องเลี้ยงเขาไปตามแบบตามสภาพของเขาเขาทําได้มากได้น้อยก็ต้องปล่อยก็ทําไปตามเรื่องของ ก็คือต้องมาแก้ที่ใจหนูเองใช่ใชเราอย่าไปบาง<ๆ>เราอย่าไปอยากให้เขาทําตามเราค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์เนี่ยหนูฟังฟังมาสองสามวันแบบืหูหนูสุดดีใจแล้ววันเนี้หนูก็เลยบอกว่าลูกเปิดเปิดพระให้แม่ฟังหน่อยเขาก็เปิดเขาบอกว่าหลวงพ่อไหนอะไรเงี้ยบอกว่าพระอาจารย์สุชาติเสร็จแล้วเขาก็มา มาเปิดให้ถูกด้วยพระอาจารย์แล้วเขาก็บอกแม่เหมือนจะขอดูอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้เขาหลับไปแล้วค่ะบพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ขี่ขวบแล้วโอเคขบแล้วสิบห้าปีแล้วค่ะพระอาจารย์แต่มีมีปัญหาทางจิตทางจิตนะไม่ค่ะเหมือนเขาเรียกช้าค่ะพระอาจารย์ใช่ใค่ะช้าแล้วก็สมาธิสั้นนิดนึงอ่ะค่ะพระอาจารย์แต่ว่ายังเรียนได้ยังพอทําอะไรได้พอพอได้คือเขารู้เรื่องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างแต่เขาบอกหนูว่าเขาไม่อยากเรียน ก็อย่าไปบังคับเขาค่ะอาจารย์คือก็ต้องพยายามโน้มน้าวเขาบอกเรียนมันดีกว่าไม่เรียนนะอะไรแต่ถ้าก็ไม่เรียนไม่อยากจะเรียนอย่างนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะอาจารย์ต้องพยายามโน้มน้าวเพ้าว่าเรียนดีเขาจะได้ครึ่งตัวเองได้ค่ะอาจารย์ได้ค่ะอาจารย์โอ้ดีใจมากๆเลยอาจารย์ ดีโอเคก็ติดตามได้นะจะมีทุกทุกอาทิตย์ทุกวันพุธเนี่ยทุกทุกวันพุธจะเป็นสองทุ่มสองทุ่มยังไม่แล้วก็ติดตามแล้วก็ตอนบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงมีถ่ายข้าสดแต่บางวันก็จะเป็นของเก่ามามาเป็นทีมมามาถ่ายทอดไ่ แล้วแล้วที่พระอาจารย์เทศบางทีก็เป็นบนเขากับกับที่กุฏิอันนี้คือที่บนเขามันอดีตเนี่ยกตอนที่ก่อนยัเกิดโรคระบาดไปอยู่บนเขาที่พอ พ, อ, พอเกิดโรคระบาดก็เลยย้ายลงมาอยู่ที่กุฏิข้างล่างาพระอาจารย์ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างเพราะบนเขาไม่สะดวกที่จะให้ญาตโยามขึ้นไปเป็นมากมากพระอาจารย์แต่ตอนนี้ที่นี่ก็ไม่สะดวกให้มาเหมือนกันเพราะมันโรคระบาด <laughs> กำลังงดไปก่อนช่วงเขาไม่นานแล้วมงคงจะหลังจากเรื่องราวมันราไปลงแล้วซาลงแล้วก็กลับมาเทศได้ต่อก็ไม่เป็นไรถ้ายังไม่ได้หนูก็ฟังทางทาง youtube หรือทางเฟซทาง o k ไรงี้ไปเนี่อสองหน้าเนี่ยเข้าไปได้แล้วมีธรรมะให้อ่านอยู่เรื่อยมีธรรมะเยอะๆหนูอยากได้หนังสือไปดาวโหลดได้จากหน้าเว็บไซต์พาสุชาติ com หนังสืออะไรนะคะมหาเศรษฐีที่แท้จริงนะคะพ่อจนเออเนั้อยู่ในเว็บไซต์พรสุชาติ d o com อ๋อโหลดได้ใช่ไหมคะโหลดได้ดาวน์โหลดเป็นหนังสือ e-book มาอ่านได้อ่านในมือถือก็ได้อ่านในจอแต่ตัวตัวหนังสือที่เป็นกระดาษตอนนี้หมดแล้วจาก าจค่ะไม่เป็นไรพอดีหนูเพิ่งเข้ามามาเห็นแล้วก็หนูหนูอ่านไปได้ตรงไตเต้ลนิดเดียวอะค่ะหนูก็เลยว่าอยากอยากจะอ่านค่ะมีเรื่อใหม่ซึ่งเป็นเป็นเป็นประวัติเหมือนกันที่เรียกว่าเปิดใจเปิดธรรมอันนี้จะจะกว้างกว่าจะมีเรื่องเพิ่มมากขึ้นอ๋อเปิดใจเปิดธรรมอยู่ในอยู่ในเว็บไซต์เหมือนกันดาวน์โหลดลงมาได้เหมือนกัน ขอบอาจารย์อันนีเน้เป็นเล่มเป็นเล่มมาเป็นเป็นเป็นเล่มที่สองอัปเดตจากเล่มที่แรกมาเสร็จทีนี้เป็นเล่มแรกแล้วเข้ามาเพิ่มเติมข้อมูลเป็นเปิดใจเปิดทําค่ะเข้าไปาที่พระสุชาต com แล้วก็มีหนังสือให้ดาวน์โหลดได้ได้ค่ะขอบอาจารย์โอเคนะีพยายามมาถูกทางแล้วพยายามปฏิบัติเพื่อให้มากขึ้นคร้บที่เราจะทําได้ แต่อย่าไปทำให้คนหนึ่งเขเดือดร้อนก็นแล้วกันนะที่อยู่กับเขาก็ต้องก็ต้องอย่าไปทำให้เขาเดือดร้อนข อ, ขอบคุณค่ะสาธุสาธุค่ะยินดีกลับมาหาเด็กๆหน้ารนะับใ <ขอ S 1> บ ย, ยกใบหยกเปิดไม้ได้แล้วเมื่อกี้เห็นโสดบ น, นอย่เลยไม่อยากจะรบกวนน้านาชการครับน้มราชการดีดีง่ายจ ใบหยกภูษาเหลยภูษาวันไหนภูผาครับภูษาผู้ชายนั่ลู ก, ห ม, ลกหม้ลูกไม้ลูกไม้ลูกค้าลูกหม้คนกลางนะอันนี้ถีมาค่ ะ, อ, ะอยู่ครับเป็นไงครับมีอะไรไหมวันนี้อยากจะมีอะไรนะ้าเล่าให้หนูตาฟังหรือบบเปล่าเอ่อมีแ่งก็คือหนูมีคําถามก็คือว่าการนอนหลับจะทำให้หัวใจสุดใจ ใ, ใกลใ้ๆหนยไม่ก็จะเย็นเสียง โอเ ค, อเคการาระลึกถึงทำให้ทําให้จําขึ้นใจคือการบังคับให้ใจเราเระลึกสิ่งนั้นหรือว่าต้องให้ใจเราคิดเองนะคะก็ถ้าไม่บังคับมันมันก็จะไม่คิดไงใจน่ะชอไปคิดถึงเรื่องไร้สาระต่างๆแล้วเราต้องมบังคับให้มันมาคิดในเรื่องที่เราเป็นคุณเป็นไประโยชน์กับเราเช่ไหมแล้วก็จะมึงพูดโทรพูดโทรพูดโทรอยู่เรื่อยๆ ยกมือขึ้ น, นลูกเวลาสุจรแล้วก็คำถามที่สองก็คือว่าคําว่าไม่ควรวงมงายแบบไร่หีดผลมันหมายความว่าอะไรหรอคะเพราะว่าหนูค่อนข้างสับสน อ, อ๋อคํา ว, งง า, าว่างมงายใครก็บอกว่าอะไรก็เชื่อมันหมดใครก็บอกหมาตัวนี้เป็นแมวก็เชื่ออย่างเงี้ยเราต้องดูว่ามันเป็นแมวจริงหรือเป็นหมากันแน่ <laughs> ไม่ใช่ใครเข้ามาบอกอะไรก็เชื่อเพราะว่าหมาอห ม, มาตัวนี้วิเศษไหวมันแล้วมันจะให้ให้เราเรียนเก่งงี้ก็อย่าไปเชื่ออะไรอย่างนมันงงง่ายแล้วไม่มีเหตุผลเราจะเรียนเก่งไม่เก่งอยู่ที่เราดูหนังสือก็ไม่ดูหนังสือใช่ไหมไม่ใช่อยู่ที่ว่ามาไปไหว้หมาแล้วหมามันจะทําให้เราเรียนเก่งหรือเปล่าอย่างนา้นเรียกว่า ง, งงง่ายต้องมีเหตุผลเข้าใจไหม ่อคนี่นคนนนคะค่ะอันนี้เป็นคาถามที่ดู ก, กับแม่สุกใสเหมือนกันตอนที่สวบมวลนะคะแต่ว่าาสิก็คือพระอริยบุคคลแปดคืออะไรเหรอคะคือพระอริยบุคคลที่มีสี่คนสี่ชั้นพระโสดาบันพระสกิราคามีพระอานาคามีพาาระอรหันต์มีอยู่สี่ชั้นสี่คนแต่ก่อนจะเป็นพระ อาลี yah ได้ต้องเดินทางของพระอาลี yah ก่อนเดินขึ้นบันไดเขาเรยกมักก่อนแล้วก็เลยเอามักนี้มาร่วมคนที่เดินขึ้นบันไดก็เริ่มเป็นพระอาลี yah แล้วอะไรนะแปดแปดแปดแปดแปดคู่แปดแปดเป็นฉีคู่แปดแปดคนไงโสดาปฏิมากโสดาปฏิมากแล้วก็โสดาปฏิผลก่อ น, นเะก่อนจะได้ผลของโสดาต้องเจริญมักก่อน มาก่อนค่ <S <S ะเจริญมากขึ้นคือทา่า <laughs> คือศีลสมาธิปัญญาไงต้องปฏิบัติทําก่อนต้องปฏิบัติศีลสมาธิแล้วก็จเจริญปัญญาที่ในระดับของพระสวสดาบันพอพอเข้าใจปล่อยวางแก้ปัญหาได้ก็บรรลุเป็นพระสวสดาบาลได้ก็เรย่องมันสอบเนี่เรียนชั้นป .1 ป .2 ก่อนก่อนจะขึ้นขึ้นป .2 ได้ต้องสอบก่อนใช่ไหมก่อนจะขึ้นขึ้นป .2 ได้ต้องเรียนก่อนใช่ไหมเรียนป .1 ต้องเรียนปอนแ่งแล้วก็สอบพอสอบสำเร็จก็จบจบปอหเนี่ยอันนี้ก็เหมงอนก่อนจะเป็นพระโสดาบันได้ก็ต้องเรียนว่าการจะเป็นสโสดาบันต้องทําอย่างไร <naj azing S 1> แล้วก็พอพอเรียนเสร็จก็ไปทําข้อสอบพอทําสอบได้ได้คะแนนผ่านเขาก็ให้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเจ๊ยามยัง เอา้าวจริงเหรอถามว่าอะไรคะทำไงพูดยังไงพูดกังทำไมถามไปสิถามไปสิไม่รู้ว่อะไรพูดดังๆหนูอย่าา<ำ>มมันมีร<ำ>ูท้ทำไมคนที่รีรักษาศีลแปดต้องนอนที่แข็งๆคะเพราะไม่ต้อง่ายให้นอนมากเนย ถ้านอนที่นุ่มนุ่มมันจะนอนมากเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิถ้านอนที่แข็งแข็งมันจะนอนไม่มากเพรมันไม่สบายมันก็จะได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิได้อาจจะเรียแ hmm. ต่ทุกครั้งหนูก็เคยไม่ใช่หรอนอนที่แข็งแข็งเนี่ยเสี่ยนแต่หนูเแล้วไม่ใช่หรอแต่ว่ามีผ้าห่มกับหมอนผ้าหํากันเน่าๆไม่ได้แล้วนะห้องผม อย่านอนสบายเกินไปนอนพอให้ร่างกายหลับก็พอพอมันได้พักพอแล้วก็จะได้ตื่นขึ้นมาแล้วพอมันไม่สบายก็ได้ลุกขึ้นมานั่งสมาธิแตใมม่ในช่วงพอาการยายโยมยมเนี่ขอเม่ตาในช่วงเด็กติดเทอมนี้ขอพ่อพ่อแนะนำให้เด็กๆปฏิบัติตัวอยู่บ้านะจะได้เข้าในทางอยู่บ้า น, าานก็ น, นี่แหละ ก็ยังต้องทำการบ้านทำเน้นดูหนังสือต่อไปอย่าเล่นอย่างเดียวการบ้านทำเสร็จแล้วค่ะก็ดูสาหรับเทอมหน้าเนี่ยดูวิชาตามๆอ่านไว้ล่วงหน้าก่อนดูไว้ก่อนจะได้จะได้เก่งกว่าเพื่อนเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าไม่มี<อ>ก็ไม่ถ้าไม่มีให้อ่านก็ไม่เป็นไรกห็หาวิชาความรู้อย่างอื่นได้หาอ่านหนังสือที่มีวิชาความรูย้ยาวแต่เล่นอย่างเดียว อะไรต่างๆค้นหาไดนะ้ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เราอยากจะรู้อะไรก็ค้นหากันไปหาเอาวิชาเอาเวลามาหาวิชาความรู้อย่าเอาวิชาไปเล่นไปเที่ยวเยเล่นบ้างเที่ยวบ้างได้แต่พอเป็นการพัพผ่อนเป็นการเปลี่ยนอารมณ์อย่าอย่าเอาแต่เล่นจัดเที่ยวอย่างเดียวเราต้องสนใจศึกษาต่อไปอันไหนที่เรายังไม่รู้อยากจะรู้เช่นเรา เรื่ออะไรที่เรายังไม่ได้เรียนเราอยากจะเรียนเราก็เรียนก่อนก็ได้ไม่ต้องรอไปที่โรงเรียนให้ครูเขาสอนก็ได้สมัยนี้แต่ตอนนี้บวกแล้วบวกลบบวกลบกคูณหารได้ยังได้ค่ ะ, ะได้แล้ว <laughs> ก็ลองมาเรียนตีโกนต่อเขามีตีโกนมีอะไรเนี่ยมีมีอัลจีบรามีอะไรเราไปหัดเรียนดู <laughs> ผู้จัดารสายอารมณอยากขอเมตตาปุึกษาเรื่องโรงเรียนลูกค่ะพอดีใบหยกําลังจะจบป .6 แล้วแล้วก็กําลังจะเข้าสู่ม .1 น, น, นะคะแล้วพ่อบ้านนะคะถามีเขามีความเห็นว่าอยากให้ลูกส่งลูกสาวไปเรียนที่โรงเรียนปัญญาประที่อำเภอตากช่องของผู้จัดการยิลป์สาโรูอ่ะขอโทษค่ ะ, ะที่มีผู้จัดการศิลป์สารูเป็นประธานที่ปรกษาเมตตานะคะคือเป็นโรงเรียนที่สอนเกี่ยวกับ เรารู้จักเรารู้จั ก, จกมีลูกสเสร็จก็สองลูกไปรเรียนอยู่ค่ะแต่ว่าทีนี้สามีให้ผลเห็ุผลโยมว่าลูกประเยนที่นั่นจะได้มีฝึกเรื่องของทางทางแล้วก็ทางโลกไปด้วยในเยี้งค่ะออแล้วทีนี้คนจะได้มีหลักใจในความคิดเห็นของโยมโยมโยมงใจโยมกลงมุงทํามคิเห็นหมดทั้งหมดนะคะแต่โย ม, มความรู้สึกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกเองแล้วก็มาศึกษาทําหน้าแบบเนี้ยเราไม่สามารถทําให้ลูกมีหลักใจได้หรอคะ อ๋อได้อยู่ที่เราที่บางทีบางคนพ่อแม่นให้เอาใจลูกมากเกินไปก็ทําให้เรยลูกเสียนิสัยได้แต่ถ้าเรามีหลักมีเกณฑ์มีอะไรคอยควบคุมบงังคับก็เหมือนกับอยู่โรงเรียนกินนอนเหมือนกันอยู่ที่คนสอนน่ยมันไม่ได้อยู่ที่ที่ไหนหรอกส่วนใหญ่เวลาเวลาเด็อยู่กับพ่อแม่เด็กจะอ้อนจะอะไรแล้วก็จะทําให้อ่าทำใไม่ทําในสิ่งที่ควรทําทําในสิ่งที่ไม่ควรทํา อาจารข์คแล้วที่โยมพารูปแบบเข้าวาบบาบบาัดกลับกลับมาการฟังเทศฟังธรรมก็ถูกแบบก็ถูกก็ถูกเราแบบที่ที่โยมทาอย่าง น, นี้มันเพียงพอไหมคะหรือว่าก็อยู่ที่เราถ้าเราดูก็ดูเขาเสียว่าเขาเป็นยังไงก็ก็ไปิดพุทตัวเ้าดีหรือไม่ก็บางทีก็สนของอาจารย์บางแต่ว่าโยมก็พานั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันแล้วก็พยายามเปิดฟังตอนที่นั่งสมาธิก็เปิดให้เขาฟังธรรมะไปด้วยก็ ปฏิบัติทุกวันแป่ยมไม่รู้ความรู้ว่าเขาเข้าหน้าแค่ไหนเนี่ยดูดูดูอย่างอื่นนดูเขามีวินัยไหมเขาช่วยตัวเองได้ไหยทําอะไรเองได้หรือเปล่าให้หเขาหัดทหน้าปัจจุบันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างกับอาจารย์ก็ต้องฝึกให้เขาหัดทำอะไรเองได้ถ้าเขาทาได้ปล่อยเขาทําไปอทําให้เขาให้เขามีเวลารู้เวลาตื่นเวลาหลับอะไรแถบ น, นี้ยต้องทุกอย่างต้องมีกฎมีระเบียบถ้าไปอยู่ในกีนาก็จะมีกฎ ตื่กี่โมงกินข้าวกี่โมงทําอะไรกี่โมงก็จะมีตารางไว้หมดเลยเราก็ลองทำตารางดูแล้วโรงเรียนปัญญาประทีปอาจารย์สอเมตตาอาจารย์แนะนำโยมได้ไหมคะว่าสมควรพาไปเรียนไหมคะเราไม่รู้รายละเอียดหระแต่รู้ว่ามีคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ก็อส่งลูกไปเรียนก็เข้าวันดีทําให้ลูกเขาเป็นเด็กที่มีวินัยมากขึ้นนี้ เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่วยตัวเองก็ต้องไปพึ่งตัวเองต้องช่วยตัวเองถ้าอยู่กับพ่อแม่ก็จะขี้เกียจจะปล่อยให้พ่อแม่ทํานู่นทานี่ให้พ่อแม่ก็สงสารไม่อยากให้ลูกลําบากก็เลยทําโดยทําให้ลูกเสียคนไปท่านั้นแหละมันนี่มีที่เราถ้าโยมพาลูกแบบนี้แล้วลูกเลี้ยงเองอย่างเงี้ยค่ะโยมเลี้ยงเองแบบนี้ ได้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ได้ถ้าเราคิดว่าเราจะเลี้ยงเองได้ก็เลี้ยงไปไม่มีปัญหาเลยขอบคุณครัอาจารย์เพราะว่า ส, ส่วนหนึ่งก็ไม่มันไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ครูหรอกอยู่ที่ตัวลูกเองด้วยบางทีลูกเขาก็เป็นเด็กที่ฉลาดในตัวเขาเอง mm hmm. เขาไปอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็เรียนที่ไหน mm hmm. ก็ว่าฉลาด mm hmm. เขาก็ดีได้หมันไม่ต่างกันแต่เด็กบางคนนี่บางที ไม่มีความดีความฉลาดในตัวเองควบคุมบังคับตัวเองไม่ได้บางทีไปอยู่โรงเรียนที่เขามีการควบคุมบังคับให้ก็กจะเปลี่ยนนิสัยก็ได้ทําให้ข้อดีขึ้นมาได้พ่อบ้านของโยมเขามีความกังวลว่ายุคสมัยเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ทีนี้แบบคือสิ่งเล่าจากภายนอกมันเยอะมากเขากลัวว่าการดูแลของพ่อแม่อาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าเด็กอยู่ที่โรงเรียนน่ะ เล่นกับเพื่อนอยู่ในสังคมเพื่อนกลางวันมากกว่าแต่เวลากลับมาบ้านเนี่ยคือมันก็มืดละแป๊บเดียวก็ต้องเข้านอนละอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เล<อ>ยคิดว่าอาจจะไม่พอแบบเนี้ยค่ะก็ถูกต้องลองลองส่งไปดูสิไม่เป็นไรหรอดีมสมเนีจภาษาอังกฤษท่านก็มีโรงเรียนให้เด็กผู้ชายเรียนมหนึ่งถึงมสามโรงเรียนผู้รู้ยศอ ส, อสอให้มาพูดอะไรนะคะยศสแปดสอูง แต่เป็นสำหรับเด็กผู้ชายเด็กม1ถึงม3เป็นโรงเรียนกินนอนอยู่ฟรีกินฟรีเรียนฟรีทุกอย่างแต่มีวีนายต้องโอ้ผู้าไปไหมอ่าผู้านะ่ะจบได้ ไ, ไผู้พาจบมจบปอบอกเหมือนกันเหรอต้องเข้าม 1, า 1> ต้องม1ต้องม1ต้องขึ้นม1เรียนจะเข้าได้ อยู่ที่ใกล้ๆวัดเนี่ยอยู่อยู่อยู่หน้าวัดเนี่ยประมาณสักกี่โลกว่ากว่าแล้วก็จะพาเด็กเข้ามาทํากิจกรรมที่วัดทุกวันค่ะว้าผู้พาไปเธออะไรอ่ะฮะทุกวันค่ะเข้าไปที่วัดทํากิจกรรมนี้อ่ะนะเออเขจะจัดเด็กมาทํากิจกรรมที่ศาลามาประเคนของมาช่วยจัดข้าวจอดของอะไรต่างๆให้กับพระขอบคุณพระพากยการพระ ขอบคุณค่ะภูหาไปเรียนเธอที่ <c oughs> ไ, ไหนวะฮะอยู่คลื่นการวันธรรมน่ะเอแล้วสาหรับเด็กผู้หญิงนะคะผู้หญิงไม่มีผู้หญิงต้องผูออ้อยู่กับพ่อแมู่อยู่กับพ่อแม่ก็ยังภูคาประการภูหาดับประการเร็วดับประการแล้วอ่ะัามมาบประมาดาบประารอยู่ติดกับบ น, นเลยภูหาเมนี่มาดับประาร ถามแล้วคุณ ท, ทำอะไรกันวันนี้เสียเวลาให้กับเด็กหน่อยนะผู้ใหญ่คงยังไม่ลำคานะขอโทษนะคะขอผู้ให ญ, ญ่สญญาธุสญญาธุสาธุปิดไม้ถูกมาที่ท่านต่อไปคุณประวิทย์จากเดล l สเท็กซัสเชิญมีอะไรไหมคุณประวิทย์ยังเปิดไม้ไม่ได้เลยต้องเปิดไม้ก่อน m u n e I mute your microphone in the middle of the screen. Okay. The yinva, ได้ยินป่ะครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วมีอะไรไหมขอพระอาจารย์สุภาพแข็งแรงนะครับไม่มีอะไรครับมาฟังธรรมโอสฐท uh, uh. uh, ั่วทั่วโลกครับน่ชาวทั่วอันนี้เมืองไทยก็จะเหมือ น, น, นอเมริกาแล้วโลกโลกบาอีกแล้วครับได้ได้ได้ข่าวว่ากุ้ทำเหตุกุทเก็ที่นี่ก็หนักครับอาจารย์ก็ หรือว่าเป็นช่วงที่ว่าเขาจะต้องใช้อินชูลันก็ไม่รู้มาติดติดทิงสองแสนกว่าคนนะครับอแต่ตอนนี้เริ่มีมวัคซีนแล้วเ น, น, นเริ่มฉีดวัคซีนกนะันแล้วเริ่มเริ่มฉีดตอนนี้หมอพยาบาลฉีดเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ฉีดให้กับพวกเอ่ <คน S 1> อพวกพว ก, พวกไฟไฝเตอร์พวกนั้นเสร็จแล้ ว, ลวเขาก็จะมามาฉีดให้ครูอาจารย์ก่อนครับแล้วก็มาถึงพวกผมโอเคเขาจะฉีดให้กับครูทั้งหมดแล้วก็มาถึง ผู้สูงวัยครับอก็ก็ยังไม่รู้ว่าจะช่วยได้ดีแค่ไหนเพราะว่าไอ้โลกนี้มันติดเยอะเกินไปแล้วที่จะแก้ไขครับเห็นแล้วมันเป็นมันกลายพันธุ์ด้วยนะัยขอ ง, ข อ, งอันนั้นของของอังกฤษครับอังกฤษมันเข้ามาทางสเปนทางอิตาลีทางอันนั้นเขาคงแยกแ่กว่เราเยอะเพราะว่าประเทศเขามันเล็กแล้วก็มันอึดอัดแล้วก็ ผมว่าอาหารการกินเขาสู้ทางไทยหรือทางอเมริกันไม่ได้ผมว่าเขาจะมีความลบากในช่วงอากาศที่หนาวหนามากขึ้นครับใช่น่าสงสารนะรเขาหนะ้าสงสารกับเราเยอะของประเทศไทยเรามีอาหารสมบูรณ์นะจะมีป่าธรรมชาติขนาดไหนเราก็ยังมีอาหารสมบูรณ์กว่าเขาเยอะทางยุโรปนี่อดอยากมากครับผมดี เราจะได้เห็นประโยชน์เป็นบุญคุณของประเทศเรา่าประเทศเราเนี่ยของเราอู่ข้าวอู่น้ําของโลกจริงๆครับว่าจะมีอุทกภรยอะไรเราก็ยังมีกินมีใช้ครับในในยุโรปนี่จะซื้อไก่ซื้อหมูตัวหนึ่งเขาจะต้องรอคิวรอโทรศัพท์รอโค้ดยิ่งลําบากกับเราเยอะครับยิ่งรัสเซียอะไรอย่างนี้ใช่เพราะเขาอยู่ในในถิ่นที่อากาศรุนแรงหนาวมากครับ เราของของประเทศไทยเราบุญบารมีเยอะครับท่านสาธะฮะอาท่านนี้ก่อนใช่ไคุณประเวศครับผมกาบมรดกขอพระอาจารย์ส<ะ>ุภาพแข่งแรงมาเชิญนะฮะเถ่ไปท่านต่อไปคุณเคที a ด i e รชื่ออะไรนี่ไม่ใช่ชื่อของคุณอ ะ, อะโอเนวัตสกานค่ะชื่ออะไรจ๊ะชื่อเก๋ค่ะเก๋อยู่ที่ไหน๋ ทำงานอยู่ที่โรงแรมเลยในซองที่เคยพที่มาว <ไป S 2> ันก่อนใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็เมื่อวันจันทร์เก็บเก็ได้ถวายเครื่องเทมเพลเจอร์สแกนไปให้ไม่มั่นใจว่าได้ใช้ไม่เจ้าค่ะที่ฝากไว้กับพระใช่ไหมใช่ค่ะได้รับแล้วได้รับแล้วก็มอบให้พระท่านไปเพราะเราไม่ต้องใช้ก็เลยให้ท่านไป<ม>ท่านมีญาติโยมมาทมําบุญเยอะก็เลยลค่ะท่านก็ดีใจนจะได้ใช้ประโยชน์ได้ วันนี้ฝากกันบ้านให้พระอาจารย์ค่ะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนได้เรียนถามปัญหาท่านพระอาจารย์เรื่องของการวางเฉยเกี่ยวกับพนัก ง, งานที่ข่มขู่หรือว่าส่งข้อความแล้วก็โทรศัพท์มารบกวนนะคะ อ, อวันนี้ก็พนัก ง, งานเขาก็เข้ามาลาออกแล้วก็มาขอโทษเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์เออดค่ะเราไม่ได้ไปทำอะไรเขเลยการเมืองเข้าทำเราเข้าเองเนี่ ตอนคุยกันก็คือเราก็ต้องให้เขารับหนังสือตักเตือนไปแล้วก็มีการคุยกันไหลประการโดยที่โยมะไม่คือโยมเป็นผู้จัดการที่ต้องดูแลแต่ว่าโยมเปิดโอกาสให้ผู้จัดการแผนกอื่นเข้ามาจัดการให้พอ <c oughs> เราคุยกันถึงว่าให้อภัยแล้วแล้ ว, ลวก็ไม่ไม่คิดอะไรโดยได้รับการปรึกษาจากพระอาจารย์นะค่ะ <c oughs> เขาก็รีบเขียนใบลาออกเลยค่ะค่ะ ก็ถือถือว่าโยมก็ได้นำน้อมนำเอาคำสอนของพระอาจารย์แล้วก็นำาปฏิบัติค่ะแล้วก็เอาอัตราของโยมออกแต่ความจริงเป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่ที่ตัวเขาแล้อยู่ที่ตัวเราคือขอให้เราใจเย็นต้องยอมหยุดเย็นใช้สุดสามยอมยอมแพ้คือไม่ต่อสู้กันเข า, าจะายางเลยก็จะเรื่องของเขาแล้วเราก็หยุด พอเรยายอมเราก็หยุดไม่ไม่มีการดําเนินการอะไรกับเขาพอเราหยุดแล้วใจเราก็เย็นสบายรู้สึกว่าความทุกข์มันหายออกไปเลยค่ะเออนั่นแหละนะแต่ถ้ายิ่งไปราวีกันยิ่งไปต่อสู้กันก็ยิ่งร้อนขึ้นมาใหญ่ค่ะก็เดี๋ยวโยมขอโอกาสช่วงที่ทางรัฐบาลประกาศแล้วก็สามารถไปฟังทำได้แล้วโยมก็จะพาน้องๆที่ทํางานนะคะไปฟังทำจากพระาจารย์ค่ะได้ได้ได้ มองว่ากองยังไม่นานอีกสักสองสามวันทิดไม่รู้จะได้หรือเปล่าค่ะโอเคนะมีอะไรจะถามไห้วันนี้ไม่มีนะไม่มีค่ะมาฟังทำจากท่านอีกทึงด้วยค่ะเห็นท่านต่อไปคุณชลินทรอนเข้ามาสายมากวันนี้สองชั่วโมงยี่สิบกรรมนัสการพระอาจารย์ค่ะตอนนี้อยู่ไหนอยู่ที่อเมริกาแล้วอยู่ที่โดยังอยู่ที่อเมริกาอยู่ค่ะพระอาจารย์ยังกำลังเก็บกําลังเก็บกระเป๋าเลย พอเก็บเสร็จยมก็รู้สึกว่าใบเดียวไม่น่าจะพอกับพระอาจารย์ของมันเยอะแล้วก็ไม่วันนี้ยมไม่มีอะไรค่ะพระอาจารย์พอดียมได้ข่าวทางโควิดทางเมืองไทยแล้วยมก็เป็นห่วงค่ะพระอาจารย<อ>์ยมขอให้พระอาจารย์รักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะพระอาจารย์ขอให้ไม่มีสิ่งใดนะคะขอให้ทุกอย่างปลอดภัยกับประเทศชาติแล้วยมก็ขอโอกาศเมีรีคริสต์มาสกับแฮปปี้นิวเอียร์พระอาจารย์ค่ะพรยมไม่รู้ว่ายม จะได้มีอีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตอนที่ไปที่นู่นหรือเปล่า่ะพระอาจารย์ขาใช่ค่ะแผ่ไม่ได้ทุกวันเนี่ยไม่ต้องรอให้เป็นที่มาถึงปีนึงถ้าแผ่แผ่ได้ทุกวันอันนี้เป็นโอกาสค่ะพระาจารย์ยมดีใจที่ค่ะก็เดี๋ยวยมไปที่นู่นแล้วยมก็เป็นห่วงว่ายมจะปฏิบัติได้น้อยลงอ่ะค่ะพระาจารย์ตอนนี้เรื่องคนจัดทำเท่าที่เราทําได้ก็แล้วอย่าไปกังวล เหมือนพอจะไปเจอผู้คนแล้วย่อมก็เริ่มรู้สึกว่าโอ้นี่เราจะต้องไปเจอผัสสะคนอื่นที่เขาจะมากระทบเราไม่รู้เรื่องอะไรบ้างไน่แน่บาจะไม่มีไม่มีใครมายุ่กับเราก็ได้เขาจะมาทักทายเราหน่อยแล้วเขาก็ปล่อยเราก็ได้เราคิดไปอยเองอย่าอย่าไปตีตอนก่อนไข้เลยเนี่ยกลัวลูกสาวมากเลยค่ะพัดจันไว้ให้มันถึงที่นั่นบานทีเขาก็อาจจะเบื่อแล้วไม่อยากจะเจอเราใช้ได้้ําเลย โอยม อ, อาจจะเป็นคนไปคอยยุ่งวุ่นวาย ก, กับชีวิตสบายกเขามากกว่า <c oughs> <c oughs> ไปทักทายเขาพรพอแล้วถ้าเขาไม่อยากจะคุยกันแล้วก็ดีแล้วก็เข้าห้องเราไปนั่งสมาธิแล้วโ <นะ S 1> ยมก็จะได้ปฏิบัติต่ อ, เ, อ <ๆ S 2> เพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนี้ปฏิบัติได้ดีอะค่ะพระอาจารย์นั่งสมาธิก็ดังได้นานแล้วก็เริ่มมีสติมากขึ้นมีพุทโธอยู่กับจิตใจมากขึ้นอยู่ๆมันก็ผุดขึ้นมาโยมก็รู้สึกว่าโยมเริ่มใช้ได้แล้วนะ เอมันเริ่มเป็นนิสัยแล้วมันเป็นเริ่มเป็นนิสัยขึ้นมาเจ็บเป็นนิสัยนั่นแหละค่ะพัดพอพอรู้ว่าโอ้มันเริ่มจะดีขึ้นแล้วแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปเจอผู้คนมากมายแล้วเดี๋ยวจะต้องมีความหวาดกลัวคือจิตตัวเองเนี่ยมันวระแวดระวังไปทั่วเราก็เริ่มเป็ห่วงเหตุว่าหนึงเจ็ดจมาอยู่ในปัจจุบันว่าอนาคตยังมาไม่ถึงไว้รอถึงอนาคตแล้วค่อยว่ากันหน่อยท่านในเรื่องที่เราไม่ต้องเตรียมตัวก็ไม่ต้องไปทําอะไร เตรียมใจไว้กับรับต่อเหตุการณ์อะไรจะเกิดก็เกิดคิดไปแล้วทําให้เราเครียดตั้งแต่ยังไม่เจอเหตุการณ์จริงเนี่ยครียดเป็นเดือนเลยอลัไม่ควรรุ่งเครียด<อ>เล ย, ยให้ไปเครียดตอน<า> ท, ที่เจอของจริงดีกว่านะขอบคุณอาจารย์บางทีก็เจอของจริงจริงบา ง, ง, งทีก็ไม่เครียดนะเพราะจริงเวลาจริงๆมันก็ปฏิบัติกับเหตุการณ์นั้นได้ไงไม่ต้องกลัว จริงค่ะพูดถึงไว้จริงจริงแล้วโยมอาจจะรู้สึกว่าออกก็แค่นี้เองหรออะไรเงี้ยแล้วเราก็กําหนดกสติตัวเองใช่ค่ะพระอาจารย์นั่นฝึกสติไว้อย่างเดียวว่าพอฝึกเครื่องมือไว้ก็พอไม่ต้องไปกังวลกับปัญหาแลอกขอให้มีเครา่นงมือแก้ปัญหาแล้วก็ใช้ได้ค่ะพระอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจให้โยมในการปฏิบัติธรรมนะคะอดียินดีด้วยดีใจด้วยที่มีโอกาสได้ทําประโยชน์ให้กับสังคม สาธุสาธุสาธุวค่ะโยมก็จะตอบนี่ก็คือหน้าที่ของพระเนี่ยหน้าที่ของพระก็หลังจากเรียนจบแล้วก็จะมาสอนคนอื่นต่อคือโยมรู้สึกว่าการที่พระอาจารย์ออกเทศหรือว่าสอนคนเนี่ยบางทีวั น, ว, นวันหนึ่งพระอาจารย์สอนคนมากกว่าจํานวนชั่วโมงที่ปฏิบมปฏิบัติเสียอีกแล้วยมก็รู้สึกว่าโอ้โหไม่รู้โยมจะต้องฟังพระอาจารย์อีกกี่รอบคือโยมไม่มีทางฟังพระอาจารย์จบเลยอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะว่า ท่านคำสอนของพระอาจารย์เยอะมากไ ม, ไม่ต้องเรียนจบครับพระพุทธเจ้าบอกว่าพระไตรปิฎกนี่สอนเรื่องเดียวเท่านั้นคือเรื่องวิธีดับทุกข์นั่นเองเรื่องอไหนก็เกี่ยวกับเรื่องวิธีดับทุกข์นั่นไม่ต้องอไปเรียนหมดทั้งหมดที่เราสอนอ่ะขอให้จับประเด็นได้ว่าวิธีดับทุกข์ดับได้ยังไงเท่านั้นก็พอค่ะพระอาจารย์โยมก็น้องนามาปฏิบัตินะคะพระอาจารย์วิสติตัวเดียวเนี่ยจลน์ชนิดตัวสตินียตัวดับทุกข์นะว่าปัญญา ปัญญาก็ตายลากันที่ฌาทุกขาหน้าตาแค่นี้เองไม่ต้องเยอะมาไปกันเองแต่มันวูดน้อยมากเลยก็จะรักษาให้มันอยู่กับตัวนะคะพระอาจารย์กลับขอพบอาจารย์ค่ะคุณอาสกิจวันนี้ยังไม่โผล่มาอะไรึกนึกโผล่เข้ามานั่นยอยู่อย่างนีรู้าปล่าแม่บิดถึงเวลาค่อยว่าเลยค่ะพระอาจารย์คุณเอาคุณเปาบิณีต่อนะ คุต ว, วินีพาวินีอุดรพายรัตอยู่ที่ไหนต้องตดไมโครโฟนก่อนอันนี้ไมโครโฟนก่อนอพูดได้แนละ้วอำมาตการเจ้าค่ ะ, อ, ะอยู่ที่กรุงเทพเจ้าค่ะกรุงเทพมีะอะไรไหมวันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกใช่ไหมวันนี้เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเจ้าค่ะแต่ว่าปกติก็ เออได้มีโอกาสไปใส่บาทรพระอาจารย์ค่ะเพราะว่ามีเพื่อนที่อยู่ที่ชนบุรีค่ะที่เขาใส่บาตพระอาจารย์เป็นประจำเจ้าค่ะอะไรวันนี้อยากจะถามอะไรด้วยป่าวันนี้มีค่ะจะดึกมากเดี๋ยวไว้ครั้งน้ไม่เป็นไรถามได้เลยถามได้โอเคค่ะเจค่ะอ่าถ้างั้นขอขอถามเจ้าค่ะปกติอ่ะค่ะจะปฏิบัติ ทางสายอพองยุบเจ้าค่ะอืมแล้วคราวนี้อพอได้ยินธรรมของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะมันเหมือนทำให้เราเกิดสภาวะธรรมเข้าใจมากขึ้นเจ้าค่ะวก็เลยอยากทราบว่าสมควรที่จะเป็นปฏิบัติทางเดิมหรือว่าเปลี่ยนก็ทางไหนมันจะมันได้ผลก็เอาทางนั้นก็แล้วกัน ทางเดิมถ้าได้ผลก็ยังใช้ได้อยู่ก็ใช้ไปหร้ออยากจะลองทางใหม่ก็ลองดูก็ได้ ถ, ถ้าทางทางเดิมเจ้าค่ะเอ่เราจะเน้นที่สติพอพ อ, พอมาเริ่มพุทธโธพอเริ่มลองทํานะเจ้าค่ะเ อ, อสงบนิ่งมากขึ้นเอแต่ว่าอันที่ดีกับข่าวก็แล้วกันเจ้าค่ะอทีสงบกว่าค่ะอ๋อสงบอ่าถ้่างั้น หนูจะขอโอกาสไปเรียนเจ้าค่ะคือมันมันเป็นเครื่องมืออะมันมันมันทำหน้าที่อย่เดียวกันกถ้าเป็นรถยนต์ก็เป็ น, นรถยนต์เหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะเป็ น, นรถใหม่รถเก่าหรือรถที่เราอรถชนิดบาชนิดเราอาจจะไม่ชอบเราชอบรถชนิดนี้อะไรทำนองนี้ใช้ได้ทั้งสองทางแล้วแต่ว่าเราถนัดเราชอบขนานเราก็ใช้อันนั้นไปอืม มันก็ไม่ต้องไปเดิยนที่ไหนเนี่ยก็ลองทดลองเวลานั่งสมาธิกับพุโทโธพุโทโธไปถ้าอยากจะลองพุโทโธท่านนี้จะดูลมหายโนนท่านนี้จะดูเท้องยุบเนาะพองเนอะก็ท่องพุทก็ดูพุโทโธไปแทนท่องพุโทโธไปแทนอืมเจ้าค่ะได้เจ้าค่ะถ้างั้นเดี๋ยวลู้จะลองปฏิบัติ ด, ดูเจ้าค่ะเออได้มีเท่านี้เลยเท่านี้ก็ค่ะเท่านี้คือเอ่อแค่อยากทราบว่า เหมือนเหมือนเหมือนที่เคยได้ทราบมาเจ้าค่ะว่าคือทางไหนทางไหนก็เหมือนกันเจ้าค่ะทางไหนก็เหมือนกันก็คือไปสู่นิพพานเหมือนกันถ้าตั้งใจปฏิบัติเจ้าค่ะอแต่คราวนี้มันมันดีตรงที่ <c oughs> ดีตรงที่พอได้ฟังธรรมพระอาจารย์นะะมันมันสภาวะดมพันมันมันดีมากเจ่ะเออก็ดี เพราะมันนอกจากสมาธิแล้วมันต้องมีปัญญาด้วยอีกท่านหนึ่ง <Okay. S 1> ปัญญาคือความเข้าออกเข้าใจในเรื่องวิธีการปฏิบัติต่างๆแล้วเห็นว่าปฏิบัติเพื่ออะไ ร, ะไรต่างๆเนี้ต้องมีปัญญาต้องเียทางปัญญาต่อต้อค่ะแต่ตอนต้นก็ฝึกสติทําใจให้สงบก่อนใจสงบแล้วก็จะสอนทางปัญญาได้เรียนทางปัญญาได้ต่อต่อค่ะ มีทา น, นีใช่ไมอนี้เจ้ค่ะไว้อ่าพอดีว่าตอนแรกตั้งใจว่าจะไปสวดมนต์กับเพื่อนที่วัดค่ะแต่พอดีทางวัดไม่จัดตอนปีใหม่แล้วจ้ค่ะก็เลยเดี๋ยวจะฝากฝากไปร่วมทำบุญกับเพื่อนเพราะเพื่อนตั้งใจว่าเช้าวันที่หนึ่งจะไป ใส่บาตรพระอาจารย์เจ้าค่ะเดี๋ยวขออนุญาตฝากไปนะเจ้าค่ะได้สาธุสาธุนะคะกลับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์อยู่บ้านก็ปฏิบัติได้นะฝึกสติไปได้นั่งสมาธิได้ได้เจ้าค่ะแล้วก็พ้าอาจารย์เคยให้พรบอกว่าขอให้สวยไม่ส่างสวยไม่สางบานไม่รู้โรยโอยได้ใช้จริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช้ยังไงใช้ยังไง ใช้ในที่ทํางานเจ like ้าค่ะใช้ในที him, ่ทํางานเจ้าค่ะเพราะว่าพอมีผัสสะเหมือนอย่างที่พี่เขาเบอกอะเจ้าค่ะพอมากระทบเสกปุ๊ไม่อยู่ที่เขามอยู่ที่เราเจ้าค่ะเจ้าค่ะเอาง้วนะตอนนี้ก่อนนะค่ะเจ้าค่ะน้อมสักการเจ้าค่ะถือใจคุณวรีเป็นวารีเชนบุตราบนมักการ ครับออกก็ติดตามเหมือนเช่นเคยครับก็พยายามฝึกส ต, ติส ต, ติก็มีขึ้นมีลงตามตาสภาพคลาวาดค <c oughs> <c oughs> รับว่าแล้วไม่เป็นไรก็เป็นธรรมดายัางมันเหมือนเด็กอยู่น้องลุกคลุกคานอยู่อทุกคนเวลาเริ่มปฏิบัติก็เป็นเหมือนเด็กหัดเดินหัดยืนหัดเดินก็ยืนได้สองก้าวก็ล้มลงไปแล้วลุกขึ้นมาใหม่เดินใหม่แล้วก็ทําไปเรื่อยๆก็จะกลาย ก็กลายเป็นผู้ใหญ่แจกอินซีก็จะกลายเป็นพระ so, เห็นวันเห็นเมื่อวาน พ, ะพระอาจารย์แจกล็อกเก็ตด้วยเหรอครับนี่ อ, อ๋อมีคนเ็าทำมาให้แจกเพาะว่าเป็นน้องปู่น้องตาแล้วอยากจะให้หนุ่หลานจะได้มีของที่ระลึกไม่ได้เป็นเครื่องราขงของขลังนะ เ, ออเป็นของที่ระลึกออ ธ, รรธรรมดาก็แจกภาพอยู่แล้วแจกสติกเกอร์ อ, อ, อยู่แล้ว เป็นล็อกเก็ตเขียนว่าใครต่าสุชาติน่าตาเป็นรูปเป็นเป็นรูปเป็นรูปแล้วก็เขาใส่กรอไว้ให้คล้อยคอได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นหลวงตาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเป็นคนแก่แล้วเอ็นหลงปู่หลวงตาว่าอื่นก็มีแจกกันเ้าก็เลยขออนุญาตทํามาให้ให้แจกแล้วก็เรารอการจะรอแจกวันปีใหม่โอ้พนนี้นี่ก็กิจกรรมวันปีใหม่ก็เลยเมื่อวานนี้เป็นวันสุดท้ายของการทํากิจกรรมก็เลยอาเออมาแจกกันห รุ่นมหาปติหรืป่าครับให้ฝึกปติม่รุ่นอะโลขยาปรมาราพาทำให้มีมรโรคเป็นลาบเป็นประเสริฐ น, นะแต่มันไม่เป็นจริงหรอกอเพราะฉะนันมันเป็นสมมุติทั่านเองอแต่บางคนก็ยังไม่มีธรรมะในใจก็เลยก็เามาใส่ธรรมะข้างนอกเป็นเครื่องยืดเหนี่อยจิตใจเลยก่อนครในรูปหลวงพ่าห้อยคอแล้วทําให้ ล, ลึกถึงความดีทําความดีอะไรก็ กาไม่เสียหายแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อป้องกันภัยอะไรนั่งรถไม่ความนี้ไม่ไม่รับประกันคยิงถูกยิงก็ไม่รับประกันว่าจะยิงไม่เข้านี่ไม่รับประกันเลยเด็ดขาดนะพอใจไหมอย่าไปเชื่อเป็นเครื่องรางของถังเป็นซูเวเนียภาษาอังกฤษเขาเรียกซูเวเนียเป็นของของที่ระลึกท่านั้นเคยเคยฟังพี่หลวงงตามหาบัวเล่าเกี่ยวหลวงพ่อคูนว่าอะไรที่ห้อยแล้วคนคนขับอะครับ ไปแล้วไม่ตายาก็เลยมาว่าอ๋ อ, อบอกกูลงลดไปตั้งแต่เก้าสิบแล้วใช่มึงเหยียดทั้งนะ <c oughs> ร้อยสีสิบกูลงตั้งแต่เก้าสิบแล้วพาไปคุ้มครมงลุณประมาทก็จารยนพูดง่ายๆโอเคมีมมอะไรไหมมีครับรู้สึกว่า ทำไมบางทีพ่อท่านสอนว่าทำบุญแบบมหากรถินจะได้เกิดเป็นจกักรพรรดิห้าร้อยชาติอะไรอย่างนี้คือมันขนาดนั้นเลยเหรอครับพ่อ๋อนั่นอาจจะโฆษณาชวนเชื่อโสษณาชวนเชื่อครับคือทําบุญนี่เพื่อให้เราไปนิพพานนั่นนะ่ะครับแต่ระหว่างทางอาจจะถ้าทําบุญมากก็จะได้เป็นได้ได้ผลอตอบแทนมากเหมือนลงทุนเนี่ยเหมือนเหมือนฝากเงินในธนาคารเนี่ยคุณฝากร้อยมันก็เบิกได้ร้อยบวกดอกเบียนะ้ยใช่ไหม คุณฝาก พ, พันคก็ได้รับพันบวกดอกเบีย้ยอันนี้ก็เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าตอนเปนพระเวศสันดรเขาฝากเยอะทำบุญเยอะพอตายขึ้นมาก็มาเกิดใหม่ก็มาเป็นเจ้าชายสิทธาาัตถะใช่ไหมครับเพราเราดับความหมายก็อยู่แค่ตรงนั้นเองครับแล้วถ้เาเร า, เาทาบุญกับวัดกับโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าวัดท่านมีเยอะแล้วแต่โรงพยาบาลขาดแคลนพวกอุปก ร, กรณ์การแพทย์แบบนี้เราทำบุญกับได้เท่ากันบุญได้เท่ากันไม่ว่าจะทํากับใคร บุญมากบุญน้อยอยู่ที่การเสียชละของเราเสียมากเสียน้อยเสียน oh. ้อยให้กับวัดเสียร้อยให้กับรโรงพยาบาลก็เท่ากันโอ oh, ครับเพราะเหมือนได้ยินว่าอะไรไะทําบุญพระกับพระโสดาบันสิบครั้งยังไม่เท่ากับทำพระสกิทาสิบครั้งทาพระอะไรแบบนี้ oh. ครับอันนี้รพราะเรื่องปัญญาจะได้ปัญญาจากท่านเนี่ไหมโอ้โหถ้าไป<ม>ไปคุยกับพระไม่มีปัญญาเขาก็สอนเราไม่ได้ครับครับเพราะฟังอย่างนี้แล้วมันเอา้า บางกรณีคนก็ไม่ทําบุญกับพวกอะไรที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธหมดสิเพราะทําแบบนี้ทํากับศาสนาพุทธได้บุญมากกว่าทําบุญมันได้สองส่วนไงส่วนที่เท่ากันก็คือทํากับใครก็ได้เท่ากันก็คือความรู้สึกความอิ่มใจสุดใจแต่ส่วนที่เราจะได้รับจากคนที่เราไปทําบุญด้วยนี่มันไม่เหมือนกันไงทําบุญกับหมามันก็ช่วยเฝ้าบ้านให้เราเหาให้เราทําบุญกับพระอริยะถ้าเราทำมากมาสอนเราอ๋อจะเป็นส่วนนั้นอ๋อคนละส่วนกัน ชนท่านไม่เหมือนกันไม่เท่ากันไปทำบุญกัหมอหมอก็เรื่องเรื่องรักษาโรคภายค่าเจ็บมาบอกเรามาสอนเราเข้าใจอ๋อเก็บเก็บมากเลยคือคือปัญญาที่จะกลับมาไม่ใช่เพราะไปคิดว่ามด้านลงทุนแล้วมันแบบเอ๊ะมันจะเหมือนทําบุญเพื่อเพื่ออยากได้ผลที่กลับมามันฟังแล้วมันไม่ท่ากันได้ชนะความโลภได้ชนะความตัเองเหมือนกันอ๋อครับ พรเพอเห็นแบบนี้แล้วมันเอ๊ะความบุญลองลงพาบาจะได้บุญน้อยเพราะว่าอะไรโอเคนะโ <Okay, S 2> <พ>อเคเรับพอมันดึกแล้วเดี๋ยวไดให้คนอื่นต่อการจะหมดนะใครจะ <Okay. S 2> นนะครบคุ ณ, คณานายโฟนต่ออะไรคุณานายโฟนได้ยินหรือเปล่าจ้าอ่เอ่าอยู่ที่ไหนนมัสกัดหอมพอได้ยินค่ะอยู่ที่ไหนจ้าบ้านอยู่ที่ไหน อ๋ออยู่ที่บอวินค่ะอ๋อบอวินค่ะบอวินค่ะออจําหน้าไม่ได้เคยมาวัดหรือเปล่าค่ะมีอะไรบปล่เคยไปสองเคยไปฟังธรรมสองครั้งค่ะอ๋อโอเควันนี้แต่แต่ปิดแมสค์ค่ะอาจารย์อะไรม่จัดเพราะคนมาจากบอวินหลายคนด้วยกันครับมีอะไรจะถามวันนี้ มีคำถามค่ะเอ่อต่อจากต่อจากอาทิตย์ก่อนเลยหลังจากที่เราสวดมนต์เพื่อให้มีส ต, ติแล้วก็นั่งสมาธิทีเนี้ยเราอุทิศบุญให้กับญาติหรือเจ้ากรรมนายเวรเอ่อญาติที่ล่วงลับไปแล้ว อ, อย่างเงี้ยค่ะเขาจะได้รับไหมคะคือบุญที่เราทำจากสมาธิสวดมนต์เนียนี่ยังยังไม่สมบูรณ์ ถ้าอยากจะอุทิศบุญให้ทําบุญใส่บาตรมันจะได้สมบูรณ์ทันทีงั้ก็ไม่นิยมใช้บุญไหนมันยังไม่มันไม่ยังยังไม่สําเร็จถ้าเป็นเด็กก็ยังอยู่ในท้องแม่อยู่ยังไม่คลอดออกมาว่ายังกําลังกําลังตั้งท้องอยู่แต่ยังไม่คลอดบุญที่เราทําจากการปฏิบัตินี่ยังไม่คลอดต้องเป็นพโสดาบันก่อน เป็นพระอริยะก่อนที่จะสามารถจะเอาบุญของพระนั่นไปให้กับผู้อื่นได้แต่ก็ให้แบบธรรมะต้องไปสอนเขาต้องสอนธรรมะเขาเห็นพระพุทธเจ้าไปสอนแม่บนสวรรค์นู่นเห็นไหมพระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะรูกทิศบุญที่ท่านเป็นพ ร, พระพุทธเจ้าได้เราติดต่อกับแม่เราเจอแม่เราถึงไปสอนธรรมะให้กับแม่ ยังการอุทิบุญที่ส่งไปนี่เราจะนิยมใช้การทําทานทําบุญทําทานใส่บาตถวายสังฆทานอะไรทํานองเนี้แล้วก็สามารถอุทิศบุญที่ได้จากการกระทําทานนี้ส่งไปได้เลยแต่บุญอย่างอืงน่นนี่ต้องเอาไปต้องเอาไปให้เขาเองต้องไปสอนเขาต้องไปสอนทํารักษาศีลวมื่อเราศีลไม่สอนเขา ฝึกสมาธิก็ต้าสมาธิไปสอนเขาฝึก ป, ปัญญาก็ต้องเอาปัญญาไปสอนเขาส่งไปไม่ได้ค่ะงั้นถ้าอยากจะอุทิศบุญต้องเกิดจากการทําบุญทำทานแม้แต่หลวงตามหาบุรีเวลาจะอุทิศบุญให้แม่ท่านท่านก็ยังทําทานเลยท่านก็จัดงานาทําทําทานเปิดโลกประทา น, ชนาดเชิญญาติโยมมาร่วมกันทําบุญทำทานอุทิศให้กับดวงวิญญาณที่ร่วงรับไปแล้ว คนเราเข้าใจอีกยมันเป็ น, นบุญคนต่างชนิดกันบุญชนิดนี้น้องเกิดจากกา ร, รทำบุญทำทานเนี่ยไม่ใช่เกิดจากการนั่งสมาธิรหรือรักษาศีลหรือปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่เข้าใจแลนะนะ ค่ะเข้าใจค่ะอีกคําถามนึงค่ะต่อจากที่พระอาจารย์พูดว่าพระโสดาบันนะคะคือเคยอ่านหนังสือเจอสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าไปเทศแล้วทีเนี้ยก็มีคนคือได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุโสดาบันเลยในที่นี้คือแค่เข้าฟังธรรมโดยที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็บรรลุได้เลยเหรอคะทําไมเหมือนทุกวันนี้ไม่เห็นคือเขาปฏิบัติมาถึงขั้นที่เราจะบรรลุได้เขาต้องมีศีลมีสมาธิก่อน ค น, คนที่ไม่บรรลุเพราะไม่มีศีลไม่มีสมาธิ เ, เหมือนคนที่จะเข้ามาหาลัยต้องจบม6ก่อนต้องไปสอบถึงยักสอบเป็นท่านได้คนที่ไม่จบม6ไปสอบเป็นท่านก็เข้าไม่ได้สอบตกเข้าใจไหมดังนั้นคนที่ฟังธรรมแล้วบรรลุนี้แสดงว่าเขามีศีลมีสมาธิแล้วแต่เขาขาดปัญญาเราจะย่าสอนปัญญาเขาก็บรรลุได้ แต่พวกเรานี่ไม่มีศีลไม่มีสมาธิที่สมบูรณ์ฟังฟังทำไ้กี่รอบก็ไม่เข้าใจขากิเลสไม่ได้ตัดความโลภความอยากไม่ได้เข้าใจไหมค่ะค่ะหมดแล้วใช่ไหมคือตอนนี้ก็ค่ะโอเคอ่านนี้ก่อนนะเหล3ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะมีคนรออยู่แล้ว คุณ<อ>คุณแปดสี่ศูนแปดศูนย์หกเชิญคุณแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์หกอยู่ที่ไหนเปิดไมค์ก่อนอพูดได้เลยอยู่ที่ไหนไม่ได้ยินเสียงหูฟังคุณไม่ดีต้องถอดมันออกดีกว่าแล้วพูดถอดปลั๊กออกเลยแล้วก็พูดผ่านทางเครื่องเลยเสียงคุณไม่มาเลย อาจจะเป็นเพราะเวลาคุณเข้ามาคุณไม่ได้กดให้มันใช้คอมพิวที่คอมพิวเตอร์ออเดียกับเสียงคนเลยไม่เข้าต้องต้องออกไปใหม่นะขออภัยด้วยไปที่รีโอก่อนนะรีโอครับน้าสก้าหลวงตาครับไม่งายแม่ตามมาเลยเดี๋ยวคุณแปดสี่สิบมันรอแป๊บเดี๋ยวเราคุยกับคุณรีอยู่เีอะไรไหเดียว Okay. Uh, just want to wish you Merry Christmas and Happy New Year, k kinda... Okay, thank you. Mm -hmm. Wishing you the same thing, okay? May you be well yeah. and happy. Thank you, thank you. Alright. มีคำถามทางทางหน้าเฟซไหมจะได้ตอบเพราะมันเด็กมากกับสชั่วโมงครับมีครับเชิญถามครับคุณลเชิญเลยมีกี่มีคำถามจากทางเ a ซบุ๊กจากหท่านเจ้าค่ะ คำถามคำถามแรกจากคุณม่วนติง่งมีคำถามเจ้าค่ะหลวงพ่อระหว่างการมีลูกกับการไม่มีลูกอย่างไหนดีเจ้าค่ะก็แล้วแต่ว่าเราเราชอบอย่างนันก็ดีอย่างนั้นเนคนที่เหงาก็อยากจะมีลูกมันก็ดีคนที่ไม่อยากจะมีภาระเขาอ้อมไม่มีลูกดีกว่าก็อยู่ที่ว่ามันดีคนละอย่างนะเข้าใจไแล้วเรื่องเอา ถ้าคุณเงาคุณอยากจะมีเพื่อนคุณมีลูกก็ดีใช่จะได้มีเพื่อนแต่ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนไม่ชอบมีมีภาระก็มีลูกมันก็กลายเป็นภาระให้คุณต้องเลี้ยงดูข้อที่สองคำถามต่อไปจากคุณพิศพงศ์วงัมภูขอคำแนะนาการปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์สองประเด็นประเด็นแรกคือฝึกของผมปฏิบัติปัญญาคําภวนา ของหนอยุบหนอนั่งหนอถูกหนอครับตอนนี้มีการเจริญสติคือให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่าไปคิดอะไรให้รู้กาลังเดินหนอก็ลองนั่งหนอก็ลองยืนหนอไปประเด็นที่สองคือมีความรู้สึกผูกพันกับคนบางคนและวัตถุประสงค์คือยมอยากให้ตัดให้ขาดและให้หลุดออกจากความรู้สึกนี้ จะมีวิธีการแก้ไขได้อย่างไรข อ, อนามสการเรียนสอบกรแพทย์นั้นเป็นความใจอยู่เรื่อยๆวัเราไม่ช้าก็เลยก็ต้องจากกันไม่จากกันตอนไปไม่จากกันตอนตายอันนี้เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาที่ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนคำถามต่อไปจากคุณทินกี้อินกี้ขอแบ่งคําถามออกเป็นสองช่วงเจ้าค่ะปรับนมัสการพระอาจารย์ค่ะหนูอยากทราบว่าเวลาที่เราทําสมาธิ เข้าไปในสภาวะที่ติดสงบมากแล้วบางทีจะเกิดเวทนาทางใจขึ้นมาเช่นความเศร้านั่นเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกรรมไหมคะแล้วเราต้องทำอย่างไรกับมันคะแสดงว่าจิตยังไม่สงบเต็มที่ไงถ้าเกิดอาการต่างๆก็ต้องท ำ, ท, ำทําสมาธิต่อไปดูนลญสติต่อไปพุโทโธต่อไปแล้วดูลมหายใจต่อไปยังยังสงบไม่เต็มที่ ถ้าสงบเต็มที่เราจะไม่มีอาการอะไรเลยมีแต่สักแล้ ว, วรับรู้แล้วก็มีความว่างมีความเย็นมีความสบายใจแต่รับรู้ดูมันไปหรือว่าต้องตามเข้าไปดูให้รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วทําไมเราถึงรู้สึกเช่นนั้นด้วยคะไม่เราให้หยุดหยุดคิดให้มาดูลมต่อแล้วพูดโธต่อคํถาถามต่อไปจากคุณเพ็กกี้นนท์ ขอโอกาสกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะคำว่าสาธุแปลว่ายินดียังมีความหมายอื่นๆอีกไหมคะและแ้วควรใช้ในววละใดบ้างแล้วดีแล้วใครเ็ททำอะไรดีแล้วเขาบอกสาธุสาธุนี้แล้วคนใส่บาตรแล้วก็สาธุใครเขาขอบคุณเราแล้วก็สาธุไปดีแล้วเวอร์ o ี่กรภาษาอังกฤษคาถา<ผ>มสุดท้ายจากคุณจุไรรัต กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ถ้าเราทานกัญชาเป็นยารักษาโรคจะผิดศีลหรือเปล่าเจ้าคะเออเป็นยานก็ไม่ผิดศีลนสีสิแต่ถ้าอ้างว่าเป็นยาแล้วตัดความจริงเสพเพื่อเพื่ออารมณ์คนเสพกัญชาก็เพื่ออารมณ์ได้รับอารมณ์เพิ่อความสุขเพิ่มเพลินชั่วคราวเหมือนดื่มสุรายาเมาถ้าอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นเป็นยาก็ใช้ไม่ได้ หมดแล้วใช่ไหมแล้วเจ้าค่ะโ okay. อเคพออาคุณให้แปดสี่ศูนย์ได้ครั้เข้ามาพูดได้ไหมครั้งนี้ยังไม่ได้แก้ไขลองพูดเลยครับลองพูดเลยครับแปดสี่ศูนย์ไม่ได้หยินเสียงอะไรคือแปดสี่ศูนย์ยินเสียงคือคุณเวลาคุณเข้ามาคุณไม่ได้ไปคลิกเวลามันถามว่าใช้คอมพิวเตอร์ออเดียรือเปล่าไม่ด้วยมันก็เลยไม่ไ ม, ม ไ, ม ไ, ไ, Audio, ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ออเดียร์ไม่ได้ใช้ออเดียรของเครื่อง มันก็จะไม่มีเสียงคุณไม่ได้ enable มันไม่ได้ enable ตัวไมโครโฟนในเครื่องที่คุณใช้อยู่ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เพราะว่าไม่สามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วพอดีมาถึงวารกสุดท้ายของการประชุมละสองชันะช่วโมงสี่สิบเก้านาทีด้วยกันก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลานะสำหรับคราวนี้อร ตอาหน้ายัางมีต่อนะทุกวันพุธถ้าไม่มีเหตุขัดข้องก็จะพบกันทุกวันพุธช่วงประมาณสองทุ่มมาขอให้ท่านทั้งหลายจงนำมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ